จีบดอตขนาดใหญ่หลายคันเคลื่อนผ่านประตูเร็กมหึมาที่เปิดกว้างออกมาหมดทั้งสองบานของสถานีกักสัตว์บริษัทไทยไวท์ไรท์เ right, ข้ามาอย่างเช่มช้าเรียงกันมาเป็นขบวนเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึมอยู่ในเกียร์ต่ําขณะที่ชรอผ่านช่องประตูเข้ามาเสียงตะโกนทักทายและสับประสันเนียงแห่งการโกรหนอโรมานวุ่นวายอันเป็นธรรมดาของทุกครั้งที่การขนสัตว์ป่ามาถึงดังปะปนการฟังไม่ได้สับ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 ซึ่งผ่านประตูเข้ามาทิ้งตัวลงจากรถเลี้ยงมายืนใต้ร่มจามจุรีใหญ่ใกล้ซุ้มประตูถอดหมวกปีกใหญ่คาดแถบด้วยหนังสือดาวออกตกกับขาฝุ่นกระจายคุ้งควักบุหรี่ออกมาจุดสูบตาสีน้ำตาลหลีมองดูรถบรรทุกที่ย่ะทยอยผ่านประตูเข้ามาทีละคันเหล่านั้นนานๆก็ตะโกนสั่งงานกับคนขับสับคาในห้องรับแขกรุ่ราบนตึกที่ทาการ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 ส่งเสียงร้องทักยิ้มแย้มรูปหน้าเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวอย่างคุ้นเคยแล้พินยิ้มและทักทายตอบมายืนอยู่ตรงนี้เองนะหรือครับคุณระพินท่านผู้อนวยการให้ผมมาเชิญคุณขึ้นไปบนบริษัทหน่อยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปผมเพิ่งมาถึงมันร้อนหรือเกินจะดูคนงานขนลำเรียงเจ้าพวกนั้นลงหน่อยอะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับเจ้าแรดตัวนั้นเรากาลังรีบ การตอกลคงรู้สึกจะบอบบางไปหน่อยถ้าลำเรียงลงไม่ดีกครงมันอาจแตกแล้วมันก็จะวุ่นวายกันใหญ่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเบาต่ำอันเป็นนิสัยตามองจับไปยังการขนลำเรียงในขณะนั้นเที่ยวนี้รู้สึกว่าจะคึกคักมากนะครับตั้งเจ็ดคันรถเป็นไงได้ครบจำนวนตามออเดอร์หรือเปล่าทั้งสองยืนพูดกันอยู่ท่ามกลางเสียงเอะอเอกกระเิศของคนงานพื้นเมือง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 และคนไปกับเสียงเฮโรโหรภพาของเจ้าพวกคนงานพื้นเมืองที่ช่วยกันเข็นเรื่อนอยู่ในขณะ น, นี้ดูเป็นที่สนุกสนานรพินขมวดคิ้วยังหุดหงิ ด, งดสาวเท้าจากรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเดินตรงเข้ามาโดยเร็วพร้อมกับร้องตะโกนเตือนความสนุกสนานคึก ข, ขนองของคนงานพื้นเมืองเหล่านั้นการส่งเสียงเอกอะเล่นกันไปพรางของเจ้าพวกนั้นเท่ากับยั่วยุให้เจ้าป่าบังเกิดความตื่นเต้นดุร้าย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 ฝูงนกเงือกในกองตะข่ายขนาดใหญ่พากันแตกตื่นส่งเสียงร้องและบินกันพึบภัพมองรอดกองตะข่ายทะรุไปยังซุ้ม่อยตรงข้ามเห็นตาขีบปัดปากแดงฉานที่อาสแยะและกลงเขียวขาวไอดำนอนหมอบอยู่ที่นัน่นกำลังเรียแผลจากกระสุนลูกซองซึ่งฝังอยู่ที่ตะโพอันเกิดจากการยิงอย่างส่งเดชของพวกคนงานเขาต ว, วัดไรเฟืขึ้นอย่างใจเย็น ตาจับอยู่ที่เป้าหมายอันมีระยะห่างประมาณไม่เกินสิเมตรโดยมีกรงนกเงือกกั้นกลางไอ้ดำเพ่นพวดพลาดขึ้นโดยเร็วก็โจนไต่ตะกุยตะกายขึ้นไปบนต้นฉำฉาพอถึงคาครบก็หมอบตัวทำหูรู้อ้าปากเสี่เขี้ยวมาทางเขาพร้อมด้วยดวงตาอันลุกจ้าดุร้ายและพลิบตานั้นเองมันก็เพ่นพรวดสยายเล็บพุ่งลงมาสายอย่างดุเดือดโดยข้ามหลังกรงนกเงือกลงมา ระพินวาดนำกล้องปืนตามในขณะที่มันตะกายขึ้นไปบนต้นฉาฉามันก็เพ่นเข้าใส่3 0มก็แผดระเบิดกึดกกล้องไปทั่วเป็นการยิงสวนในระยะเผาขนร่างของเสือดำขนาดใหญ่ประท้าร่างของจอมพลาโดยแรงคอร้มกระแทกลงไปเบื้องหลังปืนหลุดจากมือกระเด็นส่วนเสือร้ายมมวนตัวสั่นริกๆอยู่กับที่ตรงนั้นมีแต่ส่วนหางยาวเท่านั้นที่แกว่งวาดไปมาอยู่สองสามครั้ง แล้วก็สงบนิ่งผู้จัดการของสถานที่และคนงานทั้งหลายพากาันวิ่งพลูเข้ามาเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินลุกขึ้นยืนช้าๆเดินมายืนโครงศีรษะอย่างสุดเสียดายอยู่ที่ซ่าของไอ้ดำาร้ายกาศตัวนั้นกระสุนสศนเจาะแสกหน้าของมันทรุเลยออกต่ำกว่าต้นคอเล็กน้อยบนห้องผู้อำนวยการที่หน้าต่างกระจก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 ในสายตาที่จำเรืองผ่านานเพราะกำลังพูดโต้อตอบทักทายอยู่กับพวกในการบริษัทผมเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนของคุณเจ็บสาหัสไปนคนหนึ่งเลือดตกยางออกกันไปอีกสี่ห้าคนเพราะความสสเพ้าของพวกเขาเองแท้ๆพรานใหญ่พูดอย่างสำรวมน้ำเสียงของเขาเบาเรียบอําพลหัวเราะหนักหน่วงแล้วโอบไหลไว้อ้อยเรื่องเล็กไม่ต้องกังวลไปหรอกคุณรัพิน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 เรื่องที่จะจับเป็นเห็นจะไม่ต้องหวังผมยินดีที่จะชดใช้ให้คุณตามราคาว่าแต่นี่แน่เราอย่าไปสนใจรายเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยผมกำลังรอพบคุณอยู่ทีเดียวอัมพลหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งหันมาทางบุคคลทั้งสามที่จ้องมองกับการโผล่เข้ามาของรพินภัยวันอย่างเงียบๆขณะนี้เขาได้ผ่านใหญ่ยืนอยู่เบื้องหน้าของคนเหล่านั้น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 หม่อมราชวงศ์เชษฐาเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ35ปีลักษณะสุขุมเยือกเย็นผิวพรรณท่วงท่าบอกชัดว่าเป็นราชสกุลแต่ก็ดูเข้มแข็งบึกบืนอย่างชายชาตรีแท้พันตีชายยันคงอายุไม่เกินสาสามปีคุณลักษณะของเขาเป็นทั้งบุรุษเจ้าสำราญและนักเผชิญโชคเผชิญภัยประปนกันอยู่ชนิดแยกกันไม่ออกส่วนหญิงสาวผู้นั้น มีอะไรที่สะดุดตาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือส่วนทรงหล่อนซ่อนร่างโปร่งได้ส่วนสัตว์อยู่ในเสลกอันเป็นยีนขาวและเชิ้ตสปอร์สีน้ําเงินเข้มตัดผิวมะปางดูเด่นมองเห็นความสมบูรณ์งามสัพของสัตว์ส่วนได้อย่างถนัดเห็นจะไม่ใช่สาวน้อยแรกปลิหรอกชํ่เลืองด้วยหางตาก็พอจะคํานวณได้ว่าอายุของหล่อนจะไม่ต่ำกว่า 25-26 ปี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 ขนาด น, นั้นน้อยไม่ได้อยู่เมืองไทยร่วมเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยถ้าน้อยอยู่น้อยจะไม่มีวันเข้าข้างพี่ใหญ่เด็ดขาดและพี่กลางก็คงไม่ซาเซไปถึงเพียงนี้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พี่ชายนิ่งเงียบเพื่อนชายย่นหน้าแล้วหัวเราะหึ่หึ่ไม่ได้โต้อตอบอะไรอีกทั้งสิน้นนายอัมพลผู้อำนวยการบริษัทถ่ไทย ไ, วไ ห, รหวร้ายหัวเราะอ่อย อ, อยท่าทางเต็มไปด้วยความพินอพิทาว อ, อกใจ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 เป็นผิวของคนที่นิยมกลัมอยู่กลางแดดกลางลมอย่างนักกีฬากลางแจ้งทั้งหลายจมูกเชิดแสดงถึงความร้นลิมฝีปากบางส่อแววเจ้าอารมณ์ถือดีตาคมเฉียบฉลาดบางขณะก็อาจแฝงแววเขาาเพราะความอวดดีของตัวเองวัยของหล่อนเจนโลกมาพอสมควรแต่ไม่ถึงกับกล้านระพินพินิดหล่อนโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็สะดุง้ง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 เขาควรจะเป็นใครจอมพรานถามขึ้นเนวินพมา่านักเดินป่าคนนั้นกำลังหม่อมราชวงเชิดฐาพูดต่ำๆสีหน้าของทุกคนที่ฟังเขาเล่าอยู่ในขณะนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสงใจยิ่งระพินก้มศรีษรษะลงครับเนวินหนุ่มนักเผชิญโชคชาวพมา่าคนนั้นหรือมิชนันนนถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็เป็นหนังที่หุ้มกระดูก ข, ของเขา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 เมื่องัดออกมาได้เขาก็พยายามที่จะแก้มันออกแต่ไม่สำเร็จมือเขาขณะนั้นแข็งไปหมดแก้ทีสิเขาขอร้องผมผมจึงแก้ออกพบว่ามันเป็นแผ่นหนังบางๆเก่าข้ามข่าบนแผ่นหนังโบราณแผ่นนั้นจารึกไว้ด้วยตัวอักษรอันเป็นอักษรพม่าสมัยโบราณดูเลอะเลือนเต็มทีและก็มีกระดาษอยู่อีกแผ่นหนึ่ง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 จนกระทั่งตกมาถึงสมัยของผมซึ่งได้พยายามอ่านมานันจนสำเร็จแต่แล้วรายแทงนี้ก็นำความบิบัติมาสู่ตัวผมเองถึงผมจะตายผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนพยายามจนสำเร็จและคนคนนั้นก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลก ค, คุณรักวิเธอ ร, รพินนี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ผมจะให้กับคุณ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 พระพินภัยวันหยุดเว้นระยะการเล่าด้วยการยกแก้วบรันดีขึ้นจิบท่ามกลางการสงบฟังอย่างตื่นตะลึงของทุกคนหม่อมราชวงศ์หญิงดารินหันไปมองดูตาพี่ชายได้เพื่อนหนุ่มเหลือกตางามของหล่อนซอยทีๆเชษฐากัดลิมฟี ป, ป่าส่วนชัยยานและอัมพลผู้อำนวยการลินบรันดีให้ตนเองยกขึ้นดื่มจนหมดแก้วเรื่องพิศดารมากทีเดียวครับ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 ไม่ได้รับรองยืนยันเลยถ้าพวกคุณทั้งหมดสนใจในเรื่องนี้อยากจะเห็นต้นฉบับแท้จริงซึ่งเป็นลายมือที่เขียนด้วยเลือดลงไว้ในแผ่นหนังโบราณแล้วก็ตามผมไปที่บ้านพักหนอ ง, น, องน้ำแห้งตึดครับผมยินดีที่จะให้พวกคุณเห็นและมินิจฉัยเอาเองคุณยังไม่ได้เล่าให้เราฟังถึงชดประชากรเลยครับพันตีชา ย, ยันตัดบทมาอย่างอ่อนโยนพรานใหญ่หัวเราะหึ่หอึอยู่ในลาคอ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 เกรงว่าพลานใหญ่หยุดพูดไปเสียเฉยๆโดยเว้นระยะไว้ให้ทุกคนคิดเอาเองภายหลังจากกลิ่นบรั่นดีเพิ่มเติมให้กับจอมพ่านพู้เล่าเรื่องราวทั้งหมดและดินให้แก่ตนเองยกขึ้นจิบแล้วหม่อมราชวงศ์เชษฐาพูดขึ้นด้วยเสียงชัดเจนหนักแน่นคุณรพินครับผมได้ตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนแล้วผมกาลังจะออกเดินทางตามตัวน้องชายของผมจนกว่าจะพบเขา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 นึกไม่ถึงว่าในป่าเมืองเราจะมีนายพรานที่เจริญแล้วพูดกันได้รู้เรื่องอย่างคนได้รับการศึกษาดีอย่างนี้แต่น้อยไม่เขอจะถูกจะตตาเขาเลยนายพราน ภ, าภาัยใจฉกาดคนนี้หม่อมราชวงหญิงดาลินกล่าวออกมาปนหัวเราะน้น้อ ย, อยเห็นครั้งแรกพูดกันสองคำก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยโสพอๆกับเลือดเย็นหล่อนหันมาทางนายอำพลอย่างน้อย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 ทำให้ทุกคนผงะตะลึงพึ่งเพิดไปในบัตรนั้นอกแตกตายหม่อมราชวงหญิงดาลินอุทานออกมาตาพานไพยใจชะกันหน้าเยี่ยมราวกับโจรป่าคนนี้นะหรือนักเรียนเยอรมันเคยเป็นร้อยตำรวจเอตระเวนชายแดนครับคนนี้แหละหญิงสาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างอีกครั้ง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 ูมองดูเฉยๆแม้ว่าเขาจะหันไปก้มศรีรษะให้เป็นการคาระวะตามธรรมเนียมวันนี้หลอนอยู่ในเชิ้ตโปโรและกางเกงผ้ายืดรัดรูปทรงสีดอกตะแบกแจ่มเจิดเลิดรักหน้าพิศวงแต่มันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะาพรานไพรใจฉกาดที่หลอนว่าไม่เคยแสดงความตื่นเต้นสนใจอะไรเลยสักนิดผิดกับผู้ชายสามัธรรมดาที่หลอนเคยพบเห็นมานักต่อนัก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 เป็นยังไงครับข้อเสนอของผมออกจะมากมายเกินไปหรือเปล่าโดยไม่ต้องไครครวนอะไรเลยแม้แต่นิดหนึ่งหม่อมราชวงศ์ช่ถายิ้มส่งมือให้มาให้ในพรานใหญ่จับและบีบแน่นตกลงครับผมขอรับข้อเสนอนี้โดยไม่มีการต่อรองเกี่ยงอนอะไรเลยทั้งสิ้นผมจะรับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนกว่าคุณจะล้มเลิกผลงานของคุณเสียเองหรือจนกว่าจะสาเร็จ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 มันเป็นการยุติธรรมแลวเหมาะแล้วหรือครับที่จะเอาคุณหญิงดาลินอันเป็นน้องสาวของคุณชายเองไปพบกับคราะหกรรมด้วยเชิดฐาโครงศีสะหน้าเครียดอย่างกรัดกุ้มแต่ผมไม่มีทางจะห้ามเขาได้และใครก็ห้ามเขาไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากว่าเราจะเลิกล้มการเดินทางครั้งนี้เสียซึ่งผมยอมไม่ได้โปรดถึกครับอนุญาตให้เข้าไปด้วยสักคนอย่างน้อยที่สุดเ้าก็ยังพอจะทาประโยชน์ให้แกเราได้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 หม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้นี่ร้ายกาจ เ, เรื่องจริงๆรดูจะร้ายเสียยิ่งกว่าเจ้าเสือดำที่หลุดกองเมื่อวานนี้หลายเท่านักเขาบ่นอยู่ในใจอย่างลำคาญเมื่อกลับมานั่งลงที่เก่าหล่อนตะวัดปืนมาพาด ต, ตักไว้ถามหน้าตาเฉยว่าเป็นไงอนุญาตให้ฉันไปด้วยหรื อ, อยังในพรานตกลงครับหญิงสาหัวเราะ อ, ออกมาอย่างมีชายเสียงสดใสขึ้นเห็นไหมบอกแล้ว คุณเป็นลูกจ้างคุณต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างสิแต่บางขณะนายจ้างก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของลูกจ้างเหมือนกันถ้าหากลูกจ้างคนนั้นเป็นลูกจ้างประเภทถือหางเสือเรือถ้าไม่งานเรือร่มนายจ้างก็จะจมน้ำตายสามคนหัวเราะอย่างขบขันขึ้นเป็นครั้งแรกในคำพูดแบบเรียบๆหน้าตาเฉยของพรานใหญ่แต่ดาลินคอนบ่นเบาๆ ฉันเป็นหมอนะคุณไม่คิดว่าคุณจะต้องพึ่งฉันบ้างในการเดินทางครั้งนี้ก็แล้วไปและพินไม่ได้ต่อแย่โต้เถียงอะไรกับน้องสาวคนรันของผู้ที่กําลังจะเป็นนายจ้างของเขาอีกแต่อธิบายถึงแผนเดินทางต่อไป 1. นอาทิตย์ให้หลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมสัพทนายไปจำตระกูลวราฤทธิ์ได้ร่างสัญญาขึ้นฉบับหนึ่ง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 อย่าถือว่าเราทั้งสองฝ่ายเป็นนายจ้างและลูกจ้างแต่ถือเสียว่าเราเป็นเพื่อนตายที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันก็แล้วกันคุณรพินหม่อมราชวงเชื่ากล่าวขึ้นหนักแน่นกอบไปด้วยรอยยิ้มขณะที่เข้ามาจับมือเขาบีบแน่นภายหลังจากการเซ็นสัญญารพินภัยวันยิ้มอย่างสํารวมสุภาพอยู่เหมือนเดิมขอบพระคุณอย่างสูงที่คุณชายกรุณาให้เกียรติผม แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ถือตัวอยู่เสมอว่าผมเป็นลูกจ้างของคุณชายและขอปฏิญาณว่าจะเป็นลูกจ้างที่ซื่อสัตย์สุดจริตที่สุดตั้งแต่วิทวินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของเงื่อนไขสัญญาจ้างฉบับนี้หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเลิกคิ้วขึ้นยิ้มนิดๆเสือมาว่านั่นเป็นความคิดที่ดีและถูกต้องที่สุดแล้วนายพราน พรานใหญ่หันไปก้มศรีรษะให้แก่สาวสวยซึ่งประกาศความเป็นคู่ปรับกับเขาตั้งแต่แรกพบเป็นการโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมสวยงามที่สุดเท่าที่ผู้ที่อยู่ในฐานะลูกจ้างจะแสดงต่อนายจ้างได้เขาจะประชดห่อนหรือเปล่าหลอนไม่ทราบได้แต่หลอนเชิดหน้าปึงเบือนไปเสียทางหนึ่งอย่างขวางลูกนิตาถึงแม้จะไม่มองรับคาระวะอันนั้นหูของหลอนก็ยังไม่วายจะได้ยินคาตอบรับเป็นทางการว่าขอรับ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 คณะเดินป่าจากกรุงเทพอันเป็นฝ่ายในจ้างหนองน้ำแหง้งอันเป็นสถานีกักสัตว์ของระพินโดยถือเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการเดินทางที่นั่นจอมพลานให้การรับรองต้อนรับคณะในจ้างของเขาเป็นอย่างดีในระหว่างการพักรอคอยกำหนดเดินทางความจริงหนองน้ำแห้งแต่เดิมก็เป็นใจกลางดงแห่งหนึ่งนั่นเองเพิ่งจะกลายเป็นหมู่บ้านย่อยๆขึ้นมาก็โดยฝีมือของระพินเอง ซึ่งเขาเห็นว่าทัมเลเหมาะจึงมาสร้างแคมป์ถาวรขึ้นสำหรับเป็นสถานที่พักพิงในระหว่างการตะเวนดงแล้วก็ขยับขยายมาเป็นสถานีกักสัตว์ปลูกสร้างบ้านพักขึ้นในเวลาต่อมาพวกบรรดาชาวป่าและผ่านทั้งหลายที่ท่องเที่ยวผ่านไปพอเห็นดีด้วยก็จึงรวมหัวกันทยอยอพยพมาตั้งหลักแหล่งถาวรกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นโดยยกย่องให้เขาเป็นนายบ้านด้วยความนับถือเคารพ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 บรรยากาศรอบด้านสวยสดรุ่นร่มไปด้วยธรรมชาติของป่าแท้จริงตัวเขาเองย้ายไปนอนอยู่ที่เรือนหลังเล็กที่ปลูกอยู่บนคาคบของไม้ใหญ่ไม่ห่างออกไปนะักโดยมีสะพานเชือกเชื่อมโยงกับเรือนใหญ่เดินไปมาหากันได้จะมาร่วมในเรือนหลังใหญ่ด้วยก็เฉพาะเวลาสนทนาหาเรือและเวลาอาหารเท่านั้นและเวลาที่เขาจะมาร่วมวงรับประทานด้วยก็เฉพาะแต่ตอนค่าเท่านั้น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 ขณะที่พนักงานขับรถและคนงานของนายอัมพลช่วยกำลําเรียงของลงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับท่านผู้อเมริการสั่งให้พวกผมขนมาคนงานที่คุ้นเคยดีกับขาหัวเราะยิงฟันตอบรับพินกระพริบตาปลิบ ป, ป, ปลิงุนงงนายผินคนขับรถจีปป๊บบรรทุกคันนั้นก็เดินเข้ามาเอียงหน้ากระซิบบอกว่าของที่นอกเหนือไปจากบัญชีสั่งของคุณลัพินเหล่านี้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 ผู้ยืนอยู่บนระเบียงบ้านพักร้องสั่งคนงานให้ขนของเหล่านั้นลงด้วยความประมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีบเปลกเครื่องใช้ส่วนตัวของหล่อนสองใบาตายละวายายน้อยแกจะไปตั้งพระราชวังสำรานกลางป่าหรื อ, อยังไงชัยันครางอุ้วกมาเชษถฐาจุ ป, ปากพร้อมกับโครงศีรษะช้าชา้าหันไปมองดูน้องสาวผู้ยืนมองอยู่บนระเบียงของบ้านพักปลูกสูงอยู่บนโขหินใหญ่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 ยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยปากซักถามอะไรกับคนขับรถที่นําเอามาส่งหม่อมราชวงดาลินก็ก้าวอาจๆตรงเข้ามาที่รถบงการลาเรียงขนถ่ายด้วยตัวเองโดยไม่สนใจกับพรานใหญ่ผู้ยืนซอยเปลือกตาทีๆอยู่ก่อนแล้วพวกเรามีใครเป็นนักประพันธ์อยู่ด้วยหรือครับเขาถามขึ้นเบาๆบุ้ยปากไปที่เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องเขียนดาลินหันขวับมาโดยเร็ว ตวาดสายตาปราดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าพูดแบบมะนาวหน้าแรงไม่มีใครเป็นนักประพันธ์หรอกมีแต่นักศึกษามนุษยวิทยาที่ทําวิทยานิพนธ์ค้างไว้อย่างมิเศษและในระหว่างเดินทางนักศึกษาคนนั้นจะทํางานส่วนตัวต่อในเวลาว่างลูกจ้างผู้เป็นพรานนาทางก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมาเกี่ยวอ้อเขารากเสียงยาวหน้าตายอยู่ตามเดิน มองไปที่เครื่องเล่นจานเสียงคุณชายเชษฐาหรือมิฉนั้นก็คุณชายยันคงจะเป็นนักเพลงที่ขาดเสียงดนตรีไม่ได้ตางามของหม่อมราชวงศ์คนสวยเขี้ยวปัดปรับปรเปลือกขึ้นมาในบัตรนั้นตาเสือสมิงก็เห็นจะไม่คมหน้ากลัวเท่าสำหรับผานใหญ่อย่างระพินของพวกนี้มันเป็นของของฉันทั้งนั้นแหละทําไมคุณขัดข้องอะไรเหรอที่ฉันจะเอามันไปด้วย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 มองตามหลังร่างงามที่ก้าวฉับฉับไปด้วยอารมณ์เดือดดานเกลี้ยกาตุปัตตุปองนั้นพร้อมกับโครงศรีรษะช้าช้าคนขับรถของนายอัมพลและพนักงานขนของซึ่งยืยนอยู่ที่นั่นด้วยพา ก, กันกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงบางคนเลี่ยงไปบางอยู่หลังรถแล้วปล่อยกากงอหายหัวข้ามของวันนั้นเมื่อระพินขึ้นไปบนเรือนหลังใหญ่ในเวลาอาหาร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 โรแมนติกชวนเคลิ้มมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงเทียนวายแดงแล้วก็เซเรเนตเพลงนั้นพรานใหญ่ตอบยิ้มยิ้มกวาดสายตาไปรอบๆและผ่านแว บ, บไปที่หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองหญิงสาวอยู่ในนัยกาวสีกรีบกราบสดปล่อยผมสยายยาวผิดไปกว่าทุกวันลักษณะของรอนอยู่ในสภาพปล่อยกายสบายอารมณ์ เหมือนจะอยู่ในห้องอาหารในคฤริฮาตสมบูรณ์พูนสุขของหล่อนเองหล่อนคงอยู่ในอาการทอดอารมณ์เฉยเหมือนจะไม่เห็นว่าเขาได้ก้าวเข้ามาน้อยเขาเป็นคนจัดการขึ้นทั้งนั้นหม่อมราชวงเชี่ถาบอกเขาบอกว่าค่าวันนี้เขาจะขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงฉลองในการเซ็นสัญญายอมเป็นผู้นาทางของคุณหรือจะพูดในตรงที่สุดก็คือฉลองในการที่ชีวิตของเราทั้งหมด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 รัพินหัวรอขันขันขยับเก้าอี้หัวโตให้กับหลอนหญิงสาวสุดกายลงนั่งพร้อมกับบอกขอบคุณเรียบเรียบหม่อมราชวงเชษฐานั่งที่หัวโตอีกด้านหนึ่งรับพินและชายยันนั่งตรงกันข้ามการร่วมรับประทานอาหารข้ามมื้อนั้นเต็มไปด้วยรสชาติอันน่าตื่นใจสำหรับสามชายผู้มีความรู้สึกเหมือนรู้จักสนิทสนมกันมานานรพินสุภาพอ่อนโยนและสงบส ง, งีมเจียมตัวอยู่ในฐานะลูกจ้าง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 หล่อนดูเหมือนจะเลิกคิ้วงามข้างหนึ่งขึ้นน้อยๆกระดกแก้ววายขึ้นนิดๆแล้วจิบเซเรเนตบทนี้เาะไพเราะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศอย่างนี้เขาชวนหล่อนพูดอย่างเอาใจเพราะเห็นนั่งเฉย อ, อยู่ตลอดเวลาอ๋อ oh, คุณเข้าใจคุณค่าของดนตรีเหมือนกันหรือดารินถามเรียบๆพ่านใหญ่แทบจะสำลักวายไม่เข้าซึ้งถึงนักหลอกครับ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 พี่ชายกับเพื่อนชายของหลอนหัวราอคลึกคื้นด้วยอาการพูดแบบหน้าตายของเขาแต่ดารินยักไหลหลังอาหารอันเป็นเวลาที่นั่งพักผ่อนอยู่กับกาแฟและบรันดีหล่อนก็หันมาถามเขาแทรกการสนทนาอื่นๆขึ้นว่าคุณรู้สึกว่าข้าของที่เราจะเอาติดไปด้วยเหล่านี้มากมายเกินกว่าจำเป็นหรือพรานใหญ่ทำหน้าตื่นหาไม่ได้เลยครับ มหาราชินีในอินเดียหรือควีนอลิซาเบตเวลาเสด็จประพาสป่าพระองค์มีสัมภาระข้าวของที่จะโดยเสด็จด้วยตั้งมากมายก่กองมากกว่าคณะของเราหลายเท่านักทุกคนรู้ว่านั่นเป็นคำประชดแบบกึ่งสับยอกรอเรียนโดยสุภาพของเขาหม่อมราชวงศ์เชษฐาชายยันหัวเราะด้วยอารมณ์สนุกหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยหน้าง้ม หล่อนวางเขาสอกลงกับโต๊ะเอาฝ่ามือรองรับคางไว้มองจ้องมายังเขาความจริงมันไม่น่าจะเป็นภาระอะไรที่น่าวิตกกังวลไปเลยงบประมาณการเดินทางครั้งนี้ระวางไว้อย่างไม่อั้นแล้วก็ควรจะถือหรักความสะดวกสบายให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้คุณอาจดูเลอะหรือนึกดูหมิน่นชั้นในข้อที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงเมื่อร่วมคณะเดินทางไปด้วยฉันก็วุ่นวายจัดเตรียมอะไร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 กับการเดินทางพือตามหาคุณชายอนุชามันผิดการชัดๆอีตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณหญิงที่จะตัดสินใจให้ดีว่าเลิกลม้มความตั้งใจเดิมเสียหรือว่ายังจะคิดไปลำบากยากแค้นกับพวกเราชนดิดที่เปล่าประโยชน์รู้สึกว่าคุณพยายามจะขู่ฉันเสียลเกินนะ่อนพูดเบาๆยิ้มด้วยอาการฝืนไม่ได้ขู่เลยครับแต่ผมเรียนด้วยความสัตย์จริง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 ตั้งแต่คุณเกิดมาคุณคงจะไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนดืวอรั้นเอาใจใจตัวเท่ากับสุภาพสตรีผู้นี้ชายยันเสิร์ ม, มาหน้าตาเฉยดารินหันไปมองคอนเพื่อนชายจนตาความ่มขยับแอปเปิ้ลในมือขึ้นทําท่าเหมือนจะคว้างเพื่อนชายร้องร่นตั้งท่าหลบบนโต๊ะมีบรรยากาศคลืนคล่นเกรงขึ้นอีกในสายตาของรพินครั้งแรกที่เขามองเห็นชัยยันและหม่อมราชวงศ์หญิงดาริน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 และช่างแย่เท่าๆ่ากับที่ดารินก็ขี้งอนโมโหง่ายบางขณะทั้งสองทะเลาะกันเหมือนเด็กๆที่หล่มช้างนี่ใช่ไหมที่คุณได้ข่าวว่านุชาทิ้งเกวียนของเขาที่นั่นและเดินทางบุกบั่นต่อไปพร้อมกับผานพื้นเมืองอันเป็นคนใช้ของเขาที่ชื่อหนานอินหม่อมราชวงเชษฐาถามขึ้นด้วยเสียงเข่งขึมครับที่นี่แหละเป็นแหล่งสุดท้ายเหมือนอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า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 นี่ยังไงล่ะครับสี่คนที่จะไปกับเราด้วยจนถึงที่สุดพรานใหญ่แนะนำเป็นรายตัวให้คณะนายจ้างของเขารู้จักบุญคำเป็นชายร่างผอมสูงอายุประมาณห้าสิบห้าปีเซยเป็นกระเรียงล่ำสันแข็งแรงดูกแกร่งไปทั้งตัวอายุอยู่ในวัยชะกันจันตัวเร็กนิดเดียวเคี้ยวใบกระท่อมอยู่ตลอดเวลา แต่ผิวพรรณและท่าทีบอกชัดว่าชำนาญต่องงานกลากรกราเพียงไรและเกิดเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างชะลูดอ่อนแอแต่เฮี้ยมหารบึกบุนทุกคนมองดูผานพื้นเมืองอาสาสมัครเหล่านั้นด้วยความพอใจพูดจาทักทายด้วยครู่หนึ่งรวพินก็พยักหน้าบอกให้คนเหล่านั้นออกไปได้ระยะทางก่อนที่เราจะไปถึงหล่มช้างถ้าหากเราจะคิดล่าสัตว์ไปด้วยก็จะทาได้อย่างเต็มที่ครับ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 เชษฐาจุดแขนระปิดให้ตรงไปที่หีบหลังปืนขนาดต่างๆอันวางอยู่มุมห้องอย่างกระตือรือร้นชายยันระดาลินเดินตามมาด้วยเชษฐาหยิบปืนขึ้นมาส่งให้พรานใหญ่ดูทีรักบอกอรับมาดูอย่างสนใจออกปากชมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรเฟิลแฟดขนาดจุด600นในโตเอ็กซ์เพรส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 เอามันไปทิ้งไว้ชั่วคราวที่หล่มช้างซึ่งยังไม่รู้แน่เลยว่าจะได้กลับมาเอามันคืนไปหรือเปล่าตามปกติคุณใช้ปืนขนาดและชนิดไหนเป็นปืนประจำมือในเวลาเข้าป่าเชื่อถ า, ถามสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมเองผมใช้ปืนอยู่เพียงสมชนิดเท่านั้นชนิดหนึ่งคือลูกซองสาหรับเก็บสัตว์เล็กสัตว์หนังอ่อนบางจาพวก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 ถึงได้กล้าใช้ปืนแคดเบอร์ขนาดกลางล่าสัตว์ขนาดใหญ่แต่สำหรับพวกเราอย่างน้อยที่สุดถ้าเจอช้างหรือกระทิงก็ต้องขอถือไอกระบอลที่มีลำกล้องโตโ ต, โตไว้ก่อนแม้ว่าเราจะไม่ได้ยิงมันก็ตามหล่อนพูดเยอะๆรล้เพียนยิ้มเฉยเสียชายยันก็เอ่ยมาว่าใช่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสัตว์ทุกชนิดลงถ้ายิงเข้าที่สาคัญได้ทุกนันเหมือนสั่ง ปัญหาเรื่องปืนเล็กปืนโตก็ไม่มีความหมายข้อนี้ผมแน่ใจเพราะวันนั้นเราเห็นคุณเพีน ย, ยิงไอ้ดำที่สนามนีกา ก, ากาสาตว์ของคุณอำพลมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณคงจะไม่หัวเราะเรานะหากเห็นผมกับเชษฐาเลือกเอาพวกดับเบิลไลเฟิรนเรายอมรับว่าเราไม่ชำนาญเท่าคุณและก็ออกจากขี้ขลาดอยู่สักหน่อยขอเลือกวิธีปลอดภัยไว้ก่อนแต่ต่อให้จุด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 ผมมีความเห็นด้วยครับว่าปืนไรเฟิลแฝดที่มีขนาดใหญ่จะให้ผลมากทีเดียวเท่าที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลานั้นเราพบช้าห่างจากตัวเราในระยะแทบจะเรียกว่าเผาขนคือพอโผซุมไม้ก็เห็นยืนขวางทางอยู่ตรงหน้าแล้วในกรณีนี้ดับเบิลไรเฟิลขนาดใหญ่ให้ความเชื่อมั่นและปลอดภัยกับเราที่สุดแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือถ้าสองนัดในลากล้องที่บรรจุไว้ ไม่สามารถจะหยุดมันลงได้โดยเฉียบขาดโอกาสซ้ำของเราจะไม่มีเหลือหยุดเลยแต่ถ้าเป็นปืนแบบไบเทคชั่นหรือลูกเลื่อนซึ่งบรรจุ ก, กระสุนได้มากกว่าถึงแม้จะมีขนาดย่อมกว่าหน่อยเราก็สามารถจะยิงซ้ำได้ในวงกระสุนที่มากกว่านั้นก็ดีและเสียไปคนละอย่างจะให้ประเสริฐสุดลก็เราควรจะมีปืนทุกขนาดไปด้วยและเลือกใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์แต่ละครั้ง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 ขณะที่งัดอีกหีบหนึ่งซึ่งเป็นหีบเล็กเรื่องกระสุนปืนสั้นโดยเฉพาะไม่เลยครับมันไม่จาเป็นสำหรับผมผมมีแต่มีเดินป่าเท่านั้นแต่ถ้าพวกคุณเตรียมปืนสั้นมาด้วยในการเดินทางครั้งนี้ผมก็ขอสนับสนุนและเห็นด้วยว่าควรจะมีติดตัวในการออกเดินทางจากกลุ่มช้างชายยานงัดเอาปืนสั้นขนาดจุด44แมกนัมแบบซิงเกิลแอคชั่นขึ้นมา3กระบอก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 เราทั้งหมดเตรียมมาสำหรับเป็นของขวัญแก่คุณโอ้เป็นพระคุณอย่างสูงทีเดียวครับเข้าอุทานออกมาเบาเามองไปยังคณะนายจ้างทุกคนด้วยสายตาแสดงความขอบคุณรับปืนสั้นกระบอกหนึ่งมาเดาะช่างน้ำหนักในมือแล้วง้างนกในจังหวะฟรีหมุนลูกโม่เล่นเชษดถาส่งกล่องลูกปืนมาให้คุณลองดูก็ได้นี่ตามทฤษฎีเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดความจาเปน็นขึ้นมาจริง จุด44แมกนัม um, สามารถที่จะหยุดสัตว์ใหญ่ที่มันช้าสวนเข้ามาได้โดยอนุภาพขนาดน้องๆไรเฟิลทีเดียวแต่ผมเองก็ยังไม่กล้ารับรองทฤษฎีนี้ติดตัวมาด้วยก็เพื่อจะให้อบอุ่นใจปลอบขวัญตัวเองเท่านั้นในกรณีที่ถ้าไรเฟิลมันหลุดไปจากมืออย่างน้อยเราก็ไม่ถึงกับมือเปล่านัดจอมพรานหัวเราะหึหในราคอ แกะกล่องกระสุนออกหยิบลูกขึ้นมาบรรจุใส่รังเพลิงทีรนัดจนครบแล้วคว้าไฟฉายราซาดขนาดแปดท่อนส่องปาดออกไปทางหน้าตาทุกคนเข้ามายืนมุงดารินยิ้มหยันๆยันเดินกอด อ, อกเข้ามาดูอยู่ด้วยระพีนส่ายกราดไปมาแล้วส่องจับไปยังลูกมะขิดป่าที่ห้อยระยะอยู่บนต้นสูงใหญ่ห่างออกไปประมาณยี่สิบห้าหลาง้างนกขึ้นช้าช้าส่องปืนออกไป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 เสียงของมันแผดระเบิดกึดกก้องร้าวแก้วหูท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าดงพงปีที่แวดล้อมอยู่เมื่อขิดลูกที่เขาเล่งยิงไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเลยเหลวเสียงหวานใสร้องขึ้นเบาๆยั่วเขาโดยเจตนารพินเล่งอีกและปล่อยกระสุนออกไปอีกอย่างเช่มช้าทั้งสมนัดต่อมามันไม่ได้เข้าเป้าหมายเลยพรานหนุ่มหัวเราะออกมาพร้อมกับครงศีรษะ เชษฐาชายยันตบไหลเขายิ้มยิ้มแต่ดารินพูดอ่อยหมาอีกว่าศิละปะการยิงปืนยาวกับปืนสั้นมันไม่ยากเหมือนกันนะคุณตัดสินถูกแล้วที่ใช้มีดเดินป่าแทนปืนสั้นติดตัวเขาไม่ได้ตอบคำใดๆทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะพร้อมกับพูดดารินคว้าจุดสามห้าเจ็ดของหลอนขึ้นมาบรรจุกระสุน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 มฆขีดลูกนั้นกระจายแวบเป็นสะเก็ดเห็นชัดในแสงไฟและโยนตัวห้อยแกงอยู่ไปมาด้วยอำนาจของกระสุนที่เจาะผ่านไปอีกห้าเปลี่ยงที่รอนปล่อยติดต่อกันออกไปเข้าเป้าหมายทุกนัดและนัดสุดท้ายมะขิดลูกนั้นถูกปิดออกจากขั้วร่วงหายลงไปเบื้องล่างแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็วางปืนลงกับโต๊ะช้าๆหันมามองดูหน้าจอมพราน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 แต่ชายันเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับจอมพานเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วที่คุณยกให้เ ย, ยน้อยสิคนถ้าคุณขืนแข็งแล้วก็แม่เี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดหรอกขนาดทำอะไรใครไม่ได้เลยนอนดิ้นปัดปั ด, ปดร้องไห้กรีดกรีดก็เอาแกขม็นคุณเรื่องที่คุณพยายามทักทวงไม่ให้แกไปด้วยนั่นแหละยอๆเอาใจสินหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองนิสัยของน้อยเป็นงี้เอง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 ครับคลายครับคลาต่อสายตาของรพินอย่างไรชอบกลว่าจะเคยเห็นมาก่อนแต่ขณะนี้เขานึกไม่ออกหนุ่มกระเรียงผู้นั้นเมื่อก้าวเข้ามาแล้วก็ซุดกายลงนั่งขัดสมาธิกับพื้นวางปืนไว้ข้างๆตัวยกมือไหว้คารมายัางจอมพรานแล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยอาการสงบสำรวมแก่ชื่ออะไรแงซา ย, ายเป็นเสียงห้าวต่ำมีกำวน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 แต่แล้วเมื่อค่ายหมีดำถูกขียี่แรพินาตรงจริงๆในวันรุ่งขึ้นเขาก็หวนคิดไปถึงคำพูดของเจ้าหนุ่มกะเลี่ยงคนนั้นได้และอย่างจำได้จนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้หมอนั่นเข้ามานั่งอยู่ตรงหน้าเขาเดี๋ยวนี้เองอ๋อฉันจำแกได้แล้วแงทรายระพินพูดออกมาด้วยเสียงเครียดกลุมจ้องนิ่งไปยังกะเลี่ยงผู้นั้นเสียดายเหลือเกินนะ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 เรากำลังขาดคนอยู่คนหนึ่งพอดีชัยยันร้องถามมาอย่างริงโรดแต่จอมพรานคงพินิษสํารวจอยู่ที่เจ้าหนุ่มกะเหลียงอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่เหมือนจะค้นหาอะไรที่แอบแฝงอยู่ในที่สุดเขายิ้มกว้างๆหันไปพูดเป็นภาษาอังกฤษกับนายจ้างของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้แง่ทรายเข้าใจเล่าคร่าวๆให้ฟังถึงว่าเจ้าหนุ่มกะเหลียงผู้นี้เคยมีพฤติการไม่น่าไว้ใจเช่นไรมาในอดีต พราะเคยเป็นทหารโจรกะเรี่ยงทุกคนเมื่อได้ทราบก็พากันเงียบงันไปแง่าสายแกนึกว่าแกจะใช้่วัยเก่าๆมาเล่นกับฉันได้อย่างสะดวกง่ายดายอีกหรือไหนลองบอกมาสิว่ากองโจนกะเหลี่ยงใช้ให้แกเข้ามาเป็นสายโดยขอสมัครมาเป็นคนใช้ของเราในระหว่างเดินทางแล้วก็จะดักป้นเราตอนไหนส่วนตัวแกเองล่ะแน่ใจหรือว่าในครั้งนี้จะรอดไปได้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 ชีวิตของผมที่จะติดตามไปด้วยก็ย่อมจะเป็นประกันอยู่ในมือของท่านอยู่แล้วจงข้าผมเสียถ้าท่านมีความรู้สึกว่าผมจะทรยศหมอนี่พูดจาสำคัญแฮะหน้าตาท่าทางก็เข้าทีไม่ใช่ย่อยหรื อ, อยังไงเสียงชายยันพึมพำออกมาเบาๆกับเชิฐทาสวนดาลินจ้องเป่งไปยงังหนุ่มกะเลียงรู้สึกว่าคณะนายจ้างของเขาทุกคนดูจะพอใจแง่ทา ย, ายมาก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 นอกจากจะขอเพียงแค่เดินทางไปด้วยผมขอปฏิญาณในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความกล้าหาญจะปฏิบัติตนรับใช้พวกท่านอย่างทาตผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งตามแต่ท่านจะใช้ทุกสิ่งที่ผมกล่าวเป็นวาจาสัตย์พระพินเองก็ออกจะงงงงไปเหมือนกันในวาจาอันฉาฉานคมคายผิดไปจากพวกพื้นเมืองสามันของหนุ่มกะเลียงผู้ลึกลับ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 พอปลายสงครามก็ถูกส่งมาให้มากระโดดร่มเข้ายึดพม่าร่วมกับกองทหารอังกฤษทั้งหมดแทบจะพงะไปด้วยความตรึงพึงเพิดในคำบอกเล่าอย่างเรียบเรียบสงบสงเง่ยมของแง่ทรายโวชายยันร้องออกมาร้านห้องทำตาเหลือกจ้องหน้าหนุ่มกะเลียงอย่างงงงันที่สุดและพินเองก็ตลึงคอแข็งไปทุกคนประมาณการชาวโดงผู้มาสมัครเป็นคนใช้ผู้นี้ผิดไปหมด ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือมันเนื่องมาจากความสงสัยและช่างซักของหม่อมราชวงศ์ดารินแท้ประกอบกับความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดจะปกปิดอำพางของแง่ายความจริงจึงได้ปรากฏออกมาตายละว่าถ้าหมอนี่จะเป็นชาวดงก็เรียกได้ว่าชาวดงที่ผ่านหลักสูตรของมนุษย์ที่จเจริญมาแล้วอย่างดีทีเดียวแล้วชายยันก็ถามมาเป็นภาษาอังกฤษเร็วปืว่า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 ลิมฝีปากพลายไปด้วยรอยยิ้มเย่อยั่วหม่อมราชวงเชิฐถาลุก ข, ขึ้นจากที่นั่งเดินมายังแง่ทรายผู้นั่งอยู่กับพื้นแล้วไยักหน้าออกคำสั่งให้หนุ่มกะเลียงยืนขึ้นแง่ทรายปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อเขายืนขึ้นเต็มส่วนสัตว์ก็มองเห็นได้ว่าเป็นชายจักรันร่างงามเยี่ยมคนหนึ่งยากที่จะหาได้ในเผ่ากะเลียงอันเป็นชาวดง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 เป็นอันว่าฉันยิน ด, ดีที่จะรับสมัครแก่เป็นคนใช้ร่วมเดินทางไปกับคณะของเราแง่าสายตาเป็นประกายด้วยความปิติทุกคนเห็นเขายิ้มจนเห็นฟันทั้งสองแถวพึมพัมออกมาเป็นพระคุณอย่างสูงครับเจ้านายท่านกรุณาผมเหลือเกินเราจะออกเดินทางเช้าพรุ่งนี้แกพร้อมแล้วหรือระพินถามมาผมพร้อมเสมอครับ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 หม่อมราชวงศ์คนสวยผู้มีนิสัยแก่นกล้าผิดหญิงผู้นี้ดูจะจงใจเป็นปรดปากกับเขาเอาเสียจริงๆแต่ละผิดไม่สนใจและยิ่งเขาไม่สนใจหรือถือเป็นสาระมากเท่าไหร่หล่อนก็ยิ่งเหี้ยวมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ทำความพอใจให้แก่จอมพรานเล็กน้อยก็คือคณะนายจ้างของเขาแต่ละคนถึงแม้จะเป็นชาวกรุงที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายอยู่กับอารยธรรมรอบด้าน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 ผนวกกับนิสัยที่ชอบซุกซนซอกแซกปิดหญิงของรอนอันเป็นธรรมชาติประหลาดที่ไม่น่าจะมีอยู่ในผู้หญิงสามัญทั่วไปแต่จะอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นอาชีพอย่างเขาซึ่งยอมจะเปรียบเหมือนผู้ยาวสาหรับป่าอยู่ดีความตื่นเต้นออกรสชาติที่สุดในการยิงสัตว์ก็คือสัตว์ใหญ่มีอันตรายในขณะที่มันได้รับบาดเจ็บจุก่อน ทวีความดุร้ายยิ่งขึ้นและวิ่งสวนเข้ามาหมายจะเอาชีวิตของเราและเราก็ยิงมันในขณะนั้นนั่นแหละครับแต่ผมไม่ขอสนับสนุนหรือแนะนำวิธียิงสัตว์ในแบบนี้แก่ใครทั้งสิ้นเพราะมันเป็นวิธีที่เสี่ยงอันตรายอย่างที่สุดและผิดหลักของพลานทั่วไปผมเองก็ไม่นิยมปฏิบตัตินอกจากว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะความจาเป็นบังครับผมเกิดจะเอาชีวิตไม่รอดมาครั้งหนึ่งแล้วในการยืนหลักปักหลัก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 อาจผ่านไปในขณะที่มันหลบซ่อนอยู่หรืออาจแอบเข้ามากัดในขณะที่เรานอนหลับชีวิตของนักเดินป่าส่วนมากสิ้นไปเพราะอันตรายจากพวกงูพิษเหล่านี้มากเสียกว่าสัตว์อื่นๆเส้นผมบางภูเขาเลยหรือยังไงน้อยชัยยันหันมาร้อดาลินพร้อมกับหัวเราะแต่น้อยคงไม่กลัวไม่ใช่เหรอเห็นเตรียมเซด ร, รุ่มมาทั้งแยะนี่หม่อมราชวงศ์ดาลินหน้างาม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 อยากจะถามเพื่อหาความรู้กับเขาแล้วพอเขาตอบให้ก็มีโมโหยัยน้อยนี่พี่ชายตำหนิมาด้วยอารมณ์ขันขันกึ่งรําคาญคุณหญิงต้องถามใหม่สิครับว่าสัตว์ป่าที่เราจงใจจะล่ามันชนิดไหนเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและมีอันตรายที่สุดในระหว่างการล่าไม่ถามแล้วหญิงสาวตอบสะบัดสบัดหัวเราะออกมาอย่างถอนฉิวและกล่าวต่อว่า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 ต่อให้ฉลาดปาดเปลืองผ่านอะไรต่ออะไรมาสักขนาดไหนก็ตามแต่ก็หนีอะไรที่เป็นไปในแบบผู้หญิงหรือเด็กไปไม่ได้และในขณะนี้เขามีความรู้สึกเหมือนจะร้อเด็กเล่นร้อให้มีโมหโหเดือดดาลแล้วก็พิจารณาดูความน่าเอ็นดูและคนไปกับน่าลำคาญ น, นั้นด้วยความอารมณ์คื้นเครงชายยันผู้ดูเหมือนจะเป็นขมิ้นกับปูนมาตลอดเวลากับดารินก็กระทุ้งแทนมาให้ว่า แล้วน้อยว่าอะไรล่ะไหนลองขยายภูมิของนักล่าสัตว์ที่คุยว่าผ่านมาแล้วทุกป่าทั่วโลกหน่อยสิหมีโคดียกย์ยะวงการล่าสัตว์ทั่วโลกถือกันว่าเป็นเกมที่ใหญ่ยิ่งและมีอันตรายที่สุดรองลงมาก็คือควายป่าแอ ฟ, ฟริกันซึ่งทั้งสองชนิดฉันเคยยิงมันมากับมือแล้วด้วยซ้ารอนเชิดหน้าจิบปากบอกพี่ชายและเพื่อนชายพากันหัวเราะ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 ความเก่งกล้าสามารถของน้อยในการล้มหมีโค ด, ดียกหรือควายป่าแอฟริกันเอามาคุยกับคุณละพินไม่ได้หรอกเราควรจะเรียนเพื่อหาความรู้ความชำนาญจากเขาแม้ในด้านทฤษฎีก่อนก็ยังดีไม่ใช่มาคุยถึงการตีตัวเพื่อร่าสัตว์อันเป็นกีฬาบันเทิงของนักท่องเที่ยวเขาใจใชายันพูดพางหัวเราะก็ขอคุยบลกมั่งสิมีอย่างหรือ ถามดีดีกับตอบเลี้ยวรถหาเรื่องยัว่วโมโหหยุดได้ดารินบ่นอุบอิบชำเรืองค้อนให้ทั้งหมดพากันหัวเราะกันขึ้นอีกสัตว์อะไรยิงยากที่สุดและมีอันตรายที่สุดในป่าของเราตามความรู้สึกของคุณหม่อมราชวงศ์เชษฐาหันมาทางราพินถามอย่างสนใจความรู้สึกของพรานทุกคนอาจไม่เหมือนกันนะักหรอกครับคุณชาย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 ยิ่งเสียกว่าสัตว์ชนิดใดทั้งสิ้นในขณะที่นัดแรกที่ผมยิงมันไม่อยู่ทุกคนมองดูเขาอย่างประหลาดใจงง ง, งนันแปลกจริงหมูป่าน่ะเหรอคุณถือว่าเป็นสัตว์อันตรายที่สุดในการล่าชา ย, ยันครางออกมาจอมพลานก้มศรีรษะครับหมูป่านี่แหละร้ายกาจเกินชื่อนักเขาคิดว่าหม่อมราชวงศ์หญิงดาลิน คงจะหัวเราะงอหายออกมาในคำพูดของเขาแต่หลอนกับขยับตัวแสดงอาการสนใจอย่างยิ่งมองมายังเขาด้วยอาการเตรียมพร้อมเตรียมฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโปรดอธิบายสิคุณละพินเช่ฐถาพูดอย่างทึ่งๆการชาร์จหรือการทำร้ายโต้ตอบของมันในขณะทุกที่ถูกเจ็บผิดกับสัตว์อื่นทุกชนิดครับคุณชาย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 จะไม่สอนวิธียิงหมีโคเคียกหรือควายป่าแอฟริกันให้คุณพินได้ศึกษาไว้บ้างหรือใชัยยันร้องบอกมาหลอนหัวเราะจนหน้าแดงสะบัดซึ่นผมดำขับที่ปิวโรกมาปลกหน้าให้กลับไปเคลียร์อยู่กับไพลฉันคุยโมไปงั้นเองแหละความจริงฉันไม่เคยยิงสัตว์อะไรได้เลยสักอย่างนอกจากพวกนกฉันยิงปืนมามากก็จริงแต่ส่วนมากเป็นการยิงเป้ากระดาษ คุณคงไม่ถือและอย่านึกหมั่นไส้ไปเลยนะในพรานในกรณีที่ฉันอวดโม้ไปบ้างแล้วก็ควรจะถือฉันเป็นลูกศิษย์ในการเดินป่าของคุณสักคนเออให้มันรู้จักรับรองสภาพความจริงอย่างนี้ซิมั่งสิอย่าเอาแต่อวดดีนะักที่ชายว่าผมเคยนั่งห้างดักยิงสัตว์มาหลายครั้งชา ย, ยันชวนสนทนาต่อไปอย่างสนุกพบอะไรอะไรหลายอย่างที่เป็นข้อสงสยัย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 แต่ถ้าบริเวณที่ขัดห้างเป็นดงทึบมีกิ่งไม้บางภายหนานแน่นเขาจะส่องไฟยิงได้ยังไงนักราสมัครเล่นหรือพรานฝึกขัดพบปัญหาอย่างที่คุณชายยันว่ามาแล้วทุกคนครับจอมพ่านอธิบายในขณะที่ยิ้มอย่างสุภาพความสำเร็จในเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับแบบของปืนที่จะใช้ยิงและความชนานาญในการยิงจะมามัวพวงเพึ่งไฟฉายอยู่ไม่ได้ ถูกแล้วครับการใช้ฝิดฉายสองบนห้างที่มีบางพรยหรือซุ้มไม้หนานแน่นไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เลยนอกจากจะทําให้สัตว์รู้ตัวตะเลดิดหนีเสียก่อนที่เราจะเห็นมันถนัดด้วยซ้ํานักล่าสัตว์ที่ชํานาญจะไม่พยายามใช้ไฟฉายเลยในขณะที่นั่งซุ้มอยู่ในที่มีบางพรและพุ่มไม้ทึบเสียงการเคลื่อนไหวของสัตว์ก็ดีเสียงกัดกินอาหารหรือกินน้ําก็ดี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 คือยิงสุ่มเข้าไปในที่หมายซึ่งเราแน่ใจว่าสัตว์ควรจะอยู่ที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าไราเฟิลมันมีโอกาสถูกสัตว์ได้น้อยกว่าลูกซองเท่านั้นในการยิงดาวสวดเช่นนี้อ๋อเขายิงกันแบบนี้เองนะ่ะหรือครับชั ย, ยันร้องรั้นออกมาหน้าตื่นหันไปมองดูเชิฐถาผู้ฟังอยู่อย่างตั้งใจฉันเพิ่งจะรู้จากคาบอกเล่าของรพินเดี๋ยนี้เองนั่นสีสงสัยอยู่ว่า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 เพื่อให้บรรจุกระสุนได้มากกว่านั้นสัตว์ป่าเมืองไทยที่ล้มตายอยู่ทุกวันนี้ 90% ตายด้วยปืนลูกซองทั้งนั้นป่าเมืองเราเป็นป่าทึบการยิงสัตว์เรายิงกันในระยะไม่ห่างเกินไปนักซึ่งในระยะอย่างว่านี่ลูกซองมีอํานาจในการประหัดประหารได้พอดีทีเดียวยกเว้นสัตว์หนังหนาเพียงไม่กี่ประเภทชายันยักษ์ไร่สาหรับผมไม่รู้เป็นยังไง ผมถือว่าปืนลูกซองควรจะเป็นปืนที่ยิงสัตว์มีปีกอย่างเดียวเท่านั้นเวลาเข้าป่าล่าสัตว์ใหญ่ผมไม่เคยถือลูกซองเลยเพราะฉะนั้นนะสิเวลากลางคืนแกจึงไม่เคยยิงอะไรได้เลยเพราะมัวแต่ม ง, งุมมังงาหลาหาศูนย์ปืนไม่พบสัตว์มันเพ่นหนีเสียก่อนถ้าจะจริงแฮะไปคราวนี้ต้องลองใช้ลูกซองนั่งห้างในเวลากลางคืนอย่างคุณลพินว่าบ้างปัญหามีอยู่ว่า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 แต่เดี๋ยวนี้เขาจําเป็นจะต้องสนใจรอนแล้วในฐานะนายจ้างและก็น่าจะเป็นนายจ้างช น, นิดที่ทําความหนักอกหนักใจให้แก่เขาไม่ชิ่นน้อยในระหว่างการเดินทางมหาวิบาก ค, ครั้งนี้เรียกว่าเป็นภาระหนักอึ้งอันหนึ่งทีเดียวเอน้อยนี่เป็นไงแฮะดูจะรวนคุณลพินอยู่เรื่อยชายยันหันมาโบนพร้อมกับจุบ ป, ปากไหนเราว่าเรายอมเป็นลูกศิษย์เดินป่าเขาแล้วยังไงล่ะ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 คุณหญิงจะเป็นลูกศิษย์เดินป่าของผมชนิดดีหนึ่งประเภทหนึ่งทีเดียวเอาเถิดครับในการเดินทางครั้งนี้คุณหญิงจะได้พบกับภาพปฏิบัติเป็นการฝึกเรียนไปในตัวมีคุณค่ามากกว่าทฤษฎีมากมายนะักแล้วอนุญาตให้ร้องไห้หรือบ่นกระปอดกระแปดก็ได้แต่อย่าหวังที่จะให้เลิกเรียนสีกลางคันโดยการย้อนกลับมาส่งบ้านจนกว่าจะจบหลักสูตรนั่นคือตามหาอนุชาได้พบ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 จะเป็นเครื่องรางป้องกันตัวเราได้อย่างประเสริฐสุดพินิชพิจารณาดูให้แน่เสียก่อนแล้วก็เล็งให้แน่เหนี่ยวไกลตูมออกไปเถดครับอะไรอะไรก็กระเจิงหมดเสียงของเขาเคร่งขึ้มจริงจังผิดไปคณะนายจ้างทั้งสามหันมามองดูหน้ากันหม่อมราชวงหญิงดาลินหน้าตื่นขึ้นในบัตรนั้นกอดอกหอไรเอ๊ะคุณพูดเป็นนายยังไงชกพิกนฟังแล้วชขนลุก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 เมื่อรวมทั้งรพินอันเป็นพรานใหญ่ผู้นำทางตลอดจนรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางมหาวิบากครั้งนี้ก็รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน25คนเมื่อเชษฐาดารินและชายยันเตรียมตัวเสร็จและลงจากเกลอนพักมาก็พบว่าคาราวานเกลียนเหล่านั้นตั้งขบวนกันอย่างเป็นระเบียบเรีคอยอยู่แล้วทุกคนยืนประจาอยู่กับหน้าที่ของตน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 คาดเข็มขัดปืนสั้นขนาดจุดสีแมกนัมคนรักกระบอกส่วนดารินไม่ต้องสงสัยขนาดจอมพรานกลาสายตาชำเรืองพิงผ่านผ่านเขาก็อดที่จะต้องงงเงินไปเสียไม่ได้นางเอกของเรื่องในภาพยนตร์เกี่ยวกับการเดินป่าอย่างไรก็อย่างนั้นหรือจะเรียกว่าเป็นการแสดงแ ฟ, ฟชั่นของนางแบบสาวเกี่ยวกับชุดเดินป่าก็ไม่ผิดหม่อมราชวงหญิงคนสวยทั้งงามทั้งเก๋อยู่ในชุดเข้าป่า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 เข็มขัดซองปืนอันบรรจุเจ้าจุด357แบบซิงเกิลแอคชั่นของหลอนที่คาดเพร่อ ย, อยู่ครึ่งเอวครึ่งตะโพกหลอนก็ใช้เข็มขัดแบบเวสเทิร์นคือแบบคาดต่ำในระดับตะโพกไม่ใช่คาดร้างชิดเอวเหมือนเชษฐถาและชายยันซองปืนก็เป็นแบบชักเร็วมีสายหนังเป็นเข็มขัดคาดรัดติดอยู่กับลำขาเฉี่ยวไปตลอดกาย กลมกลืนสวยงามไม่มีทิตฐิอะไรเลยถ้าหากหล่อนจะเตรียมเข้าหน้ากล้องภาพยนต์แต่สำหรับการเตรียมออกเดินทางกันจริงๆครั้งนี้รพินภัยวันเต็มไปด้วยความอ่อน อ, อกอ่อนใจหล่อนก็ดูเหมือนจะอ่านสายตาของเขาที่ชำเรืองผ่านมาบ่อยๆได้ถามมาว่ารำคาญฉันอีกะสินายพานเปล่าเลยครับโทษคุณหญิงผมกาลังจะชมว่าคุณหญิงสง่างามหรือเกิน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 ขอให้ฉันเอามาคาดหมวกของฉันก็โก้มั่งจะได้ไหมจอมพรานยิ้มพรายรีบถอดแบบหนังเสือที่ติดอยู่กับหมวกเขาออกคว้าหมวกของหญิงสาวไปจากมือของหล่อนจัดการคาดพัานไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วก้มศรีรษะส่งคืนมาให้เอาเลยครับผมขอมอบให้คุณหญิงด้วยความยินดีและเต็มใจยิ่งขอบใจมากหลอนร้องออกมาและหัวรเราะแจ่มใส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 คำพูดของจอมพรานทำความปลอดโปรงใจให้กับเขาอย่างยิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือครับเรียบร้อยทุกอย่างเราจะร้อยฟ้าสางกวันนี้อีกสักนิดเลิกเดินทางของเราหกนาฬิกาตรงเหลือเวลาอีก15นาทีนายอําพลผู้อํานวยการบริษัทไทไวช์ไรทพร้อมทั้งนายประเสริฐผู้จัดการ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 เลียงผาชุมมากผู้กองอาจให้คณะของท่านทดลองล่าเลียงผาดูเป็นครั้งแรกก่อนก็ได้เส้นทางเดินของผู้กองจะต้องผ่านทางนั้นอยู่แล้วอีกสักเมื่อไหร่เราถึงจะถึงที่นั่นตะวันบ่ายขณะนี้เรายังไม่ได้เข้าเขตป่าลึกที่พอจะมีสัตว์กำลังดาดินเปรยกวาดสายตาสองข้างทางเกวียนเดินผ่านไปลักษณะของร่อนอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นเป็นสุขและสดชื่น อยู่กับธรรมชาติอันเป็นดงเถื่อนรอบด้านเสียงแง่สายหัวเราะห้าๆอยู่ในลาคอแล้วก็ตอบมาว่าเพียงก้าวแรกที่นายหญิงลงมาจากเรือนพักก็คือป่าลึกแล้วครับพร้อมกับพูดแง่สายชี้มือไปให้ดูรอยเท้าของโขล ง, งช้างและกองมูลที่ถ่ายไว้กราดเกื่อนไปทั่วแทบว่าจะไม่มีตารางวาใดเว้นว่างแวดร้อมอยู่รอบทางที่เกวียนเคลื่อนผ่านไป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 จากลูกสองที่ยิงโดยเชษฐาเจาะเป็นกลุ่มเข้าก้านคอของมันพอดีแต่กระสุนขนาดจุด4 5หของชัยยันไม่รู้หายไปไหนเพราะไม่ปรากฏอยู่บนร่างกายส่วนใดของกวางตัว น, นั้นเลยมันพิสูจน์ชัดออกมาบัดนี้เองว่าคนเฉยเฉยเงียบเงียบอย่างหม่อมราชวงศ์เชิฐาท่อมตัวและไม่เคยคุยอะไรเลยแท้ที่จริงฝีมือในการล่าสัตว์เหนือกว่าชัยยันเพียงไร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 ในการยิงอย่างฉับพลันแทบจะเรียกว่าไม่ต้องเล็งปราณีตอะไรเลยผลก็คือเชษฐายิงเข้าเป้าอย่างแม่นยำส่วนชายยานยิงผิดทั้งๆ ท, ท, ที่ต่างก็ลั่นไกพร้อมกันวิเศษมากครับคุณชายเป็นการประเดิมชัยที่วิเศษสุดผมยังนึกว่าคุณชายกับคุณชายยานจะยิงไม่ทันเสียอีกมันกําลังเพ่นแล้วรับพินยิ้มพายเข้ามาจับมือในจ้างของเขาบีบแน่นกล่าวชมเชย อ, อย่างจริงใจ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 ฉันยกปืนขึ้นยังไม่ทันเห็นศูนย์ปืนถนัดเลยอารามตื่นเต้นกลัวว่ามันจะเพ็นไปเสียก่อนก็เหนียวตูมไปงั้นเองไอศูนย์กล้องนี่มันไม่ได้ความแฮยิงกันแบบกระทันหันอย่างนี้เล็งไม่ทันไม่เอาละเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแฝดของฉันมั่งดีกว่าก็มีอย่างหรือเอาปืนยิงช้างมายิงกวางดาลินว่าทุกคนพากันหัวรอคลึกคลื้นขันในท่าทีอันติดตลก และลื่นเล e r i n อยู่ตลอดเวลาของชายยันเขาบ่นพึมอยู่เช่นนี้จัดแจงจะเดินกลับไปที่เกวียนเพื่อเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแต่ละผินเหนี่ยวแขนไว้ผมว่าเพื่อความไม่ประมาทเป็นการดีแล้วลรอครับที่คุณชายยันถือไอจุดสี่นี่ผมเองมี3ามศคุณชายถือลูกซองบุญคํากับจันทร์ที่เดินตามเราหนี่ก็มีลูกซองเหมือนกันขณะนี้เราอาศัยทางเดินของช้างเดิน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 ต้องเลือกถือปืนโตโตวิ่ก่อนทั้งๆที่ว่าอันที่จริงแล้วปืนโตมีโอกาสยิงได้น้อยที่สุดดาลินได้โอกาสพูดเยาะมาปนหัวเราะเอายี้ดีกว่าคุณระพินมีหน้าที่คุ้มกันเราเปลี่ยนเอาไอ้นี่ไปถือไว้เถอะเพราะถ้าไอ้จมูกยาวมันโผลมาผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะรับหน้ามันไว้ได้หรือเปล่าเปลี่ยนเอา3ามศของคุณมาให้ผมชั่วยคาวดีกว่าผมจะได้มีโอกาสยิงอะไรได้บ้าง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 ให้ชยันหน้าตื่นหันขวัมมาเสียทีหนึ่งแล้วหล่อนก็จะหัวรอะคิกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกคลืคล้นบันเทิงแล้วกันน้อยเ อ, อะอะมาเทิงแบบนี้ก็เดินแบกบปืนเปล่าเท่านั้นไม่มีได้ยิงหรอกชยันขมวดคิ้วนิ้วหน้าบนอย่างหัวเสียอีกชั่วโมงเต็มๆผ่านไปก่อนจะผ่านหุบลงป่าโปร่งอีกครั้งโชคก็เข้าข้างในพันตีหนุ่มนอกราจการ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 แต่อีกสองตัวที่วิ่งตามมาเบื้องหลังเป็นหมูขนาดใหญ่และเข้าทางปืนพอดีชายยันด้านไกลสนั่นป่าตัวที่วิ่งหล้งท้ายกระโจนผ่านไปได้แต่ตัวร้ำหน้าพลิกตีรังกาสามทอดส่งเสียงร้องแหลมยาวชักพลาดพลาดอยู่กับที่กระสุนขนาด200เกรนหัวซินเวอร์ทิปตัดซ่อขาหน้าตรงบริเวณรักแร้แดงพอดีทุกคนชมเชยแสดงความยินดีกับเขา เว้นแต่ดารินคนเดียวที่อมยิ้มเฉยๆชายันมีสีหน้าเบิกบานแจ่มใสกะปรี้กระเป๋าขึ้นตามความรู้สึกของรพินเขาบอกกับตนเองว่าฝีมือการยิงของชายันความจริงแล้วอยู่ในขั้นดีทีเดียวเสียตรงที่เป็นคนบุ่มบ่ามใจร้อนและอ่อนในศิลปะการล่าสัตว์ตามภาษาของคนที่ยังไม่ชำนาญกับเรื่องของป่าไปบ้างเท่านั้นผิดกับเชฐิฐาผู้นอจากจะยิงได้แม่นยำแล้ว ยังเป็นคนถี่ท้วนรอบคอบใจเย็นและเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ป่าได้ดีพอใช้มันเป็นการเริ่มต้นที่มีโชคเหลือเกินครับจอมพานบอกเรายังไม่ตั้งใจจะด่ากันจริงๆเลยแต่ก็อุตส่ามีสัตว์เข้ามามาเข้าทางปืนและยิงได้ติดติดกันถึงสองครั้งอาหารข้ามของเราวันนี้หรูหรามากทั้งกวางของคุญชายและหมูป่าของคุญชายยัน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 ภายหลังจากให้ลุกหาบแบบหมูป่าขึ้นไปบรทุกเกวียนอีกตัวหนึ่งแล้วระพินก็ให้สัญญาณออกเดินทางต่อขอหันมาทางชายยานผู้กําลังอิ่มองค์อิ่มใจอยู่คุณชายยานสลัดปลอกกระสุนเก่าออกแล้วหรือยังครับชายยานทําท่าเพิ่งคิดขึ้นมาได้ลืมตาโตร้องออกมาว่าเออจริงเสืลืมไปว่าแล้วก็กระชากลูกเลื่อนคลายเปลอกเก่าทิ้งส่งลูกต่อไปเข้ารังเพล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 คุณพูดทำให้ผมนึกขึ้นมาได้จุดส5 8ห้ากระบอกนั้นตั้งแต่ผมยิงกวางผิดไปแล้วผมยังไม่ได้ลายป่อกเก่าทิ้งเลยผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับระพินตอบหมอมราชวงเชืถาจุ ป, ปากเบาๆบนมาว่าแกแล้วมันเป็นเสียอย่างนี้ไม่รอบคอบเลยพะ่าเสียแรงเป็นนายทหารจำเรื่องเก่าไม่ได้เหรอเมื่อน่าร้อนปี ก, ก่อนโน้นแกก็เข้าป่าประจวบคีรีขันกับฉันก็ไอแบบนี้แหละ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 มองเห็นป่าโป่องอยู่เบื้องหน้าขณะที่ทุกคนกำลังเดินคุยกันเพลินระพินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักกับที่อย่างกระทันหันเชษฐาชายยานและดาลินซึ่งเดินตามกันมาอย่างไม่เป็นระเบียบเบื้องหลังก้าวมาทานและต่างก็พลอยหยุดกึกรงหมดทุกคนบนพื้นดินเบื้องหน้าห่างออกไปไม่เกิน15ห้าเมตรรายาวมีส่วนอวบขนาดท่อนขาอ่อนขล้องอะไรชนิดหนึ่งทอดขวางอยู่กลางทาง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 กระชากดาบที่ขัดหลังออกมากระนำฟันลงไปบนเวรเวรส่วนหัวอันใหญ่โตของมันจนขาดแหล่งแล้วก็หันมาทางรับพินถามห้าวขึ้นว่าผู้กองไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรือครับอืมขับใจแกมากไงสายที่แกช่วยยิงซ้ำมาอย่างทันการฉันยังดาวไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้านับที่สองแกยิงมาช้ากว่านั้นสักนิดเดียวมันจะพุ่งเข้าถึงตัวฉันหรือเปล่าจอมพรานพูดต่ ำ, ตำ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 ทั้งสามเตรียมปืนหน้าขันสำหรับพระพินอีกคือในการจะไปดักยิงเลียงผาตามวิธีไร่ราวคราวนี้ชายยานผู้เข็ตต่อการใช้ปืนไรเฟิลและเพิ่งจะเห็นประสิทธิภาพของปืนลูกซองในการยิงแบบกระทันหันรวดเร็วหันไปคว้าปืนลูกซองแฝดตรงข้ามกับเชฐิฐาผู้บัดนี้แทนที่เขาจะใช้ลูกซองเหมือนเดิมเขากลับเลือกปืนไรเฟิลขนาดเบา3 0 3 0แบบรเวอร์แอคชั่น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 ติดศูนย์กล้องกระบอกเดิมของห่อนซึ่งรพีนบอกกับตนเองว่าถ้าหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยหัวรันคนนี้สามารถจะยิงเลียงผาที่กำลังวิ่งตเตลิดได้ด้วยปืนกระบอกนี้หลอนก็น่าจะเป็นจอมพรานที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาซีอีกเขาอยากจะแนะให้ห่อนถือลูกซองอัตโนมัติแต่ก็เฉยเสียไม่พูดต้องการให้ประสบการสอนหญิงสาวเอาเองในจานวนคณะนายจ้างของเขาสามคนที่มาด้วยมีเชษฐาคนเดียวเท่านั้น ที่พรานใหญ่อย่างระพินเรื่อมสายในฝีมือและชั้นเชิงในการล่าเมื่อเตรียมตัวเสร็จระพินก็นำทางเกณฑ์ลูกหาบของเขาไปเกือบหมดเพื่อให้ทําหน้าที่ไล่ราวคงเหลือไว้แต่ส่วนน้อยให้เฝ้าแคมป์และจัดเตรียมหุงหาอาหารเมื่อทุกคนเดินผ่านลงมาที่รำธาน<ๆ>ก็เห็นแง่ท า, ายกับลูกหาบอีกสาคนกาลังช่วยกันถลกหนังหมูป่าและวางอยู่อ้าวแง่ า, ายไม่ไปช่วยไล่เลียงผาหรือ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 ต้องมีเหลือเฝ้าแคมป์ไว้บ้างและในจำนวนลูกหาบที่เราทิ้งไว้ให้เฝ้าแคมป์คนที่เราควรจะไว้ใจได้มากที่สุดก็คือแง่ทรายทั้งหมดข้ามลำธารตต่ขึ้นเนินทึบเตี้ยเตี้ยตัดทางลงสู่ป่าโปรง่งและพินออกคำสั่งกำหนดการนัดแนะ ก, กับคนของเขาไว้เรียบร้อยแล้วบุญคำนำพวกลูกหาบทั้งหมดที่ตามมาด้วยแยกตัดทางอ้อมไปทางหลังเขาระพินกับคณะนายจ้างจานันเกิดและเสย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 พระพินบุยปากแล้วก็ถอยไปนั่งอยู่บนโขทินก้อนหนึ่งเบื้องหลังควักบุหรี่ออกมาจุดสูบดาลินกวาดสายตาไปรอบๆแล้วดึงผ้า พ, พันคอออกมาซับเหงือ่อพร้อมกับยักไหล่แกล้งให้ฉันเดินไกลกว่าคนอื่นเสียนั้นแหละนะนายพรานที่ไหนได้ผมพยายามเลือกที่นั่งยิงให้คุณหญิงดีที่สุดโอกาสที่เรียงผาจะวิ่งออกมาให้ยิงมีมากกว่าที่นั่งของคุณชายหรือคุณชา ย, ยันเสียอีก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 เอ็นกายรงนอนหงายไขว่ห้างอย่างสบายใจตาจับอยู่ที่ชนีซึ่งโหนนิ่งอยู่บนยอดไม้สูงลิปต์เนื้อสีสัะพอมันวิ่งออกมาให้เห็นคุณหญิงก็ยิงเอาได้ตามถนัดสำคัญอย่างเดียวคือถ้ามันวิ่งเลยระดับของต้นตะเคียนใหญ่นูน่นที่ผมชี้ให้ดูแต่แรกแล้วก็อย่ายิงก็แล้วกันเพราะมันเป็นทางที่พวกเราไร้ราวของเราปวนเป็นอยู่ที่นั่น แล้วคุณมานอนแขงอยู่นี่นะ่ะมานอนทำไมแกลงมาคอยเฝ้าดูให้ฉันประมาแล้วก็ยิงไม่ถูกจะได้หัวเราะย่อกันสิปล่าไม่ได้มาแกลงนอนเฝ้าดูเพื่อให้ประมาแล้วยิงผิดหรอกเพราะถึงยังไงมันก็ต้องผิดอยู่วันยังข้าแต่ที่มานอนอยู่นี่นะ่ะกลัวว่าเจ้าลายหรือเจ้าจมูกยาวมันจะย่องเข้ามาทำเจ้าชู้กับนักมนุษย์วิทยาคนสวยเสด็จท่านั้นมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าเพราะรับเงินค่าจ้างเข้ามาแล้ว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 หรือมนุษย์คนไหนจะมีเลือดสีน้ำเงินอันหมายถึงฐ า, านันดอนศัก์ชาติสกุลสูงเป็นเรื่องที่มนุษย์มาแบ่งกันเองภายหลังทั้งทั้งที่ก็มีต้นกำเนิดมาจากแปลงเดียวกันนั่นเองหม่อมรัชวงหญิงดาลินผุดลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นร้ายกาดนะักฉันอยากจะตบหน้าคุณเสียจริงตบหน้าผมไม่สนุกหรอกครับยิงเลียงผาดีกว่าโน่นแนะกระโจนออกมาโน่นแล้วต้องฝูงเบอ้อ ค่ะเสียงของระพินก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นเป็นระยะกึกก้องไปหมดพร้อมกับเสียงตะโกนไล่ตะเพิดเอะอะของพวกลูกกลาวดาลินลืมเรื่องที่ต่อปากต่อคํากับระพินยอย่างรุนแรงเสียชั่วขณะหันขวามไปทางทุ่งโล่ก็เห็นเลียงผาเป็นฝูงฝูงละสองสามตัวกําลังเพ่นกระโดดเปะปะอยู่ตามพุ่มไม้และพื้นราบหล่อนหันไปคว้าปืนขึ้นมาโดยเร็วอันเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินก็กระโจนจากหกโขดหินลงมายืนอยู่ใกล้ๆ หล่อนเริ่มตื่นเต้นยกปืนขึ้นเลงแต่ตัดสินใจไม่แน่ไม่รู้จะเลงตัวไหนก่อนดีครั้นแล้วเสียงเรียบๆของระพินก็ดังมากระทบโสตประสาทของหล่อนว่ายิงสัตว์มีชีวิตที่กำลังเคลื่อนที่ไม่เหมือนยิงเป้ากระดาษ ห, หรือเป้านิ่งนาคุณหญิงแต่ได้ข่าวว่าคุณหญิงเคยล้มหมีโคเดีย ก, กับควายป่าแอฟริกันมาแล้วไม่ใช่หรือดาลินฉุ น, นขึ้นมาอีกในบัตรนั้นเพราะหล่อนจำได้ว่า เขาเอาประโยคคำพูดของหล่อนเองที่พูดเป็นเชิงประมาทเขาไว้ในคืนหนึ่งหน้าบ้านพักหนองน้ำแหง้งขณะที่เขาหยิบปืนสั้นขึ้นมาทดลองยิงลูกมาขิดป่าโดยใช้เรียงประโยคย้อนถ้อยคำเหมือนที่หล่อนพูดกับเขาไม่มีผิดหล่อนเลงอย่างทิฐิแล้วเหนี่ยวไกปังเลียงผาตัวที่หล่อนหมายยิงคงกระโจนซิกแซกอยู่เช่นนั้นเหลวเสียงเขาคลางออกมาซึ่งมันก็เป็นคาพูดของหล่อนเองอีกนั่นแหละ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 คุณหญิงตัดสินใจถูกแล้วที่คิดจะตบหน้าผมแทนที่จะยิงเลียงผาเสียงรอยๆ ย, ยุวทศดังมาอีกมันก็ไอการร้องเรียนประโยคคำพูดของหล่อนที่เคยเย้ยเขาไว้ทุ ก, กท้อยเกิดทงความไปเลยทีเดียวดาดินแทบจะร้องกรีดออกมาดังๆหันมาเสือกปืนพวกส่งไปให้เขาผู้ยืนยิ้ ม, ย, มยิ้มอยู่พูดด้วยเสียงแหวอา้าวไหนในผานผู้ยิงใหญ่ลองยิงให้ดูหน่อยสิฉันจะยิงถูก ย, ยิงได้ยังไง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 เพนแผลวๆ ผ, ผ่านพุ่มไม้มาให้เห็นในระยะประมาณ40เมตรระพินวาดนำกล้องปืนตามแล้วเหนียวกายปังเลี่ยงผาตัวนั้นกระโจนทะรึ่งโดดตัวลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วล่วงลงมาฟุบนิ่งอยู่กับพื้นอีกสตัวก็วิ่งกระเจิงให้เห็นไม่เป็นระเบียบผ่านมาอีกปังรม้มอีกปังเหยื่อของกระสุนวิ่งไปได้3มสี่ช่วงก็ซุดขาหน้าลง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 เขาหันไปคว้าจุด375หที่วางอยู่ข้างๆ ข, ข, ขึ้นมาส่งให้รอนลองเอาไอ้นี่ยิงดูัหมครับมันเป็นศูนย์เปิดเลยง่ายหน่อยโอ้ยให้ฉันยิงจุด375หรืนะบ้าจริงมันจะได้ถีบชั้น6ขคเมนไปนี่สิอ้าวแล้วกันไหนว่าเคยยิงจุด458ห้แอฟริกันแมกนัมมาแล้วจุด6 0ศู 00, นย์นไนโตรเอ็กซ์เพรสก็ยังเคยยิงโกหกเล่นกโกโก้ไปงั้นแหละ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 ทดลองใหม่อีกครั้งผมจะเอาใจช่วยว่าแล้วเขาก็ส่งปืนมาให้อีกครั้งหม่อมราชวงหญิงคนสวยเจ้าทิฏฐิยิ้มกร่อยกร่อยรับปืนมาอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักพอเรียงผาอีกฝูงหนึ่งเริ่มจักระโจนมาให้เห็นหล่อนก็ประทับปืนขึ้นเลงแล้วเลงอีกแต่ก็ไม่ได้รั้นไกลสักทีในที่สุดก็ลดปืนลงโครงศีรษะบ่นอูว้ว่ามองไม่เห็นศูนย์แล้วพินเข้ามายืนกํากับอยู่ข้างหลังพูดปลอบใจและสอนให้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 เมื่อเขาก้าวเข้าไปในเต็นท์ทุกคนรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าผ่องใสทั้งสามอาบน้ําผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วทั้งเชิฐาและชายยันเปลี่ยนมาอยู่ในชุดเสื้อกังเกงสกัดแบบรัดกุมสําหรับเตรียมนอนแต่หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินคนสวยทําให้จอมพรานต้องถอนหายใจเฮือกออกมาอีกอย่างเหลือละอาหล่อนอยู่ในไนกล่าว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 เว้นหม่อมละชวงคนสวยคนเดียวที่หันไปค้อนเพื่อนชายขวับกระแทกเสียงออกมาหนักๆคำเดียวว่าบ้าแล้วก็เลยนิ่งเงียบไปไม่หาเรื่องรวนอะไรและพินอีกรังเวลาอาหารระหว่างที่ดื่มกาแฟและสนทนากันดารินก็แสดงสรรทายาณอันเป็นแพทย์หญิงของหล่อนออกมาโดยการเอายาออกมาแจกโดยเป็นคับให้พี่ชายและเพื่อนชายของหล่อนกิน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 แววตาของหรอนส่อความพอใจขึ้นยิ้มออกมานิดนิดโดยยาต่างชนิดสองเม็ดลงไปบนฝ่ามือที่แบของเขาอืมให้รู้จักหน้าที่อย่างนี้เสียมั่งสิถึงจะเรียกว่าคนเจริญแล้วฉันคิดว่าคุณจะพูดว่ายาไม่จำเป็นสำหรับผ่านใหญ่อย่างผมเสียอีกอ้อแล้วก็ตรวจตาดูแลลูกหาของพวกเราทุกคนด้วยใครไม่สบายหรือรู้สึกว่าจะไม่สบายอะไรก็มาบอกครับผม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 น้อยต่หากคอยขวางเขาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลมันก็มาจากที่ว่าเราเอาจิตใจเราสิจนเคยตัวนั่นแหละตลอดเวลาน้อยเคยพบแต่คนที่คอยแต่พนอเอาใจพริสไปหมดทุกอย่างพอมาเจออย่างแล้พินข้าก็เลยเมน่นความจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษชีกอทั้งหลายอย่างที่เคยลุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังน้อยมันหรอกเขาเป็นผู้ชายแท้ๆอีกแบบหนึ่ง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 นานๆจะแววเสียงหมาป่าเห่าหอนแววมาแต่ไกลหล่อนไม่ง่วงเลยสักนิดหญิงสาวสลัดผ้าห่มขนสัตว์ที่คุมกายออกลุกขึ้นจากเตียงสนามคว้าข็มขัดปืนสั้นที่วางอยู่หัวเตียงขึ้นมาคาดเอวสวมแจ็กเก็ตหนึ่งทับถือไฟฉายราสัตว์ขนาดแปดท่อนติดมือแล้วก็เดินออกมาจากเต็น์อากาศเบื้องนอกยิ่งเย็นจัดไฟกองใหญ่ที่สุมอยู่หน้าเต็น์ลุกโพลสองแสงสว่างเรืองรอง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 แง่ทายดังเลอยู่อึดใจก็ไม่พูดอะไรอีกก้มลงคว้าจุด4440คู่ชีพขึ้นมาถือไว้ดาลินเริ่มออกเดินทอดน่องไปช้าช้าหนุ่มกระเหรี่ยงล่างยักษ์เดินตามไปเบื้องหลังอย่างสงบจะพูดด้วยก็ต่อมเมื่อถูกถามเท่านั้นหล่อนเดินตรวจไปทั่วบริเวณที่พวกลูกหาบนอนกันอยู่แล้วก็มาหยุดยืนกอดอกอยู่ที่เกวียนคันหนึ่งอนันเป็นเป้าหมายที่แง่าย ช, ายชี้ให้ดูเมื่อตะกี้นี้ริมฝีปากงามมีรอยยิ้มนิดนิด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 และส่วนศีรษะหันไปทางแคมป์ไรเฟินคู่มือวางแนบตัวอยู่ทางด้านขวามือผู้กองมานอนอยู่นี่เองเสียงแง่ทายพึมพำออกมาเบาๆดาลินแกล้งใช้ฝดฉายแปดท่อนที่ถืออยู่ในมือสองจ้าก็าไปที่ใบหน้าอันมีหมวกครอปิดอยู่นั้นก็ไม่เห็นเขาไหวติ่งอะไรลมหายใจอยู่ในจังหวะเรื่อยๆได้ระดับอันหมายถึงว่าดับสนิทดูเหมือนจะมีเสียงกรนเบาๆ หญิงสาวหัวเราะหึ่ยทำไมเธอเรียกเขาว่าผู้กองร่อนถามเบาๆผมเคยเรียกเขาเช่นนี้มาก่อนครับเขาเป็นผู้บังคับกองร้อยหน่วยหมีดำตำรวจตะเวนชายแดนไทยผู้กองค่ายแตกเดนตายน่ะหรือไหนลองเล่าี้เธอเคยช่วยชีวิตเขาไว้เบบยังไงดาลินพูดขันๆผมไม่ได้ช่วยชีวิตเขาโดยตรงหรอกครับนายหญิง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 อีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมสืบทราบมาก่อนผู้กองเป็นคนดีมากดียังไงหล่อนซักยังนึกสนุกโดยที่ผู้ถูกกว่าขันถึงนอนกลนอยู่เบื้องหน้าเหมือนจะไม่รู้สึกตนว่ามีใครมายืนสนทนาค้ำศีสะอยู่เสียงกลนของเขาได้ระดับอยู่เหมือนเดิมผู้กองเป็นคนยุติธรรมและมีวาจาเป็นสัจจะน่านับถือ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 แต่ผู้กองเป็นคนห้ามไว้ได้ไล่ผมไปผู้กองก็ช่วยชีวิตผมไว้เหมือนกันอืมหญิงสาวครางพยักหน้าช้าๆยิ้มระัายอยู่ในสีหน้าสายตาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าอันคมสันของหนุ่มกะเลียงผู้ลึกครับก็เรียกว่าต่างคนต่างเคยมีบุญคุณต่อกันมาก่อนนะแต่ฉันสังเกต ด, ดูตั้งแต่วันแรกที่เธอมาขอสมัครเดินทางไปกับเราแล้วเขาท่าจะไม่ไว้ใจเธอนัก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 แทบจะเรียกว่ากราบไหว้ทีเดียวแล้วเขาก็เรียกข้าจ้างแพงริฟมิหนำซ้ำบางขณะเขายังทำตัวเหมือนเป็นนายของเราแทนที่จะเป็นลูกจ้างออกคำสั่งโน่นคำสั่งนี่อยู่ตลอดเวลาฉันบอกตรงๆไม่ชอบหน้าเขาเลยแง่าสายโครงสีษะช้าช้าตาเป็นประกายแจ่มใสมองที่ดารินแล้วเหลือบไปที่ร่างอันกาลังหลับของคนที่ถูกนินทานายหญิงเข้าใจผิดครับ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 เสียงแผ่วต่ำเกือบจะเป็นกระซิบบางทีอาจเป็นเพราะชีวิตที่เกิดมาเพื่อเร่ร่อนเนังจร์ผจญไปไปเรื่อยๆของผมก็ได้กันมังครับนายหญิงอีกประการหนึ่งอย่างที่ผมได้เรียนแต่แรกแล้วทิ่เกิดของผมอยู่ทางภาคโพนดินแดนที่คณะนายหญิงกำลังจะมุ่งหน้าไปผมอยากจะกลับไปเห็นแผ่นดินอันเป็นปิตุภูมิของผม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 นักเรียนการทหารจากเยอรมนีปัจจุบันนายพลใหญ่ชื่อก้องหลับไม่รู้เรื่องเลยนี่ถ้าเสือมาย่องมาคาบก็ยังคงนอนกลนอยู่นี่เองกำลังพอเห็นตอนนอนแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นพรานได้ยังไงขี้เสาชมัดเดีย๋ยวว่าแต่เสือเลยมดสัตรูถ้าคานมาอย่างศัตรูก็จังจะต้องรู้สึกแต่ถ้าคนมายืนนินทาอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกหรอกคร้านจะฟัง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 แง่าสายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมินหน้าไปทางอื่นดาลินเม้มริมฝีปากหน้าแดงหันไปทางแง่าสายพยักหน้าบอกว่านี่แง่าสายเธอกลับไปเฝ้าหน้าเต็นได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแง่าสายพระไปตามคำสั่งในทันทีพอร่างของหนุ่มกระเหลี่ยงห่างออกไปหญิงสาวก็เท้าเอวพยักหน้าเนิบๆกลับไปหน้าที่มีหมวกครอบอยู่นั้นฮลูกไม้มากนักนะในพราน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 ร่างนั้นจึงค่อยๆผงกตัวในลักษณะแข็งทื่อขึ้นมานั่งเสยหมวกที่ปิดหน้าให้ไปครอบอยู่บนศรีรษะควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาจุดสูบจะไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยหรือคุณหญิงดารินวราริศไม่หน่อยละพอดูทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมลูกไม้แพลว อ, อย่างนี้มีอย่างหรือนอนกลอยออกคลอกๆฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่หลับหลงพูดอะไรดินทาสีใหญ่ หล่อนพูดปนหัวเราะอย่างถอนเฉีวครึ่งยิ้มครึ่งบึน้นแต่ระพินทำหน้าเฉยทฤษฎีอะไรอะไรในโลกนี้มันล้วนมีข้อยกเว้นทั้งนั้นวิชาแพทย์สอนให้คุณหญิงทราบว่าคนกรนก็คือคนหลับแต่ทฤษฎีของนักต่อสู้สอนผมไว้ว่าอย่าไปเชื่อคนกรนว่าจะนอนหลับเสมอไปอ๋องั้นก็แปลว่ากรนเอาเชิงงั้นสิ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 ถึงไม่ได้ยินโดยหูก็ได้ยินโดยพรายกระซิบเอาละได้ยินก็ดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างรอนยิมย้มเยาะถามอย่างเจตนาจะหาเรื่องจอมพรานยักไหลเฉะยเฉยะหมายความว่ายัางไงที่ว่าเฉะยเฉยะนะในเมื่อคุณก็ได้ยินหมดแล้วว่าฉันพูดถึงคุณอย่างไรก็เฉะยเฉยะน่ะสิจะโกรธหรือจะเกลียดฉันก็ยังได้นะไม่ขอร้อง และไม่ขอโทษหรือแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นก็ไม่เห็นจะต้องขอร้องหรือขอโทษอะไรเลยนี่ทำไมคนที่ว่าจ้างผมด้วยราคาสองแสนบาทย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะนินทาอะไรผมได้โดยเสรีจะวิจารณ์ในงานรับใช้ของผมว่าเลวหรือไม่เหมาะสมยังไงก็ได้ทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเรียกเงินค่าจ้างคืนหล่อนปั้นหน้าบึง้ง แต่แล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้กระฟัดกะเฟียดผ่านรีผ่านขวางร้ายนักนะแกล้งทําเป็นนอนหลับที่แท้ก็นอนฟังเหลี่ยมจัดพิลึกเปล่าผมนอนของผมอยู่ที่นี่ดีๆคุณหญิงก็มาพูดค้ำหัวผมเองฉันไม่ได้คำ้ำยาฉันยืนห่างจากหัวคุณตั้งสามสี่วาจะบอกให้รู้ตัวสักนิดก็ไม่มีปล่อยให้พูดอยู่ได้ปล่อยให้พูดเสียได้โดยเสียรี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 ร่อนครางออกมายิ้มจืดจืดจอมพรานลุกขึ้นช้าชบิดขี้เกียจปิดปากหาวไม่มีใครชรารอบรู้ไปทุกอย่างหรอกครับผมไม่รู้อะไรเลยในเรื่องแพทยศาสตร์หรือมนุษยวิทยาแต่คุณหญิงผู้ชำนาญในวิชาสองแขนนี้เกิดมารอบรู้ในด้านสอดแนมระหว่างตนของวิชาเสือพรานมันก็ผิดไปคิดเสียว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำขันเสียก็แล้วกันครับล่อนจุ๊ปากโครงศีรษะคางออกมา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 ไม่หนำซ้ำยังมีประวัติไม่น่าไว้ใจแต่การเดินทางของเราครั้งนี้เป็นการเดินทางมหาวิบากคล้ายๆจะไปสู่ความมารณะอยู่แล้วผมถึงไม่แคร์ว่าแง่ทายจะมาไม้ไหนออกจากกลุ่มช้างเราจะได้รู้ได้แน่ชัดว่าหมอนี่จะเป็นพิษเป็นภัยอะไรหรือเปล่าแล้วจอมพรานก็หันมาจ้องหน้ารอนเสียงที่ถามเกือบจะห้วนทำไมไม่นอนฉันนอนไม่หลับหล่อนสารภาพเบาๆ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 ทำไมไม่ฟังจานเสียงสเตอริโอที่เตรียมมารอนยิ้มเหนื่อยๆหันมาสบตาเมื่อไหร่ถึงจะเลิกประชดฉันสิยทีปราวแน่ด้วยความรู้สึกแท้จริงไม่ควรจะออกมาเดินตากน้ำค้างอย่างนี้ดารินสันสีษะฉันกำลังอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นในสิ่งแวดล้อมที่ใหม่และแปลกนอนก็ยังไม่หลับเขียนวิทยา น, นิพนธ์ก็ไม่มีสมาธิฟังเพลงฉันก็เพิ่งจะมารู้สึกเอาเดี๋ยวนี้เองว่า มันไม่มีค่าอะไรเลยในภาวะเช่นนี้ฉันมาป่าดงพงไพรฉันควรจะอภิรมกับธรรมชาติของป่าซึ่งมันน่าจะให้ความสุขมากกว่าที่จะฟังดนตรีจากจานเสียงถูกของคุณแล้วนายพรานเจ้าสิ่งรกรุงรังที่ฉันหิ้วติดตัวมาด้วยเหล่านั้นมันคงไม่ให้ประโยชน์อะไรกับฉันในป่านี่หรอกเป็นครั้งแรกที่หล่อนเห็นรอยยิ้มอีกชนิดหนึ่งจากระพินภัยวันหล่อนไม่เคยเห็นยิ้มชนิดนี้มาก่อนจากชายผู้นี้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 หมาในมันร้องอาจกําลังจับฝูงล้อมกวางหรือแก้งอยู่นิ่งเงียบกันไปครู่กลิยาของหล่อนกําลังเคริมรมผวังดื่มด่าอยู่กับสบรรพสําเนียงไพรที่ดังแทรกลมดึกมานั่นเสียงอะไรอีกแก้งยังไงนะครับร้องอยู่ห่างแคมป์เราไม่เกิน200อเมตรนี่เองหล่อนพยักหน้าแต่แล้วอีกเสียงหนึ่งก็กระหึ่มมาท่ามกลางความเงียบมันดังอยู่ทางลําธารเบื้องล่างนั่นเอง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 ดาลินหันหน้าเมินหลบปั้นหน้าขมขมขึ้นมาอีกต่างเงียบกันไปนานระบหินต่อบุหรีตัวที่สองหญิงสาวเปิดไฟฉายในมือขึ้นอย่างปราดจากความหมายแล้วส่องกลาดเปะปะเป็นการซ่อนอารมณ์ออกไปยังแนวป่าในทันทีนั้นลําไฟฉายขนาดแปดท่อนของร่อนก็สาดไปพบกับดวงตาแดงสุกปร่างราวกับทับทิมเข้าคู่หนึ่งที่โคนไม้ใหญ่ด้านซ้ายมือห่างออกไปประมาณหสิบเมตร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 และว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่เราจะล่าเป็นอาหารเลยมันไม่มีอันตรายอะไรกับเราเว้นไว้แต่ชอบทำความนมคาญหงุดหงิดให้ทำความหงุดหงิดยังไงจอมพรานหัวเราเบาๆชอบปนเปื้อนเข้ามาใกล้แคมป์จ้องจะขโมยเนื้อที่เราขึ้นร้านย่างไว้หรือบางทีเรายิงสัตว์เล็กจาพวกกระจงทิ้งไว้ใต้ห้างยังไม่ทันจะลงมาเก็บและเผลอนอนหลับไปมันก็ดอดมาขโมยลางเอาไปกินเสีย ผมเคยยิงกระจงทิ้งไว้ตั้งหกเจตัวในตอนเย็นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องนั่งห้างต่อไปจนถึงเช้าพอเช้าขึ้นมากระจงพวกนั้นหายไปหมดแล้วอีเห็นล่ากเอาไปหมดหล่อนพลอยหัวเราะออกมาด้วยความเป็นอลิถูกลืมไปชั่วขณะดีนะค่อยๆได้ความรู้เรื่องป่าจากคุณไปทีละ อ, อย่างความจริงคุณควรจะเปิดเรเชอร์พวกเราในเรื่องเกี่ยวกับป่าเป็นเวลาสักหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่เราจะออกเดินทาง เราจะได้รู้เป็นทุนไว้บ้างไม่โง่อย่างนี้จะเปิดเลกเชอร์ได้ยังไงครับกับท่านนักเดินป่าที่ผ่านแอฟริกาหรือลุ่มน้ำอเมซอนมาแล้วอารมณ์ของหล่อนเปลี่ยนวับขึ้นมาในบัตรนั้นตาความขึ้นมาอีกก็บอกมาตั้งหลายครั้งนะว่าโมเล่นไปงั้นเองเอามาพูดรับหยุดได้มโห อ, อีกแล้วรู้ไหมอย่าโมโหบ่อยๆสิครับคุณหญิงเป็นนายจ้าง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 แง่า ย, ายก็นั่งก่อกองไฟหยุดทนโท่ผมจะนอนละไม่ให้นอนต้องไปส่งฉันจนถึงหน้าเต็นนี่เป็นคำสั่งเข้าใจอย่าลืมนะสองแสนบาทรับไปเรียบร้อยแล้วจะไม่บริการให้คุ้มกระจ้างเงินลือขอรับกระผมเมื่อเป็นพระราชาสาวนีกระผมก็จะไปบัติตามคำสั่งเชิญเจ้าหญิงเสด็จยุลายาตได้ถ้าจะตามเสด็จข้างหลังหล่อนยิ้มอย่างมีชัยสดัดผมเดินนาหน้าไปอย่างมีสงา่า แล้วปินเดินจูบ ป, ปากโครงหัวตามไปส่งจนถึงหน้าเต็นท์ขอบใจหล่อนหันมาบอกสั้นๆแล้วปินตะวัดมือขึ้นแตะขอบปีกหมวกเหมือนจะทำวันทยาหัดให้ดารินยิ้มด้วยมุมปากนิดหนึ่งก่อนที่จะก้าวเข้าประตูเต็นท์ไปเขายืนอยู่กับที่อึดใจหนึ่งดีดก้นบุหรี่ทิ้งแล้วหมุนตัวกลับพรานสายตาของใครคนหนึ่งก็ประสานกับเขาพอดีเหมือนจะเฝ้ามองอยู่ก่อนแล้ว พอสบกันก็หลบโยนฟืนเข้าไปในกองไฟจอมพรานสาวเทาว้าเนิบๆ เ, เข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆร่างที่นั่งอยู่บนขอนไม้ดิ่มกองไฟนั่นเขาถามต่ำๆแกยังไม่นอนอีกหรือแง่ทรายหนุ่มชาวโดงนักพเจนจรแหลกขึ้นศบตาอีกครั้งยิ้มนั้นสยายกว้างแต่เป็นประกายลึกชนิดที่สัญชาตญาณพรานของระพินไม่อาจหยั่งได้ เจ้าจงตื่นในยามที่โรคทั้งหลายหลับสนิทนี่คือคำพูดครั้งสุดท้ายของพระทุดงองค์ที่เลี้ยงผมมาแต่น้อยกล่าวกับผมว่าไว้ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพนั่นเป็นปัชยาของพูดภายสมิงร้ายที่คอยสูบเลือดมนุษย์แต่มีอะไรน่าวิตกหรือเชียวหรือในเมื่อผู้กองย่อมอุปมาเป็นหนึ่งหมอพรานผู้กำรับปวงผู้สมิงอยู่แล้ว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 จนกระทั่งหมู่บ้านหลมช้างแกเห็นจะชำนาญปลุกโปรกมาเป็นอย่างดีแล้วสินะถ้าผมปฏิเสธผมก็เจตนาทุจริตต่อท่านถูกแล้วผมท่องเที่ยวอยู่ในย่า น, นี้มานานพออาจนานไม่น้อยไปกว่าท่านแกฉราดที่ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่แกก็รู้ว่าปฏิเสธไปไม่ได้ฉันทันแกเสมอเท่าๆกับที่แกก็อาจทันชั้นอยู่ทุกฝีก้าวยากว่าแต่นี่แนะ่ เขาเว้นระยะหยิบปืนวินเชสเตอร์4440แบบโบราณของแงซายซึ่งวางพิงอยู่กับกองฟืนขึ้ น, นมาเดาะในมือแล้วสลัดคารเวียงออกสำหรับสํารวจดูกระสุนอย่างปราจากความหมายปากก็พูดต่อในระหว่างร่มช้างกับจุดหมายปลายทางที่เรากําลังจะมุ่งไปแกเคยสํารวจมาก่อนบ้างแล้วหรือเปล่าอาดีตนายทหารกองโจรกระเหลียงสายศรีระแช่มช้า มองตาเขานิ่งไม่หลบเกินความมานาพยายามโดยสองท้าเนจรของผมจะบุกบั่นไปได้แต่ผมก็จะได้เคยทดลองดูบ้างและเหมือนกันมันไม่สำเร็จแล้วแกคิดว่าเราจะไปกันได้ถึงไหนเสียงหัวเราะแผ่วต่ำดังออกมาจากลำคออวบใหญ่เติมเชื้อไฟเข้าไปอีกด้วยหนึ่งตาเปลี่ยนไปจับอยู่ที่เปลวเพลิงซึ่งแนบเปรียอยู่ที่กองอย่างที่ท่านเคยพูดเสมอนั่นแหละ สวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ได้ท่านเป็นนักเผชิญภัยที่มีเลือดข้นมากในการกล้ารับจ้างนำทางครั้งนี้เพราะท่านย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรก็แล้วตัวแกน่ะที่หานอาสาสมัครเข้ามาชีวิตพระเนจรอย่างผมมีค่าต่ำกว่าชีวิตของท่านมากนักความจริงฉันไม่ใช่คนกล้าหานอะไรเลยแง่ายเขาพูดเท่าหา้าวเคร่งขม แต่ฉันต้องทำงานเพื่ อ, อยางชีพแม้ว่าการทางานบางอย่างมันจะเสี่ยงกับการเอาชีวิตของตนเองไปทิ้งฉันก็ต้องยอมถ้าฉันพิจารณาว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะวรแล้วแกสิงแงซายแกเป็นคนกล้ามากกล้าเสี่ยงเข้ามาโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแม้แต่ค่าจ้างซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรเป็นจุดมุ่งหมายแท้จริงของแกกล่าวจบ ระพินวางปืนของหนุ่มชาวโดงผู้ลึกลับลงที่เดิมแล้วออกเดินผ่ไปยังที่นอนของเขายังไม่ทันจะล้มตัวลงนอนบุญคํากับเกิดก็เดินตรงเข้ามาด้วยอาการรีบร้อนผิดปกติต่างสุดตัวลงนั่งยอ ง, ยองๆใกล้เขากระซิบเจ้านายครับถ้ามันจะไม่ได้การเสีแล้วระพินขมวดคิว้วจ้องหน้าพรานพื้นเมืองคู่ชีพของเขาทั้งสองทำไมมีอะไรหรือบุญคําไอ้กุศ มันย่องตามหลังพวกเราตั้งแต่ตอนที่เราผ่านหุบเมื่อบ่ายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังพ้วนเปื้อนอยู่ใกล้ๆแคมป์ของเรานี่เองจอมพรานตาสว่างวาวขึ้นในบัตรนั้นไอ้กุดที่พรานของเขาเอ่ยถึงคือเจ้าลายพาดก่อนขนาดแปดศอกวายร้ายแห่งป่าหนองน้ำแหง้งกิติศัพท์ชื่อเสียงระบือ ก, กล้องไปในบรรดาพรานและชาวป่า ท, ทั้งหลายในด้านความเฉลียวฉลาดเล่ห์เหลี่ยมและอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรง ดูจะเป็นพิเศษผิดไปจากธรรมชาติสามันของเสือทั่วไปจนกระทั่งพวกบ้านป่าทั้งหลายเรียกมันว่าสมิงเพราะชื่อว่าจะต้องมีวิญญาณของผู้ร้ายเข้าสิงคอยชักนำสาเหตุที่พานทั้งหลายขนานนามมันว่าไอกุดก็เพราะเมื่อปีเศษที่แล้วมาพานพื้นเมืองเก่าแก่ของนายอำมพลคนหนึ่งถูกมันขย้ำและลากเอาไปเป็นเหยื่อ ในขณะที่เดินสองเก้งอยู่ในที่ทุ่งโลง่งบริเวณใกล้เคียงกับสถานีกักสัตว์ของรพินเองในคืนเกิดเหตุสยองนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แยกกันส่องเก้งอยู่ไม่ห่างออกไปนักได้ยินเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดและตกใจของพานผู้นั้นอย่างถนัดวิ่งหน้าตื่นมาตามเขารพินพร้อมกับพานคู่ใจของเขาออกตามรอยในคืนนั้น พบแต่ศพชายผู้ก่อร้ายถูกลากเข้าไปซุกที่โขดหินซับซ้อนบริเวณหนึ่งห่างจากตำแหน่งเกิดเหตุเกือบหนึ่งกิโลเมตรเต็มๆท้องของศพเบะวะเครื่องในถูกลากออกไปกินหมดเขาแจ้งข่าวร้ายไปให้ในอําพลผู้อำนวยการบริษัทไทไว้์ไรทอันเป็นเจ้านายโดยตรงของผู้ตายให้ทราบนายอําพลโกรธแค้นมากแสดงความจานงกับเขาขอที่จะเป็นผู้ฆ่ามันด้วยมือเอง เพียงแต่ขอร้องให้รพินเป็นผู้นำทางเท่านั้นเขาไม่อยากจะขัดใจนายอัมพลผู้กำลังเต็มไปด้วยโทสะและความเครียดแค้นจึงนำนายอัมพลไปนั่งเฝ้าซากศพของพรานผู้นั้นตามประสงค์ดึกของคืนถัดมาระหว่างที่นั่งซุ่มเฝ้ากันอยู่เพียงสองคนระหว่างเขากับนายอัมพลเจ้าเสือร้ายก็ย้อนกลับมาที่ซากราพินเป็นคนส่องไฟและนายอัมพลเป็นคนยิงแต่จะเป็นเพราะมือที่ไม่เคยชินมาก่อน หรือจะเป็นเพราะความตื่นเต้นอย่างใดไม่ทราบได้ภายหลังจากกระสุนปืนของนายอัมพลระเบิดออกไปเจ้าลายผีสิงพระจักเยือเพ่นพรวดหายเข้าไปในดงทึบเมื่อเข้าไปสำรวจก็พบว่านิ้วข้างหนึ่งจากอุ้งตีนใหญ่โตทางด้านขวาของมันขาดตกอยู่ให้เห็นกระสุนไร้เฟิ่แฝดของนายอัมพลเพียงแต่ตัดนิ้วของมันขาดออกเท่านั้นผลของการดักสังหารในครั้งนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเพียนเฝ้าหรือแกะรอยกันสักขนาดไหนในเวลาต่อมามันจึงได้สมญาว่าไอ้กุศมาตั้งแต่บัดนั้นและต่อจากนั้นมาอีกเพียงเดือนเศษภายหลังจากถูกดักยิงพวกชาวป่าตัดหวายพวกตัดไม้ของนายอัมพลตลอดจนกระทั่งพวกที่อาศัยอยู่ตามดงถูกรลางควานชนิดนอนตามไม่หรับดูเหมือนอีกครั้งสุดท้ายนับได้ศพที่สิบสาม โดยไม่รวมถึงพวกวัวควายสัตว์เลี้ยงที่ถูกลากเอาไปมันไม่แน่นักว่าไอ้กุดจะเข้าจู่โจมชีวิตคนและสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเพื่อเฉพาะเป็นอาหารประการเดียวเพราะปรากฏอยู่บ่อยๆว่ามันเคยขย่ำพวกตัดไม้ของนายแอมพลเสียสองศพซ้อนภายในวันเดียวกันเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงแพะแกะวัวควายของชาวโดวงที่เลี้ยงไว้ก็ถูกกัดตายเฉย ๆ, ๆโดยไม่มีรอยแทะกิน พลานทุกคนถือมันเป็นอาชญากรร้ายและตามล่ามันแต่ยังไม่มีใครพบกับความสำเร็จสองคนพลาดลงอีกคนหนึ่งถูกกัดตายและอีกคนหนึ่งรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เพียงแต่คนเท่านั้นที่แกะรอยล่ามันไอ้กุดก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าคนเป็นศัตรูที่มันจ้องอาฆาตด้วยเร่เหลี่ยมไว้พริบอัญฉราดล้มอย่างชนิดที่ ก็น่าจะเชื่อตามที่ชาวบ้านพูดกันเหมือนกันว่ามันเป็นเสือสมิงระพินเองเคยติดตามมันมาเป็นเวลาหลายเดือนไอ้กุดเหมือนจะมีสัญชาตญาณรู้ดีว่ากา ร, รเผชิญหน้ากับจอมพรานอย่างระพินเป็นภัยกับมันเช่นไรเพราะฉะนั้นเขาจึงพบแต่รอยและผลของความย่อยยับล้มตายที่มันสร้างไว้เท่านั้นนี่เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่ง ที่พรานพื้นเมืองยืนยันว่ามันเป็นเสือผีสิงนายอัมพลตั้งสินบนไว้เป็นเงินหมืน่นสำหรับพรานทุกคนไม่ว่าจะได้มันมาชนิดเป็นหรือตายเพราะคนของเขาหลายคนต้องเสียชีวิตไปเพราะไอ้กุดตลอดเวลาและพินเพียงแต่เฝ้ารอโอกาสเท่านั้นเพราะการมุ่งหน้าติดตามอย่างจริงจังของเขาไม่ได้ผลมันคอยหลีกหลบเขาเหมือนนกรและระยะหลังประมาณสามสเดือนที่แล้วมา ข่าวของมันก็ดูจะสางซาไปไม่แพ่วพานเข้าม า, าอรารวาสในเขตหนองน้าแห้งอีกบัดนี้เป็นไปได้หรือที่ไอ้กุดวายร้ายนั่นเข้ามาแพ่วพานป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เคียงกับคณะเดินทางของเขาแกแน่ใจหรือว่าเป็นไอ้กุดรพินถามบุญคำกับเกิดมองดูหน้ากันไม่ผิดหรอกครับมันแ น, แน่เกิดเป็นคนตอบจาได้ไหมครับตอนที่ผ่านหุบ ผมกับเสยเดินคุมอยู่ข้างหลังตะโกนบอกเจ้านายว่าเสือดํามันกระโดดผ่านไปทางด้านหลังความจริงมันไม่ใช่เสือดําหรอกครับมันเป็นเสือโคร่งใหญ่แต่ผมยังไม่อยากจะบอกเจ้านายตอนนั้นเพราะสงสัยอยู่ว่ามันอาจเป็นเอ ก, กุดพอเดินมาอีกสักสองชั่วโมงก่อนที่พวกเราจะพบจงอางผมกับเสยก็เห็นมันหมอบดักดูขบวนเกวียนของพวกเราอยู่ริมจอมปลวกใหญ่ข้างต้นไม้ลม้มมันหมอบเฉยโผล่หัวมันนิดเดียว เกือบจะมองไม่เห็นเสรยสงสายยกปืนขึ้นพอตอนยกปืนนั่นแหละครับมันจึงหลบแว บ, บลงห้วยลึกไปผมกับเสรยเข้าไปตรวจรอยเห็นรอยตีนของมันที่ย่ำไว้ตรงแองน้ําแฉกก็แน่ใจนิ้วมันหายไปข้างหนึ่งพวกเราเคยแกะรอยมันไปกับเจ้านายหลายครั้งทําไมผมจะจํารอยมันไม่ได้นี่แปลว่ามันจะต้องย่องตามพวกเรามาตลอดเวลาและไอ้ที่เห็นกระโดดผ่านทางครั้งแรกก็คือมันนั่นแหละ ไม่ใช่คนละตัวแน่ๆจอมพรานเม้มริมฝีปากบุญคำก็บอกเสริมมาอีกว่าซักมือสองทุ่มนี้ก็เหมือนกันผมส่องไฟออกไปทางด้านดงทึบโน้อนเจอตามันพอดียังไม่ทันจะขยับปืนมันก็หลบแล้วเมื่อหยกโจกนี่เองควายมันเบิ่งสะบัดฮึดฮัดดึงเชือกผิดปกติยังไงพิบกนผมส่องอีก เห็นแต่ตอนบ้านท้ายของมันลากหางยาวหายเข้าไปในพงทางด้านลําธารข้างล่างผมกับเกิดเลยตามกันออกไปดูไม่มีอะไรสงสัยอีกเลยครับเจ้านายรอยของมันที่ย่ำน้ําในลาธารแล้วเหยียบไว้บนโขดหินชัดเจนทีเดียวตอนที่ผมกับเกิดไปตรวจดูยังมีน้ําหยดเป็นทางอยู่เลยเราลอกหนังเรียงผาและพวกเครื่องในทิ้งเกลือนไว้ฝั่งโน้นเข้าไปตรวจดูก็ไม่เห็นว่ามันจะไปกินมีแต่รอยหมาป่ากับอีเห็น แสดงว่ามันไม่ได้เข้าไปยุ่งกับของที่จะเป็นอาหารของมันเลยรพีนคว้าปืนกับไฟฉายในทันทีนั้นผุดลุกขึ้นยืนไม่มีปัญหาเขาเชื่อสายตาพรานของเขาว่ามันคงไม่คลาดขึ้นไปแน่เพราะคนเหล่านั้นก็ล้วนเคยร่วมติดตามรอยเสือร้ายผีสิงตัวนี้มากับเขาทั้งสิ้นเสรยกับจันก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับสองคนนั้นอยู่ที่ไหนยังไม่ทันจะขาดคา ผ่านพื้นเมืองของเขาอีกสองคนก็พากันเดินตรงเข้ามาสแสดงว่าไม่มีใครหลับนอนกันเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เวลาตอนนี้เป็นกาหนดยามผัดเปลี่ยนของบุญคำกับเกิดเพียงสองคนทำไมไม่บอกให้รู้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำว่าไอ้กุดมันย่องตามเรามาตั้งแต่บ่ายพวกเราก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่ามันจะตามเรามาถึงที่นี่ที่แรกคิดว่าอาจเป็นการพบโดยบังเอิญระหว่างทาง เพื่อจะมาแน่ใจเอาตอนที่เราพบรอยของมันเมื่อหยกยกนี้เองเป็นการยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวอื่นบุญคําว่าเมื่อคู่ใหญ่ฉันได้ยินเสียงคำรามมาจากทางด้านลานําธารมันนั่นแหละครับเสกับจานหยุดที่นี่แหละเฝ้าแคมป์ไว้บุญคากับเกิดไปกับฉันรับผินสั่งแล้วออกเดินผ่านแนวกองไฟที่สุมไว้รอบด้านบ่ายหน้าลงไปยังลาําธารบุญคํากับเกิดเดินเรียงหน้ากระเดาน ตามเขามาติดๆใช้ไฟฉายส่องนาทางและกราดวอบแวบไปมาโดยรอบเกิดส่องไฟไปที่โขดหินก้อนหนึ่งงอกอยู่ในน้ำมีระยะห่างจากฝั่งอันเป็นพื้นกรวดประมาณสามวาบอกให้เขาทราบว่าโขดหินก้อนนั้นเป็นที่ซึ่งสำรวจพบรอยตีนของมันชนิดที่เหยียบรุยขึ้นมาจากทา น, น้ายังมีรอยน้ำหยดสดๆร้อนๆ อ, อยู่เมื่อตะกี้และพินตรงเข้าไปในทันที แล้วก็พบว่าสิ่งที่พรานของเขาบอกไว้เป็นความจริงทุกอย่างแม้น้ําค้างป่าจะรงจัดและจับซุ่มอยู่บนโขดหินก็ยังสามารถที่จะสังเกตเห็นรอยอุ้งเท้าขนาดจานรองถ้วยน้ําชาที่ปรากฏได้อย่างถนัดมันเกิดจากการย่าน้ําเปียกชุ่มแล้วขึ้นมาเหยียบไว้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือรอยเล็บ จ, จากเท้าข้างหนึ่งขาดหายไปและมันก็เป็นเท้าหน้าด้านขวา อืมเป็นมันจริงๆนั่นแหละเขาครางออกมาด้วยเสียงกระซิบภายหลังจากก้มลงพิจารณารอยตีนคุณนั้นอย่างถี่ถ้วนด้วยรำไฟฉายแล้วเงยหน้าขึ้นกราดไฟส่องผ่านไปรอบๆ บ, บุญคำและเกิดก็ส่องกราดอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่เป็นสุขนักคืนนี้ถ้าไม่ใช่ควายก็คงจะเป็นลูกหาบของเราเกิดพึมพำมันไม่ได้หิวมันไม่ต้องการอาหารแต่มันต้องการชีวิต ผีที่ลงมาแรงเหลือเกินเสียงบุญคำสะบดสาบแช่งอยู่ในลำคอพระพินยอมรับกับตนเองว่าเริ่มเต็มไปด้วยความหนักใจอย่างไรพิกลหลักฐานที่เห็นอยู่นี้มันบอกให้ทราบอย่ว่าเจ้าเสือร้ายแสนรู้สะกดติดตามคณะเดินทางของเขามาตลอดระยะด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดผิดวิสัยสามัญสัตว์คณะเดินทางของเขาใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกเจชั่วโมงนับตั้งแต่ออกจากหนองน้าแห้ง ผ่านหลายทุ่งหลายดงกินระยะทางไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรตลอดระยะเวลาและระยะทางอันยาวไกลนี้เจ้าสมิงร้ายวนเวียนดักหน้าดักหลังมาทุกระยะโดยไม่ยอมเบนเข็มไปทางอื่นมันย่อมส่อเจตนาร้ายอยู่ชัดแจ้งในชีวิตจอมพรานอย่างเขาเคยไปนกับเสือมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งวิธีจับเป็นและจับตายเขาสามารถจะรู้สัญชาตญาณและจำแนนิสัยถูกว่าเสือธรรมดาเป็นอย่างไร และเสือที่กินคนมันร้ายแค่ไหนแต่ในบรรดาเสือกินคนที่ถือกันว่าร้ายกาจยิ่งนั้นก็ไม่เคยรอดมือเขาไปได้เลยแม้แต่สักตัวเดียวอย่างเก่งก็ไม่เกินสองอาทิตย์เป็นต้องได้ตัวเทาว่าไอ้กุศตัวนี้มันผิดไปกว่าเสือกินคนทุกตัวที่เขาเคยพบมาแล้วมันฉลาดรู้ทันไปหมดทุกอย่างราวกับจะมีวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงสมตามที่ผ่านป่าล่าลือการเฝ้าติดตามขณะเดินป่า ในการควบคุมของเขามาอย่างเงียบกริบของมันประหนึ่งว่าจะมีมันสมองชั่วร้ายและเชราเฉลียวคอยบงการจะให้เข้าใจว่าอย่างไรจริงอย่างที่บุญคําพูดมันไม่ได้หิวและมันก็ไม่ต้องการอาหารแต่มันต้องการรอโอกาสที่จะเอาชีวิตไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งตามแต่จังหวะอันเป็นนิสัยของมันซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่นิ้วของมันถูกลูกปืนของนายอัมพลตัดด้วนหายไป เปรียบไม่ผิดอะไรกับฆาตกรร้ายแห่งไพรกว้างลําพังตัวเขาเองและผ่านมือดีของเขาสี่คนระพินย่อมจะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยจนนิดเดียวซึ่งถ้าไม่คิดเสียว่าเขามีหน้าที่ในการนําทางและให้ความปลอดภัยแก่คณะนายจ้างในครั้งนี้ก็ยิ่งเป็นการดีเสียอีกที่เอกุดบังอาจแท่วผ่านกลายโฉมมให้เห็นแต่นี้เขาไม่มีโอกาสจะมุ่งหน้าจัดการกับมันได้ถนัดนักเพราะห่วงหน้าพะวงหลัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะนายจ้างและลูกหาบทั้งหลายในคุ้มครองเป็นที่ตั้งอีกทั้งยังจะต้องมุ่งอยู่ในการเดินทางรุดหน้าไอ้กุดมันจะต้องมีสัญชาตญาณพิเศษสามารถรู้ได้ว่าในคณะเดินทางนี้มีเหยื่อให้มันสังหารได้โดยง่ายอยู่เป็นจํานวนมากและคงจะต้องตามหาโอกาสอยู่ตลอดเวลามันเป็นการแน่นอนหรือเกินในข้อที่ว่าถ้ามันยังมาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่เช่นนี้ หากเขายังไม่สามารถจะกำจัดมนลงได้ก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งแน่ที่ตกเป็นหยื่ของมันไอ้กุดทำตัวเป็นอุปสรรคและศัตรูร้ายในการเดินทางของเขาเสร็แล้วถึงในขณะนี้ก็เหมือนกันระหว่างที่เขาบุญคำและเกิดกำลังมาสำรวจร่องรอยของมันระพินก็เชื่อว่าไอ้กุดคงยังไม่ได้หลบไปไหนไกลอาจซุ่มดูอยู่ในระยะใกล้ๆตามสัญชาตญาณสมิงร้ายของมัน เว้นไว้แต่ว่ามันฉลาดพอที่จะไม่จู่ออกมาเสี่ยงกับลูกปืนของพรานอย่างเขาเท่านั้นเสือผีสิงอย่างมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นภัยและอะไรเป็นเหยื่อไม่เช่นนั้นมันคงไม่รลบรอดเงื้อมือเขามาได้ถึงป่านนี้ระพินพัยวันหัวเราะหึห่ๆ อ, ออกมาจากลำคอเดินลุยน้ำสองไฟเข้าไปสำรวจที่ริมฝั่งแล้วก็พบรอยชัดอีกกลุ่มหนึ่งที่บริเวณพื้นแฉะในหมู่ต้นบอนที่ขึ้นรกทึบริมลำธาน เป็นรอยตีนของไอ้กุดทั้งสิ้นบุญคำได้เกิดตามเขากระชั้นชิดไปทุกระยะจอมพรานชวนคนของเขาลุยข้ามนมำทานไปยังฝั่งตรงข้ามตัวตาดูโดยรอบแล้วมาสํารวจตรงบริเวณที่พวกลุกหาบลอกหนังหมูป่ากวางและเลียงผาตลอดจนพวกเครื่องในทิ้งไว้มีร่องรอยของไอ้กุดมาเดินวนเวียนอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้แตะต้องกับอาหารอย่างดีเหล่านั้น คงมีแต่รอยแท็กกินของผู้อีเห็นและหมาป่าบ้างเล็กน้อยเท่านั้นและในขณะที่ศาสไฟไปรอบด้านก็ไม่ประสบกับตาสัตว์ชนิดใดในละแวกใกล้เคียงเลยป่าทั้งป่าสงัดเงียบเชียบมันหมายถึงว่าสัตว์เล็กเหล่านั้นเตลดิดหนีเปิดเปลมไปหมดสิน้นในการย่างกายเข้ามาของเจ้าสมิงร้ายเราตามมันมานานแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นฝ่ายตามเราบ้างแล้ว พรานใหญ่พูดเหมือนจะได้ดูเป็นเรื่องขบขันพร้อมกับหัวเราะแต่บุญคำกับเกิดหัวเราะไม่ออกเพียงแต่ยิ้มฝืดๆกาดไฟส่องไปมาโดยไม่ยอบอยู่นิ่งมันไม่ได้ตามเราหรอกครับแต่มันตามควายสิหกตัวลูกหาบสิบหกคนแล้วก็นายจ้างของเราอีกสามคนมันรู้ว่านั่นคือเหยื่อบุญคำตอบหางเสียงสะทานฟังไม่ออกว่าเป็นเพราะความหนาวเย็นหรือเพราะความสยองใจ ก็เหมือนกันนั่นแหละเรารับผิดชอบต่อชีวิตเหล่านั้นมึงเก่งจริงโผล่ออกมาเดี๋ยวนี้สิว่าไอ้กุดผีสางที่สิงมึงอยู่ก็เชิญยกขยงออกมาด้วยเกิดผู้เรืออร้อนสบถผษสวัสด์ออกมาดังๆเพราะมันเก่งนะสิเกิดมันถึงไม่โผล่ออกมาเดี๋ยวนี้ตามคำท้าของแกแต่มันจะโผล่ออกมาอีตอนที่แกไม่ได้ท้าและแกก็ไม่ทันรู้ตัวไปกับแค้มกันเถอะ รับรองว่าคืนนี้มันไม่เข้าไปใกล้แคมป์ของเราหรอกมันรู้แล้วว่าเรารู้ตัวเขาบอกเรียบๆแล้วก็เดินตัดลาธารกลับมายังแคมป์ซึ่งจันทร์กับเสรยเรอคอยอยู่เมื่อถึงก็สั่งให้พรานทั้งสี่ของเขาเติมฟืนในกองไฟที่สุมไว้โดยรอบซึ่งขณะนี้กําลังจะมอดให้ลุกโชดขึ้นอีกปลุกลูกหาปางกลุ่มที่นอนอยู่ในทิศทางอันไม่น่าจะปลอดภัยให้เปลี่ยนที่นอนใหม่โดยไม่จําเป็นจะต้องบอกเหตุผลให้ทราบ ซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจซักถามอะไรนะักเมื่อตื่นขึ้นมาและรู้ว่าเป็นคําสั่งของพรานใหญ่ก็จัดที่นอนใหม่ก็ปฏิบัติตามแล้วก็ล้มตัวกันลงนอนหลับต่อไปพระพินเรียกบุญคําจันท์เกิดและเสยเข้ามากระซิบสั่งความอย่าแพร่งพรายบอกอะไรกับพวกลูกหาบและนายจ้างของเราทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอย่างเด็ดขาดมันจะทําให้เกิดการขวัญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกหาบเหล่านั้น และพรุ่งนี้บุญคําสั่งเตือนพวกลูกหาบทุกคนไว้แม้จะเป็นเวลากลางวันก็อย่าให้ลูก ห, กหาบคนไหนเดินเที่ยวคนเดียวออกไปห่างบริเวณแคมป์นักแล้วจะนายจะเอายังไงครับไอ้กุดมันตามสะกดวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราอย่างนี้บุญคําผู้อาวุโสกว่าทุกคนถามขึ้นเบาๆก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยสิอย่า เ, าเผลอถ้ามันยังเฝ้าตามอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่สองทางเท่านั้นไม่มันก็พวกเรา พวกนายจ้างเราพอจะช่วยกันคุ้มกันได้แต่พวกลูกหาบมันอยู่ที่ว่าใครจะเคร่งครัดปฏิบัติตามคำสั่งหรือใครจะฝ่าฝืนถ้ามันเชื่อฟังเราก็คงไม่เป็นอะไรพรุ่งนี้เรียกหัวหน้าลูกหาบมาสั่งให้เขากำชับพวกเขาให้ดีอย่าลืมละ่ะไม่ต้องบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกแต่เพียงว่าป่านี้ไม่ปลอดภัยนะักเจ้านายคิดจะเล่นมันให้อยู่ไหมครับหรือจะเพียงแต่เตรียมป้องกันอย่างเดียวเท่านั้น ความจริงเราก็แกะรอยมันมานานแล้วปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายกับคนอื่นก็ต้องแล้วแต่โอกาสอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเราต้องปิดบาิตามคำสั่งของนายจ้างเกี่ยวกับการเดินทางและการนำเที่ยวเราไม่มีเวลาที่จะหันไปจัดการกับมันได้โดยเฉพาะและเราก็ไม่ต้องการบอกให้พวกนายจ้างของเรารู้เราอาจให้เขารู้เรื่องเสือมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้แคมป์คืนนี้ได้แต่จะให้รู้ไม่ได้เป็นอันขาดว่า เสือตัวนี้กินคนมาแล้ว13ศพและเป็นเสือตัวที่เรากําลังตามล่ามันอยู่แล้วเขาก็ไล่คนเหล่านั้นให้ไปหลับนอนโดยเหลือไว้แต่คนที่มีหน้าที่เฝ้ายามและเติมเชื้อไฟตนเองเดินตรงเข้าไปที่หน้าเต็นท์อันมีแง่ทายนั่งคุมผ้าอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟแสงไฟวอมแวมสาด จ, จับเป็นเงาตะคุ่มเหมือนภาปั้นแกจะนอนหรือไม่ไม่สําคัญแง่ทายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ อย่าให้ไฟหน้าเต็นต์กองนี้มอดเป็นอันขาดแต่ผู้กองก็รู้ดีไม่ใช่หรือครับว่าไฟจะมอดหรือไม่ไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่ว่าคนจะหลับหรือไม่เท่านั้นสําหรับเสือกินคนนี่แกเห็นจะรู้อีกแร้วสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบๆแคมป์ของเราระหว่างที่ท่านและพลานของท่านทั้งหมดนําพวกเจ้านายไปล่าเลียงผาเมื่อบ่ายผมลอกหนังหมูป่าอยู่ริมทา น, น้ํา ผมเห็นมันในดงต้นบอล ร, รอยที่มันย่ำไว้เล็บตีนข้างหนึ่งขาดหายไปใหญ่มากระพินอึง้งจ้องหน้าหนุ่มชาวดงผู้พเนจรบัดนี้ของมั่นใจแล้วว่าเจ้าหนุ่มแงซายมีสายตาและประสาทสัมผัสในเรื่องของป่าเฉียบไวแค่ไหนหมอทันและพร้อมต่อเหตุการณ์ทุกชนิดไม่ได้ด้อยไปกว่าจอมพานอย่างเขาเลยแกไม่ได้บอกฉันรู้เลยแม้แต่นิดเดียว ผมไม่บังอาจผมรู้ว่าพลานใหญ่อย่างท่านย่อมจะต้องรู้ดีกว่าผมพวกลูกหาบของเราเห็นด้วยหรือเปล่าพวกนั้นกำลังคุยเล่นกันอยู่ไม่มีใครสนใจทำไมแกไม่ยิงแง่าสายยิ้มนิดหนึ่งแบมือใหญ่แข็งแรงทั้งสองออกไปอังผิวไฟมันไวและรู้มากผมยิงมันไม่ทันเพียงแต่ไหวตัวมันก็หลบแล้ว อีกประการหนึ่งถ้าผมไม่แน่ใจว่าจะยิงมันได้ผมจะไม่ยิงมันเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแกเคยรู้ข่าวมันมาก่อนบ้างหรือเปล่าสำหรับไอตัวนี้ผมเคยได้ข่าวมาบ้างแต่ก็เพิ่งเห็นตัวและรอยของมันเป็นครั้งแรกพวกของท่านเองไม่ใช่หรือที่ยิงมันเจ็บไว้ก่อนเมื่อปีเศษมาแล้วแล้วพินนิ่งก้มลงหยิบกากาแฟที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมารินใส่คันเล็กๆยกขึ้นจิบ แง่สายกล่าวต่อมาเรื่องนี้ผมได้ข่าวมาท่านมีโอกาสที่จะฆ่ามันได้แล้วแต่ท่านก็ให้เพื่อนของท่านคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเขายิงมันเจ็บแทนที่จะตายมันก็เลยร้ายยิ่งขึ้นถ้าครั้งนั้นท่านเหนียวไกปืนเสียเองอีกหลายๆคนก็คงจะไม่ตายเพราะมันในเวลาต่อมาและท่านก็คงไม่ลำบากใจจนถึงเพียงนี้เสือยิ่งเจ็บยิ่งฆ่าคนได้มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งดุร้ายขึ้นเพียงนั้นเหมือนผีสิงมันจะจ้องกวนคนไปจนกว่ามันจะตายคณะเดินทางของเราอาจไม่ปลอดภัยนักลำพังตัวท่านและพรานสี่คนของท่านไม่ไกลนักหรอกแต่พวกลูกหาบส6คนและเจ้านายอีกสามคนเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องหนักใจยกเว้นแต่ท่านจะฆ่ามันได้เสียก่อนแกรู้อะไรได้ละเอียดและอ่านใจฉันออกทุกระยะทีเดียวนะแง่ทรายฉันวิตกกังวลในเรื่องแก เสียยิ่งกว่าไอเสือสมิงตัวนั้นเสียอีกอีกครั้งหนึ่งที่ผมขอปฏิญาณว่าผมไม่ได้เป็นภัยใดๆต่อท่านหรือคณะเดินทางของท่านเลยแกรู้เรื่องเสือตัวนี้ก็ดีแล้วฉันอยากจะขอร้องแกอย่าพูดอะไรให้คณะเจ้านายและพวกลูกหาบของเรารู้คาสั่งทุกชนิดของท่านในการเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผมเคารพดีมากแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกรู้หรือเห็นอะไรผิดปกติในระหว่างการเดินทางของเราอย่านิ่งอมพนามเงียบเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนอย่างที่แกปฏิบัติมาแล้วแต่จงบอกให้ฉันรู้ในทันทีมิฉะนั้นฉันจะพิจญาว่าแกมีแผนการร้ายต่อคณะเดินทางของเราแง่าสายไม่ตอบแต่เงยขึ้นยิ้มอวดฟันสองแถวแล้วหินจ้องใบหน้านั้นอยู่อีกอึดใจก็พะไปยังหงุดหงิด คืนนั้นผ่านไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าขึ้นคณะนายจ้างทั้งสามตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกับปีก้กระเป๋าก่อนตะ ว, วันจะขึ้นเล็กน้อยพรานใหญ่ออกเดินสำรวจร่องรอยในละแวกใกล้เคียงกับแคมป์ที่พังอีกครั้งในเวลาใกล้รุ่งพอกลับมาถึงแคมป์ก็เห็นหม่อมราชวงศ์ดารินแต่งตัวงามเก๋ตามเคยคนชุดกับเมื่อวานมือถือปืนรุกกดยาวแม็กนัมกระบอกกระทัดรัด เดินเกร์ออกไปนอกบริเวณแคมป์คนเดียวสวนกับเขาพอดีหล่อนทำท่าเหมือนจะไม่เห็นเขาเดินหลีกทางจะเข้าดงแต่ระพินพูดเข้าไปสกัดหน้าอย่างกระทันหันสีหน้าของเขาเคร่งเครือมเสียงที่พูดเกือบจะไม่มีหางเสียงนั่นจะไปไหนดาดินหันมาทางเขาช้าช้าวางปืนพิงผงไม้ดิ่มทางแล้วยกมือขึ้นเท้าเอวมองตั้งแต่ศีษะจรดเท้าของเขาสลับกันสองสามครั้ง ขอโทษคุณเป็นลูกจ้างชนิดไหนไม่ทราบเวลาพูดกับนายจ้างถึงวางอำนาจอย่างนี้เอมันชักจะบ่อยครั้งเข้าจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วหรือนี่ขอโทษผมเองก็ไม่เคยมีนายจ้างซึ่งเป็นสุภาพสตรีที่ตามใจตัวเองเสียจนเคยตัวมาก่อนแม้กระทั่งเวลาอยู่กลางป่าเชน่นนี้คุณหญิงยังไม่ได้ตอบผมว่าจะไปไหนดิฉันอยากจะออกไปเดินเที่ยวหน่อยเจ้าค่ะท่านในพาน หญิงสาบีบเสียงประชดจอมพรานไม่สนใจกับท่าทีเยอะเย้ยนั้นพูดท่วนๆต่อมาทำไมคุณหญิงไม่บอกให้ผมรู้ก่อนอยู่ไม่อยู่ก็เดินออกมาอย่างนี้ถ้างั้นดิฉันก็เลยขอกราบเรียนประธานอนุญาตจากท่านสิทธิ์ด้วยนะจ๊ะคะหล่อนเน้นกระแทกเสียงระพินโครงหัวช้าๆส่งจุดสามเจห้าที่ถืออยู่ในมือไปให้บุญคำ พรานพื้นเมืองของเขาที่ยืนอยู่ใกล้ๆออกคําสั่งให้ทําหน้าที่เดินคุ้มกันหญิงสาวแล้วหันมาทางน้องสาวคนสวยหัวร้านของนายจ้างผู้ตําๆเอาละคุณหญิงจะเดินเที่ยวก็ได้แต่จะต้องมีพรานไปด้วยโปรดทราบไว้ให้ท่องแท้เสียทีว่าที่นี่ไม่ใช่สวนสัตว์ไม่ใช่พาร์คสำหรับเดินหย่อนใจแล้วก็ไม่ใช่ถนนราชดําเนินกล่าวขาดคําเขาก็หันหลังกลับเดินดุ่มๆใบหน้าจะกลับแคม คงทิ้งให้บุญคามยืนอยู่กับหญิงสาวเพียงสองคนแต่แล้วผ่านใหญ่ออกเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่เสียงปืนแผดระเบิดเปี้ยงมาจากเบื้องหลังหมวกที่ครอบอยู่บนศีรษะของเขากระเด็นลงไปตกอยู่กับพื้นพร้อมกับลมแรงที่พัดวูบผ่านเส้นผมเขากลั้นหายใจค่อยๆหมุนตัวกลับมาหม่อมราชวงศ์ดาลินยืนจังก้าถือปืนอยู่หัวเราะแรมตะโกนมานี่เนะมันใส้นะัก เมื่อไรจะเลิกสร้างสถานการณ์สร้างตัวเองให้เป็นคนสําคัญเกินกว่าเหตุเสียทีนะไปสิจะไปไหนก็ไปยังมาทํำยืนจ้องหน้าอยู่อีกระพินภัยวันก้าวเนิบๆกลับมาด้วยแววตาแข็งกระด้างหม่อมละชวงหญิงดาลินกระชากลูกขึ้นลํากล้องอีกครั้งเมื่อเขาเดินเข้ามาชิดก็ใช้ปากกระบอกปืนแย่อ ก, อกไว้ยิ้มดูดุอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างถ้าปืนกระบอกนี้มันลั่นเปรี้ยงขึ้นอีกครั้ง จอมพรานปัดปากบอกปืนเฉไปในพริบตานั้นพร้อมกับกระชากหลุดออกมาจากมือร่อนอย่างง่ายๆอะไรจะเกิดขึ้นน่ะหรคุณหญิงก็กลายเป็นฆาตกรไปด้วยความเย่อหยิ่งอวดดีเท่าเท่ากับที่คณะของคุณหญิงก็หลงป่าตายกันอยู่นี่เองน่ะสิจะขอเตือนให้ทราบไว้นักเล่นปืนที่ดีไม่ใช่สักดิ์แต่ว่าสามารถใช้อาวุธปืนได้ดีหรือยิงแม่นเป็นจับวางเท่านั้นจะต้องมีมารยาทในการใช้ปืนด้วย ไม่ใช่เอาปืนมาเล่นในลักษณะเช่นนี้นี่ดีว่าคุณหญิงเป็นน้องสาวของคุณชายเชษฐาผู้เป็นนายจ้างของผมนะถ้าเป็นคนอื่นต่อให้โฉมงามหยาดฟ้าราวันสักขนาดไหนถ้าทำกับผมอย่างนี้ผมจะไม่สั่งสอนเพียงแค่คำพูดเท่านั้นน้ำเสียงของเขาห้วนกว่าทุกครั้งที่หลอนได้ยินอ๋อจะทำอะไรกับฉันก็เชิญเชิญเลยหลอนท้ายืดอกตา ง, งานขึ้นและปินหัวราหึ อ, ห อ, อยู่ในลาคอ โยนปืนคืนไปให้ไม่กล่าวเช่นไรอีกเดินพระมาพอถึงตำแหน่งที่หมวกถูกยิงตกอยู่ก็ก้มหยิบขึ้นมาสะบัดฝุ่นเสียงตะโกนเจ้าเจ้าของดาลินดังมาอีกว่าปืนมันกินสูงไปหน่อยความจริงกะให้เจาะขอมองนะ่ะมันพลาดไปถูกหมวกพรานใหญ่ไม่ได้โต้ตอบหรือหันกลับมามองใดๆทั้งสิน้นคว้าหมวกคลอบัวแล้วสาวเท้าดุ่มดุมแยกไปโดยเร็ว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 แพินกลับมาถึงแคมป์เป็นเวลาที่พวกลูกหาบทั้งหลายกําลังสารวนอยู่กับการหุงหาเชิฐาและชายยานเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นเวลากลางวันเรียบร้อยแล้วเดินสูบกล้องออกมาจากเต็นท์พอดีพอเห็นเขาก็โบกมือทักแล้เดินเข้ามาตอนช้ามืดผมออกมาเดินไม่เห็นคุณไงทรายบอกว่าคุณออกไปสำรวจป่าเชิดาว่าเดินเข้ามาตบไหล่เขาอย่างสนิทสนมครับผมเดินอยู่ใกล้ๆนี้เอง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 ผมทานเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นเวลามันชินสิแล้วในเวลาเดินป่าเป็นไงครับนอนหลับดีหรือเปล่าสบายมากรวดเดียวตัวันขึ้นเลยถ้าช้างมันบุกก็คงไม่รู้สึกตัวว่าแต่เมื่อกี้คุณเดินสวนกับน้อยหรือเปล่าเห็นพอกินเสร็จก็จัดแจงคว้าปืนบอกว่าจะออกไปเดินใกล้ๆให้รอสักประเดี๋ยก็ไม่ยอมพบการปากทางนี่เองครับเห็นบอกว่าจะไปหาไก่ป่าและพินตอบเรียบ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 แต่ชอบอวดเก่งชายยานพูดมาอีกคนหนึ่งแล้วก็กล่าวปนหัวเราะต่อมาว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงปืนคงจะซัดไก่ป่าหรือไม่ก็นกเข้าสักตัวแล้วก็มังยิงยอดไม้เล่นตามภาษาเด็กมือคันมากกว่าพี่ชายผู้รู้อุปนิสัยของน้องสาวดีแย้งมาแต่ละพินกลืนน้ำลายฝืดๆเกือบจะหลุดปากออกมาแล้วว่า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 ผมจะกลับในราวสักสิบเอโมงครับระยะเวลาระหว่างนี้อยากจะให้พักผ่อนอมแรงไว้เพราะก่อนจะไปนั่งห้างก็ต้องเดินกันเหนื่อยเหมือนกันตกลงเราจะรอคุณอยู่ที่นี่แหละไม่ถลายไปไหนหรอกอ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องคุณชายก็คือสีหน้าของรพินเคร่งลงเรื่องคุณหญิงดาลินครับกรุานาเตือนหน่อยอย่าให้เธอเดินเที่ยวออกไปนอกบริเวณแคมป์ของเรา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 บงการให้บุญคำนำไปจัดการถอนขนแล้วหันมาทางหม่อมราชวงศ์เชิดถาถามเป่อยๆอิตาพานภัยเป็นไหนแล้วนี่ไม่เห็นรับหินนะเหรอเขาไปเตรียมขัดห้างให้เรายิงกวางตอนบ่ายนี่เดี๋ยวก็คงมาทําไมหล่อนควักภชี น, น่าออกมาซาบเหงื่อแล้วโบกสะบัดไล่ความร้อนทําตาป ร, ป ร, รับลาดเหลือกเมื่อเช้านี้เกิดเรื่องกับน้อยรู้ไหมคะถ้าไม่คิดว่าจะต้องไปตามพี่กลางแล้วต้องอาศัยต่นี่เสียอย่างเดียว น้อยต้องบอกให้พี่ใหญ่ไล่ออกจากการเป็นลูกจ้างแน่ๆเรื่องอะไรกันอีกล่ะพี่ชายถามเสียงต่ำๆขมวดคิ้วก็มีอย่างหรือคะเห็นน้อยเดินออกไปนอกแคมป์นิดเดียวเข้ามาตะคองเอาตะวาดเอาพูดจาจะหาสัมมาคารวะสักนิดก็ไม่มีป่าเถื่อนสิจริงๆนี่น่ะเหรอคนได้รับการศึกษาดีมาแล้วดูทีเหมือนไอ้โจรป่าหม่อมราชวงเชืาจุปากเบาๆ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 เห็นแต่เพียงพวกลูกหาบนั่งนอนเล่นกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ก, ก็เดินตรงไปที่เต็นท์เห็นแง่สรา ย, ายกำลังนั่งชาระล้างปืนของหม่อมละชวงดาลินอยู่หน้าเต็นท์นายผู้ชายสองคนอยู่ไหนนอนอ่านหนังสืออยู่ในเต็นท์ครับแล้วนายผู้หญิงละ่ะกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอครับกลับมาแล้วอยู่ข้างในแง่าสายส่ายหัวไม่อยู่ครับนายหญิงไปอาบน้าที่ทานข้างล่างโน่น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 ระพีนไม่ได้กล่าวอะไรอีกแม้แต่คําเดียวขว้าไรลเฟิ่อที่เพิ่งจะวางลงยกยกขึ้นมาแล้วสาวท้าพรวดพวดตัดทางเดินลงไปสู่ดําทานเบื้องล่างโดยเร็วเมื่อก้าวลงมาถึงดําทานอันอุดมไปด้วยกวดและโขดหินที่งอกอยู่ระเกศแะกะจอมพ่านกาดสายตาอย่างรวดเร็วในบริเวณทานน้ำเขาไม่เห็นอะไรในอาการกวาดตาผ่านอย่างคล้าวคล้าวนั้นเพราะตําแหน่งนั้นสลับซับซ้อนไปด้วยก้อนหินใหญ่และก่อไม้น้ํา สงัดเงียบวังเวงได้ยินแต่เสียงนกร้องและน้ําที่ไหลซอกเก่งหินอยู่ดินดินหันมาตรวจบริเวณริมฝั่งทางด้านขวามือก็มาสะดุดชงักอยู่ที่โขดหินเกลี้ยงก้อนหนึ่งใต้ลมพยาใสยใหญ่เสื้อผ้ากองหนึ่งวางอยู่ที่นั่นรับยินกระโดดสองสามครั้งก็ถึงหินก้อนนั้นเสื้อเชิ้ตกางเกงเข็มขัดปืนสัน้นบูทวางกองรวมกันอยู่ที่นั่นร้ายกาจที่สุดก็คือซับในทั้งสองชิ้นวางซ้อนอยู่เบื้องบน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 จอมพรานใช้แขนปาดหญิงสาวไปไว้ข้างหลังร้องสั่งเร็วปื้ไปหลบอยู่หลังไซใหญ่นโนนเร็วหล่อนวิ่งแจ่นเข้าไปที่ไซต้นนั้นนางช้างพางตรงปลาดมาถึงริมน้ําก็หมุนตัวหันรีหันขวางและชูงวงส่งเสียงร้องกล้องอยู่เช่นนั้นและพินยืนขวางหน้าดักอยู่ส่วนกลางของลาธารจ้องตามไม่กระพริบขยับปืนเตรียมพร้อมเดี๋ยวนี้เขาพอจะเดาต้นเหตุถูกแล้ว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 ก็แล้วทำไมคุณหญิงถึงไม่สวมเสียให้เรียบร้อยบ้าฉันจะออกไปเอาได้ยังไงเสื้อผ้ากองอยู่ทางโน้นก็นั่นนะสีผมถึงบอกว่าให้ผมไปเสียก่อนยังไปไม่ได้เฮ่จะเอาอยัางไงกันแน่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้คุณไปเอาเสื้อผ้าไหมฉันเซกแกล้งโยอยู่ได้คนผีทะเลอะไรย่างงี้ก็ไม่รู้ถ้าจะเป็นผีก็ผีป่าไม่ใช่ผีทะเล เสียงเต้นสอยเท้าอย่างแสนจะขัด อ, อกขัดใจอยู่หลังโคนต้นไทรพร้อมกับร้องกรีดออกมาดังๆแล้วปีนสะดุ้งโยงต้องยอมจำนวนเดินบนพึมพผามเข้าไปหอบเสื้อผ้าของหญิงสาวที่ถอดกองไว้นํามาทําเป็นถือเก้ะก๊กลางๆอยู่ที่โคนต้นไทรไม่ต้องโผล่เข้ามานะดารินร้องเสียงลงอ้าวแล้วจะส่งให้ยังไงวางไว้ที่ก้อนหินนั่นแหละแล้วกลับหลังหันเดินออกไป19 ย่าหันกลับมาจนกว่าฉันจะเรียกคุณรพีนเป่าลมภูออกจากปากวางเสื้อผ้าไว้ให้ร้อนแล้วถอยออกไปยืนหันหลังให้มีเสียงเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังอึดใจใหญ่ๆก็มีเสียงรองเท้าย่ํากรวดเข้ามาใกล้เรียบร้อยแล้วอย่างละ่ะไม่มีเสียงตอบจอมพรานเหลียวกลับมาก็เห็นหม่อมลักชัวร์หญิงคนสวยแต่งกายเรียบร้อยแล้วกําลังคาดเข็มขัดปืนสั้นอยู่พอประจันหน้า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 ในระยะประชิดแค่นั้นถ้ามันจู่เข้ามาคุณจะร้มมันทันก่อนที่มันจะทําอันตรายคุณการยิงช้างที่ถูกหลักที่สุดก็คือการยิงอย่างเผากลนและยิงเข้าจุดสําคัญยิงเข้าใกล้ได้เท่าไหร่ความแม่นยําและความักการของบาทแผลก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเว้นไว้แต่คนยิงจะไม่กล้าเข้าใกล้เองเท่านั้นมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าผิดที่แต่สําหรับผมชินเสียแล้วยิงใกล้เป็นได้ตัวทุกที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 เสียงร้องของช้างแม่ลูกอ่อนที่โผล่ออกมาจากฝั่งตรงข้ามเมื่อครู่นี้จึงไม่ดังมาถึงผู้ที่อยู่ในแคมป์และไม่มีใครรู้ว่าเกือบจะเกิดเรื่องสยดสยองอะไรขึ้นเมื่ออึดใจที่แล้วเมื่อเห็นดาลินเดินอ้าวขึ้นมาและเห็นระพินเดินตามมาเบื้องหลังทุกคนก็เข้าใจว่าเขาไปตามดาลินขึ้นมาจากลำธานโดยไม่ได้เกิดอะไรผิดปกติขึ้นอาหารที่ยงมื้อนั้นระพินร่วมรับประทานพร้อมกับคณะของนายจ้าง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 เป็นไงพบลอยวัวแดงบ้างไหมช้ยยันถามยิ้มย่องอย่างกระตือรรน้นก็รู้สึกว่าจะพอมีหวังครับแต่ผมไม่กล้ารับรองแน่นอนถ้าคุณชยันนึกสนุกผมก็จะพาไปแต่ต้องเดินไกลหน่อยนะครับต้องอ้อมไปทางหลังเขาโลนเดินร่วมๆสองชั่วโมงว่ายัางไงลองตามรอยวัวดูไหมช้ยยันหันมาปรึกษาเชษฐาอดีตในพันโททูทหารบกสันศีษะ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 หรือถ้าผมช้าผิดปกตินักขี้เกียจจะรอจะให้พรานนำกลับแคมป์ก่อนก็ได้เชษฐาตัดสินพอเสร็จเวลาอาหารทุกคนก็เตรียมตัวอย่างรวดเร็วชายยานผู้กระเฮียนกระหายจะแกะรอยวัวแดงคว้าเอาจุด375 S&S ็ดห้าแกนแบบศูนย์เปิดของ FN เชษฐาถือจุด3006มันลิเกอร์กระบอกที่เตรียมไว้ก่อนแล้ว ส่วนดาลินเลือกเอาจุดวินเชสเตอร์ประจำมือกระบอกเดิมของหลอนจอมพรานเตือนให้คณะนายจ้างทั้งสาของเขานำฝีชายได้แจ็กเก็ตกันหนาวติดตัวเผื่อไปด้วยโดยให้เหตุผลว่าการเดินทางกลับอาจเป็นเวลากลางคืนนอกจากคณะนายจ้างสาคนแล้วคนที่รบพินจะเอาไปด้วยก็คือบุญคำกับจันและลูกหาบแข็งแรงที่เลือกแล้วสองคน ส่วนเกิดกับเซย์ได้รับคําสั่งให้ควบคุมเฝ้าแคมป์และจัดหุงหาอาหารเย็นเตรียมไว้เมื่อทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทางชา ย, ยันเหลือไปเห็นแง่ทรายหอบฟืนนำมากองไว้สำหรับเพื่อที่จะใช้สุมหน้าเต็นท์ในเวลากลางคืนเขาก็พยักหน้าเรียกยิ้มยิ้มแง่ทรายเดินตรงเข้ามาเราจะไปดูรอยวัวแกจะไปด้วยไหมไงทรายชา ย, ยันชวนอย่างอารมณ์ดี หนุ่มชาวโดงนักพาเนจรผู้มาสมัครเป็นคนใช้ของคณะเดินป่ายิ้มยิงฟันหันไปมองดูเชิฐถาอดีตในพันโทหัวหน้าคณะเดินป่าก็กล่าวชวนมาอีกคนหนึ่งแต่แงซ า, ย, า ย, ยังรีรออึกอักชายตาชเรืองไปทางระพินผู้มองดูอยู่เงียบเงียบเหมือนจะรอขออนุ ญ, ญาตอีกคนหนึ่งอาการนี้คณะนายจ้างทั้งสามไม่ได้ฉเฉลียวคิดแต่จอมพรานย่อมจะรู้ทันและเข้าใจดีไปด้วยการแงซาย ระพินเอ่ยปากต่ำๆแง่าสายไม่ปิดปากพูดคำใดเดินไปที่ปืนคู่มือซึ่งวางอยู่หน้าเต็นท์ช่วยติดมือแล้วก็ออกเดินตามหลังมาอย่างสงบระพินออกนำตัดทางเข้าไปในดงประมาณ20นาทีก็ทะลุออกบริเวณป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าคามาถึงห้างแห่งแรกที่ขัดไว้บนซุ้มไผ่คู่ชัยภูมิเหมาะเพราะบริเวณนั้นเต็มไปด้วยดอกมะข่าโมงและลูกมหาที่หล่นอยู่เกลื่อนกาด เป็นอาหารโปรดของเก้งกวางมีรอยใหม่ๆย่ำไว้เปรอะไปหมดเขากำหนดให้ดารินขึ้นประจำห้างนี้โดยให้บุญคำนั่งเป็นเพื่อนด้วยหล่อนไม่ได้โต้เถียงหรือขัดแย้งอะไรเหมือนเคยจัดแจงปีนบันไดที่ทำไว้ขึ้นไปโดยดีบุญคำาต่าตามขึ้นไปทีหลังพี่ชายกำชับน้องสาวให้ปฏิบัติตามคำตักเตือนแนะนาของพรานผู้คุ้มกันและละพินก็สั่งอะไรบุญคาอยู่สองสามคำ แล้วก็นำเชษฐากับชายยันอ่อเดินต่อไปโดยวกเข้าดงทึบอีกครั้งอาศัยเดินไปตามด่านสัตว์ซึ่งกลาดเกลื่อนไปด้วยขี้ช้างทั้งเก่าและใหม่ชนิดหลีกแทบไม่พ้นแง่ทายคงเดินเป็นคนรังท้ายตามเคยสำหรับเชษฐากับชายยันเมื่อมาเดินอยู่ในดงเคียงคู่ระพินยอยู่เช่นนี้จึงสังเกตเห็นได้ ช, ชัดว่าจอมพรานเดินในคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็วอย่างประหลาดชนิดที่เล่งฝีเท้าแทบจะไม่ทัน ทุกีก้าวย่างของเขาได้ระดับสม่ำเสมอได้เบากริบอย่างน่าอัศจรรย์และยิ่งเดินก็ดูเหมือนจะยิ่งเร็วขึ้นทุกขณะผิดกับเชษฐาและชายยันซึ่งเริ่มจะล้าลงเป็นลำดับเท้าย่างสุบๆไปตาก็กลาดไปรอบด้านอาจหยุดชะ ง, งักเล็กน้อยเหมือนจะคเนทิตหรือสำรวจทางเพื่อตัดสินใจแล้วก็ออกเดินนาต่อไปไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขามีที่หมายหรือข้อสังเกตยอย่างไรในการเดิน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 ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเห็นรพินดูอยู่สทางเท่านั้นคือซ้ายขวาสูงต่ำแล้วก็พาเราจำอ้าวสําหรับเราต่อยพาเดินอย่างนี้สักสิบเที่ยวแล้วให้เดินมาเองก็หลงแงแงรพินเดินด้วยสัญชาตญาณความเคยชินและประสาทสัมผัสเขาอาจมีวิธีสังเกต จ, จดจําตามวิธีของเขาซึ่งถึงจะบอกเรายังไงเราก็ไม่มีทางจะเข้าใจพรานทุกคนก็อย่างนี้แหละไม่งั้นเขาจะมีอาชีพเป็นพรานอยู่ได้หรือ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 และในจ้างทั้งสองก็มัวผงคงที่จะเล่นฝีเท้าให้อยู่ในระดับเดียวกันพอมาถึงไม้ต้นใหญ่ที่ล้มขวางทางอยู่และเบื้องหน้าเป็นพงทึบด่านสัตว์ที่เดินมาดูเหมือนจะหมดทางสะดุดชะงักอยู่เพียงแค่นั้นจอมผ่านก็เลี้ยวซ้ายบุกพงขึ้นไปบนบริเวณนเนินอันมีลักษณะเหมือนเชิงเขาทางเริ่มชันและเดินลาบากขึ้นต้องไปในลักษณะเรียงเดียวเขานาอยู่เบื้องหน้าถัดมาก็ชยยันเชิฐา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 อะไรเชษฐาผู้เลี้ยงอยู่เป็นคนที่สามร้องออกมาเบาๆกราดสายตาขึ้นไปพรานใหญ่ไม่ตอบแต่ชี้มือครั้นแล้วทั้งหมดก็มองเห็นเป้าหมายการชี้พร้อมกันในบตดนั้นบนกิ่งไม้เอ็นเตี้ยๆเหนือจากระดับของรพีนขึ้นไปไม่เกินห้าเมตรงูรามตัวขนาดหน้าแข้งเขื่อนๆพันอยู่กับกิ่งไม้ต้นนั้นห้อยหัวลงมายาวหนึ่งช่วงแขนตาของมันเพ่งจับนิ่งมายังคนทั้งหมด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 แกรู้วิธีเจัดการณ์กับมันไม่ใช่หรือแงซายคําพูดและอาการของรปินที่โยนมีดสั้นของเขามาให้แงซายไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายได้แต่ทุกคนเห็นอดีตนายทหารกองโจนกรเหลียงก้มลงหยิบมีดโบวี้ของรปินขึ้นเดาะตะวัดกลับเปลี่ยนจากการจับด้ามมาเป็นจับทางปลายมีดไว้หน่วงขึ้นลงเหมือนจะคะเนหาน้ําหนักปากก็บอกมาห้าวว่าผู้กองหลบหัวลงหน่อย ระพินแนบศีรษะลงกับรากไม้ที่เกาะอยู่ในทันทีนั้นเชิดากับชา ย, ยันตะแคงหน้าลงไปชำเรืองดูก็เห็นแง่ท า, ายเงื้อมีดที่ถืออยู่ในมือสุดแขนและเหวี่ยงหือขึ้นไปในพริบตานั้นเสียงมีดสั้นตัดอากาศผ่านศีรษะของทุกคนไปแล้วก็มีเสียงดังควับทั้งโงบหมดโงบหัวเงยขึ้นแล้วจ้องตะลึงยกเว้นระพินเพียงคนเดียวที่อยู่ในอาการเฉยเฉยเป็นปกติ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 ดวงตะวันสองรอดใบไม้ลงมาได้เพียงรางๆเท่านั้นห้างที่ถูกขัดไว้บนกิ่งไม้เหนือชะงอนหินที่ล้ําออกไปอยู่กลางหนองนั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดูน่ากลัวกว่าห้างที่ดารินขึ้นนั่งมากนักเพราะอยู่ในหุบกลางดงทึบซึ่งรพินก็เลือกไว้เหมาะสมแล้วในการที่จะกำหนดให้เชษฐาเป็นคนนั่งเพราะห้างนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างหม่อมราชวงศ์ดารินแน่ๆ เชษฐาและชายยันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นก็ไม่แน่นักว่าอะไรที่มันหน้าดูกับกางจะผ่านไม่เห็นหรือเปล่าชายยันคลางออกมาขณะที่ก้มลงสำรวจรอยที่ย่าอยู่เปลเหล่านั้นเชษฐามองดูห้างนั้นอย่างพอใจถ้ารู้แน่นอนว่าคุณจะแวะกลับมารับอย่างนี้แล้วก็ผมขึ้นนั่งคนเดียวก็ได้เขาหันมาบอกกับจอมพราน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 ด้านหลังเขาล้นแล้วครับเขาบอกและชี้ให้ดูรอยกีบวัวที่เริ่มจะมองเห็นประปรายและกองมูลที่ถ่ายไว้สดๆไม่ทันจะข้ามวันมานี้เองเดียวเดียวของระพินก็คือระยะทางที่ชายยันแอบบ่นกับตนเองว่าเดินเสียสะบ้าทแทบหลุดพวกลูกหาและแง่ท า, ายจะรู้สึกอย่างไรเขาไม่รู้แต่ก็เห็นแต่ละคนเดินตัวปลิวอยู่เหมือนเดิมอย่างคนที่เคยชินมาก่อนผ่านมาถึงอีกข้างหนึ่ง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 เป็นอันว่าทั้งหมดผ่านห้างนั้นมาระหว่างที่เดินเลียงสองกันอยู่ในห้วยแหง้งเสียงโครมคลามชนิดหนึ่งก็ดังออกมาจากป่าริมทางเป็นเสียงสัตว์เขื่องที่ตื่นวิ่งป่าราบไปในระยะกระชั้นชิดชา ย, ยันกวาดปืนตามทา ง, งทางที่ยังเห็นเป้าไม่ถนัดแต่ระพินใช้แขนเสยปากกระบอกปืนของช ย, ยันให้เงยสูงขึ้นเสียเป็นความหมายห้ามสมเสร็จนะครับ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 ถ้าเราไหวทันสิกรจากดงทึบเริ่มจะโปร่งขึ้นเป็นลำดับและระดับการเดินก็ดูเหมือนจะลาดเทลงสู่พื้นราบที่ต่ำมองเห็นเอื้องพึ่งเหลืองอารามอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่รอบด้านสับ ป, ปบไปหมดบรรยากาศร่มรื่นชุ่มฉ่ำเพราะใกล้ฐานน้ำซึ่งรับพินบอกให้ทราบว่าเป็นฐานสายเดียวกับที่ไหลผ่านแคมป์แต่อยู่เหนือขึ้นมาปัจจุบันทันดวนนั่นเอง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 ก่อนที่ชายยันหรืองแงสายจะทันเหนี่ยวกายจุดสามศในมือของเขาก็สแปร์สถานป่าหัวกระสุนซิลเวอร์ทิปน้ำหนัก200เกรัวิ่งเข้าทะลวงแสกหน้าของมันในขณะที่ควบเข้าใส่อย่างแม่นยำร่างใหญ่โตนั้นพลิกตีรังกา2ทอดแล้วฟุ๊ปนิ่งอยู่กับที่ทั้งฝูงและสัมและสายแล้วไอตัวใหญ่ๆอีกสอาตัวก็ปรีเข้ามาอีกอย่างไม่สะตกสทานกับเสียงปืนและภาพการวายปรานของเจ้าตัวแรก บัตรนั่นเองจุด375หและจุด4 4่ของชายยานกับแง่ทรายก็ระดมการแผดกึกก้องชนิดป่าแตกในขณะที่รพินกระชากลูกเลื่อสนสลัดปอกกระสุนก่าวทิ้งและตนเองเพ่นเข้าหาโคนไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งกระสุนแม็กนั่มของชายยานนักแรกตัดไหล่ของเจ้าตัวหนึ่งหักสะบั้นไปมันหมุนคว้างส่งเสียงร้องลั่นแล้วก็ตะกายแยกเขี้ยวเข้ามาอีก แง่สายก็ยิงตัวทางด้านขวามือลงไปดิ้นพลาดอยู่กับพื้นแล้วหันมาสกัดอีกตัวหนึ่งที่วิ่งล้ำหน้าใกล้เข้ามาที่สุดแต่ระพินระเบิดนัดที่สองของเขาทะลุซอกไหลร้อยพวงออกมาไปยังตะโพกด้านหลังซึ่งก็พอดีกับกระสุนจุด c c ศหัวตัดแบบโบราณของแง่าสายจับเปาะเข้าดังจมูกซ้ามันพงะผึงลงไปกองแผดเสียงร้องส น, นั่นตา ชายยันยิงอย่างมันมือระคนไปกับอาการตื่นเต้นจุดสามเจ็ดห้าของเขาไม่ได้เข้าจุดตายเหมือนระพิดหนืองแงซายที่ยิงออกไปแต่เนื่องมาจากอนุภาพของกระสุนที่หนักหน่วงและรุนแรงกว่ามันก็ไม่ผิดหวังนักซึ่งแม้จะไม่ล้มในทันทีแต่สองสามตัวก็ปัดเปะชักดิ้นชักงอไปด้วยแรงประทะขนาดสองตันครึ่งของไรเฟิลในมือเขาป่าทั้งป่าแตกคลืนราวกับจะเกิดสงครามขึ้น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 ดูเหมือนจะเจอะกระสุนเข้าไปทั้งสขนาดสถิติในการยิงทั้งหมดชัยันดันกระสุนออกไปมากที่สุดเพราะบรรจุ3าถึง2ชุดส่วนระพีนยิงออกไปเพียงสามนัดเท่านั้นเขาสั่งให้พวกลูกหาบและงแงสายช่วยกันลากซากหมีทั้ง4ตัวเข้ามากองรวมกันไว้ทางหนึ่งเราจะจัดการยังไงกับไอหมีพวกนี้ชัยยันถามเนื้อมันเห็นจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับ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 พอพอจะรู้ฝีมือและชั้นเชิญในการล่าสัตว์ของหม่อมราชวงศ์เชษฐาดีอยู่พอเดินเข้ามาใกล้ได้ระยะเขาก็ป้องปากกู่เรียกส่งเสียงเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดมีเสียงกู่ออกมาและผู้กู่ก็คือจันทร์พรานของเขาที่ให้นั่งเป็นเพื่อนเชษฐานั่นเองพรานใหญ่เล่องฝีเท้าขึ้นอีกเมื่อมาถึงทุกคนก็เห็นจากแสงขมุกขมัวนั้นว่าทั้งเชษฐาและจันทร์ขณะนี้ลงจากห้างแล้ว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 หลอนฟังอย่างสนุกและพลอยตื่นเต้นแต่ดูเหมือนไม่ได้หันมาทักทายหรือศบตา ก, กับพระพินยอยู่ตามเคยราวกับว่าไม่มีพรานใหญ่อยู่ร่วมด้วยในขณะนั้นเขารู้ดีหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยยังไม่หมดความกระดากอายในเรื่องเมื่อเที่ยงนี้เรื่องที่เปลือยร่างลงไปอาบน้ําในลาธารทะเลาะ ก, กับเขาแล้วช้างป่ามันไร่จนต้องกระโจนเข้ามาเกาะเขาทั้งๆ ท, ที่เปลือยเปล่าอยู่เช่นนั้นก็ดีเหมือนกันรัะพินคิด ระยะนี้หล่อนจะได้ไม่ต้องมาตอแยหาเรื่องรวนขอเหมือนเช่นเคยไมย่างาั้นพบหน้าใกล้ชิดกันทีไรเป็นต้องแขะทุกทีไปทั้งหมดเดินคุยกันตามสบายกลับมาถึงแคมป์เวลาสองทุ่มตรงพอดีเมื่อถึงละพินก็สั่งให้บุญคำเลีจาจานพร้อมกับลูกหาอีกสองคนนำเกวียนเด่มหนึ่งเดินทางย้อนกลับไปยังซ่าวัวแดงที่เชิาล้มไวเพื่อถลกหนังและชำระเนื้อบรรทุกกลับมา และสั่งให้จันทร์ย้อนไปยังซากหมีสตัวที่ถูกยิงเลยขึ้นไปอีกเล็กน้อยโดยอธิบายสถานที่ไว้ให้ทราบชัดซึ่งแน่ใจว่าจันคงจะไปพบโดยมิเสวิรามากนักเพราะชํานาญทางดีอยู่แล้วอาหารขําของคณะนายจ้างเกิดกับเสริยเตรียมไว้อย่างพร้อมสรรพแล้วภายหลังจากอาบน้ําและพักสนทนากันอยู่ครู่ก็นั่งประจำโตะ๊ระรพินถูกเชิญให้มาร่วมอาหารค่ําตามเคยทั้งหมดกินและสนทนากันไปพลางอย่างออกรส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 ได้ชักชวนกันแอบไปนั่งซุ้มดักยิงหมูป่าที่ทานน้ำเบื้องล่างเพราะได้สำรวจพบรอยไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนบ่ายนี้การไปนั่งซุ้มได้ไปนั่งเมื่อตะวันพบขําที่แล้วมานี่เองแต่แลระหว่างที่นั่งคอยหมูป่าอยู่ที่กันนั่นเองเจ้าเอิญซึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเจ้าปง่งก็ถูกอะไรชนิดหนึ่งซึ่งย่องเงียบมาทางเบื้องหลงังกระโจนเข้าตะปบขยําเจ้าป่งขนลายยืนยันว่ามันหันมาทางเพื่อน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 เชษฐาชายันและดาลินก็พากันวิ่งตามเข้ามาถึงในบัตรนั้นเกิดอะไรขึ้นทั้งสาถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันรพินจําเป็นต้องอธิบายให้คณะนายจ้างของเขาทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างคร่าวๆดาดินร้องอุทานออกมาอย่างตกใจเชษฐากับชายยันก็เต็มไปด้วยความตื่นตรนกเพราะไม่คาดฝันมาก่อนอย่าเสียเวลาเลยรพินตามกันเดี๋ยวนี้แหละ หม่อมราชวงเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะผู้เร็วปรือวิ่งกลับไปที่เต็นต์รับินสั่งงานกับคนของเขาโดยเร็วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นคณะนายจ้างของเขาทั้งสามก็เตรียมพร้อมเชษฐาวิ่งกลับออกมาจากเต็นต์พร้อมลูกซองเอฟเอน่งอัตโนมัติส่วนชัยยันกับดารินถือลูกซองแฝดกันคนละกระบอกไฟฉายครบรับผินสั่งให้เสยพรานของเขาอยู่เฝ้าแคมป์พร้อมด้วยลูกหาบทั้งหลายตัวเขาเองเกิดนายจ้างทั้งสาม พร้อมกับนายเมย์อันเป็นหัวหน้าลูกหาบและเจ้าป่งผู้เผชิญกับเหตุการณ์มาสดสดร้อนๆพากัรตรงไปที่ลาธารโดยเร็วโดยให้เจ้าโป่งเป็นคนนาไปชี้สถานที่เกิดเหตุมันเป็นพุ่มไม้ทึบต่ำกว่าระดับที่ดาลินลงมาอาบน้าเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เพียงห้สิเมตรเท่านั้นอันเป็นตำแหน่งที่ป่งกับเอิญผู้เคาะร้ายชวนกันมานั่งซุ่มดักยิงหมูป่าและเจ้ารายผีเสียงย่องมาเล่นงาน สิ่งที่เหลือไว้เป็นพยานหลักฐานสยดสยอ ง, งก็คือปืนแก๊ปคู่มือของเอินและกลักยาสูบที่ตกอยู่ข้างซุ้มไม้มีรอยเลือดเลีย ก, กระจายภายหลังจากก้มลงตรวจตาสำรวจร่องรอยเพียงอีดใจเดียวจอมพรานก็แน่ใจว่ามันจะเป็นเสือตัวอื่นไปไม่ได้นอกจากอิกุดนั่นเองรอยที่มันย่องมาตามพื้นแฉ ช, ชิดกับทานน้าฟองชัดทุกคนคลางออกมา เมื่อเห็นร่องรอยของลูกหาผู้เคราะร้ายที่ถูกฆ่าออกไปนายเมย์ผู้เป็นหัวหน้าลูกหาบถึงกับสะบดออกมาอย่างเจ็บแค้นส่วนเจ้าโปง่งผู้ร่วมเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นตามตาตัวสั่นสตานหน้าราวกับศพไอ้กุดแน่ๆเชียวครับเจ้านายที่ล่างเอาเจ้าเอิญไปรอยของมันชัดอยู่นี่เมยร้องออกมาภายหลังจากพิจารณาดูรอยตีนอันใหญ่โตที่มีตําหนินิ้วขาดหายไปข้างหนุนนั้นเพราะกิตติศัพท์ของไอ้กุดและความร้ายกาจของมัน ย่อมจะเป็นที่รู้จักแพร่ร้ายมาก่อนเป็นอันดีในบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายเว้นไว้แต่พวกนั้นจะไม่รู้เท่านั้นว่าเสือร้ายผีสิงมาป้วนเปี้ยนติดตามขาบวนการเดินทางอยู่ทุกฝีก้าวย่างเพราะระพิน์และกลุ่มพรานเขาซึ่งรู้เรื่องหน้ามาก่อนไม่ได้บอกให้ทราบเพียงแต่ออกกฎสั่งห้ามให้ออกนอกแคมป์อย่างเดียวเท่านั้นคาว่าไอ้กุศลทให้คณะนายจ้างของเขาที่สงสัยมาแต่แรก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 นอกจากสันทาชญาณแพทย์และผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อทราบว่าคนกำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายหล่อนเองตื่นเต้นอกสันในเหตุการ์ยิ่งกว่าทุกคนยกเว้นเจ้าปง่งซึ่งเป็นผู้ที่เห็นภาพกับตาที่ทำท่าเหมือนจะเป็นบ้าอยู่ในขณะนี้รพินหัวร้อหึอ่เขอไม่ถือสาในคำพูดแบบไม่เข้าใจในเหตุการ์ของหญิงสาวชายยันก็ตอบมาแทนให้ว่าตามนะ่ะเราต้องตามแน่ แต่เรื่องที่จะช่วยชีวิตเอินไว้เป็นไม่ต้องหวังหมอหนั่นคงตายในทันทีที่มันกระโจนขย่ำเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทำได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือตามศพเขาและตามล่ามันเท่านั้นระหว่างที่จอมพลายืนกัดริมฝี ป, ปากตรีตาเหมือนจะใช้การใคร์ครวญอยู่เชษฐาก็หันมาถามว่าคุณจะเอาอยัางไงละพินผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคุณชายคุณชายยานและคุณหญิงกลับไปที่พักที่แคมป์เสีย ก, ก่อนเถอะครับ เรื่องนี้ขอให้เป็นภาระของผมเองคืนนี้ผมกับเกิดเพียงสองคนจะรองตามดูสำหรับศพคนของเราเชื่อว่าคงจะพบแน่เขาพูดเคร่งครึมให้ผมกับเชิฐาไปกับคุณด้วยดีกว่าชายยันพูดพ้องออกมาตามนิสยัยแต่เชิฐาพูดอย่างมีเหตุผลว่าถึงแม้เราจะเป็นนายจ้างและคนที่ถูกมันลากเอาไปจะเป็นลูกหาบก็ตาม แต่เราก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเราด้วยที่จะต้องจัดการกับไอเสือตัวนี้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณคนเดียวผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคุณรัฐินเราจะยังไม่ออกเดินทางหรือทำอะไรทั้งสิ้นถ้าเรายังปราบไอกุศไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแล้วแต่คุณถ้าคุณคิดว่าผมและชา ย, ยาติดตามไปกับคุณด้วยจะทาให้เสียผลเราก็ยอมจัดปฏิบัติตามคาสั่ง แต่ถ้าไม่ขัดกันในข้อนั้นโปรดให้เราไปด้วยดีกว่าผมเองก็เคยตามเสือกินคนมาบ้างแล้วเหมือนกันตกลงครับถ้างั้นเราจะเริ่มตามกันเดี๋ยวนี้เลยแต่ขอหันมาทางหม่อมราชวงดารินยังไม่ทันจะพูดอะไรหญิงสาวก็สวนขึ้นมาเสียก่อนสั้นๆให้ฉันตามไปด้วยคนเป็นครั้งแรกที่พี่ชายหันไปปามน้องสาวด้วยคําพูดที่เฉียบขาดจริงๆว่า น้อยต้องเชื่อพี่สักครั้งกลับไปนอนเชดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเกะ ก, กะห่วงหน้าพวงหลังเสียเ ป, เปล่าและเสียงโดยไม่จําเป็นมันกลางคืนเสียด้วยดารินพยักหน้ายอมเชื่อฟังคําปราโมทโดยดีในเวลาฉุกเฉินเช่นนี้ดูหล่อนจะเข้าใจอะไรได้ดีอยู่บ้างเหมือนกันไม่ดื้อดึงทําให้ทวงอะไรนักระพินสั่งให้เกิดนําหญิงสาและเจ้าโป่งกลับไปส่งที่แคมป์แล้วให้กลับลงมาใหม่ก่อนที่ดารินจะผ่าไป เขาก็าส่งไรเฟิลของเขาที่ถือติดมืออยู่ไปแลกลูกสองแฝดของหญิงสาวโดยฝากให้ถือไรเฟิลกลับไปไว้ที่แคมป์ด้วยคุณหญิงบรรจุลูกอะไรไว้ครับโอโอบล็ทั้งสองลำกล้องขอบคุณครับถ้าบุญคํากับจานที่เราส่งไปให้เอาไปเอาบัวกลับมาถึงแคมป์คุณหญิงกรุณาบอกเขาด้วยว่าให้อยู่เฝ้าแคมป์ไม่จะเป็นต้องตามออกมาแล้วก็ให้แง่า ย, ายคอยระวังสุมไฟหน้าเต็นท์อย่าให้มอด ไงท า, ายคงจะเป็นเพื่อนคุณหญิงได้อย่างดีจนกว่าพวกผมจะกลับมาแล้วก็โปรดอย่า ก, กังวลวิตกอะไรเลยนอนให้หลับเสียดีกว่าคุณคิดว่าฉันจะนอนหลับเสือร่างเอาคนของเราไปกินคนหนึ่งฉันถูกทิ้งให้เฝ้าเต้นคนเดียวโดยมีเพียงแค่ไงท า, ายเป็นเพื่อนดาลินพูดแล้วก็พละออกเดินกลับขึ้นไปยังบริเวณแคมป์พร้อมกับเกิดและเจ้าปง แล้พินหักลำกล้องแฝดซาวเออร์ที่ขอแรกมาจากหญิงสาวออกมาตรวจดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งพบว่ามันเป็นลูกของเลมิงตันแบบโอโอบักซึ่งบรจจุลูกปราบ9เม็ดตรงตามที่ดารินบอกไว้ก็พอใจหักกลับคืนเข้าที่พอเกิดย้อนกลับมาสมทบอีกครั้งภายหลังจากส่งดารินเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มนาออกแกะรอยจะมุดยูแห่งไพรกว้างโดยมีเชืฐาชา ย, ยันและนายเมย หัวหน้ารูกหาบตามมาอย่างกระชั้นชิดทั้งหมดใช้ไฟฉายเดินทางขนาดแปดท่อนส่องสำรวจดูตามรอยเลือดที่หยดเรียไปเป็นระยะและร่องรอยของศพที่ถูกลากไปกับพื้นซึ่งทำให้สังเกตเห็นได้ชัดสะดวกในการติดตามยิ่งขึ้นระพินกับเกิดตรวจตามรอยและคาคืบหน้าไปส่วนเชษฐากับชายยันส่องกลาดไปตามละแวกใกล้เคียงทุกคนรวนใช้ปืนลูกซองทั้งสิ้น ซึ่งเป็นปืนที่อํานวยผลอย่างที่สุดในการยิงกลางคืนและสําหรับระยะกระทานหานจุกระหุกโดยไม่จําเป็นจะต้องใช้ศูนย์คํานวณจากระยะเวลาเกิดเหตุซึ่งห่างการเพียงไม่เกิน10บนาทีเป็นอย่างมากกับการที่เริ่มต้นออกติดตามไะพินเชื่อมั่นว่าอย่างช้าภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้านี้เขาจะต้องพบศพของเอิร์นเท่าเท่ากับที่อาจต้องเผชิญไอกุดพร้อมๆกันหากมันไม่ทิ้งศพและเพ่นหลบไปเสียก่อน ไม่มีใครปรีปากพูดอะไรกันอีกเลยนอกจากละปินและเกิดผู้นำแกะรอยเลือดไปข้างหน้าซุบซิบหารือกันเป็นครั้งคราวรอยที่ลูกหาบเคราะหร้ายถูกเจ้าเสือสมิงลากเอาไปนั้นผ่านเข้าไปในพงบนเนินสูงลงห้วยแห้งตอนหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นสูงอีกบางตอนเป็นพื้นดินแห้งแข็งรอยนั้นก็เลือนเลือนหายไปแต่ตอนไหนที่มีสมไม้เล็กๆและใบไม้ที่ตกอยู่เกลื่อนกาดก็เห็นเป็นทาง ไอ้กุดลากเหยื่อของมันไปด้วยพลังมหาศาลทีเดียวสังเกตจากพงไม้บางตอนที่หักราบสำหรับเชษฐากับชายยันถึงแม้จะไม่เคยเห็นตัวมาก่อนทั้งสองก็สามารถจะคำนวณได้จากรอยตีนว่ามันจะต้องเป็นเสือขนาดไม่ต่ำกว่าแปดศอกไม่ต้องสงสัยเจ้าเอิญผู้เคาะร้ายคงไม่มีโอกาสได้รินห่นต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นคงจะถูกขยําขโมงเหลวในทันทีที่มันโจนเข้าตะครุก และถูกคาบไปในลักษณะไม่ผิดอะไรกับหนูที่ถูกแมวลากอึดใจนั้นเองรัพเพียกับเกิดก็ส่องไฟแหวกพงไปเบื้องหน้าก็หยุดชะงักจับลำไฟฉายไปที่พื้นตอนหนึ่งผ้าของม้าเก่าๆผืนหนึ่งกองตกอยู่ที่นั่นรอยเลือดที่ขาดหายไปปรากฏเป็นหย่อมอยู่ที่นั่นนายมือตรงเข้าไปหยิบผ้าของม้าผืนนั้นขึ้นมาแล้วก็หันมามองดูจอมพรานเราตามมาถูกทางแล้วเสียงเชิดถาพึมพมเัเบาๆ ขณะที่ส่องไฟสำรวจไปรอบๆชายยานเห็นพานหญ่ใช้ไฟกาดไปในระยะห่างอันเป็นภูมิประเทศทึบรอบด้านก็กระซิบถามคุณลังเลอะไรหรือผมไม่แน่ใจว่ามันจะบุกขึ้นสูงต่อไปหรือว่าจะลากอ้อมไปทางริมห้วยนี่รอยมันหมดจะงักลงแค่นี้รพีนตอบเบาๆแล้วบอกให้เกิดขึ้นไปตรวดูทางด้านบนตนเองวกตามลงราห้วยแห่อีกครั้ง เชิดฐาแยกตามไปกับเกิดและเมยส่วนชายยานตามรัะพินไปห่างประมาณยี่สิบเก้าจากตำแหน่งที่พบผ้าของม้าตกอยู่ลงมายังลำห้วยระพิมพก็พบหย่อมเลือดเข้าอีกเสียงชายยานพึมพำออกมาอย่างพอใจจอมพรานชูมือขึ้นเหนือศีรษะดีดโดยแรงสองสาครั้งในความเงียบเช่นนั้นเสียงของมันดังไปถึงพวกที่แยกตายขึ้นเนินสูงเป็นสัญญาณเรียกดังนั้นอีกไม่กี่อึดใจ เชืฐถาเกิดและเมยก็บุกลงมาสมทบแปลกจริงเสียงเชื้อาร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นรอยเลือดซึ่งเราพินส่องไฟให้ดูแทนการบอกด้วยวาจาบนพงโรกริมทางด้านนู้นเราก็พบป่าหักรูเป็นทางไปเหมือนกันคล้ายๆกับว่ามันจะรากขึ้นสูงมันอาจรากขึ้นไปก่อนแล้ววกตามลงห้วยเป็นการพรางตาเราให้เควไปว่ามันขึ้นด้านสูงสังเกตดูที่ตลิงด้านนี้สิครับ ลอยดินทลายแล้วก็มีเลือดติดอยู่กับรากไม้นั่นแสดงว่ามันวกลงห้วยตรงนี้เองพร้อมกับบอกพรานใหญ่กระดกรำไฟฉายส่องไปยังตะลิงชันด้านขวามือโอ้โหชายยันหรือมิฉะนั้นก็เชตถาคนใดคนหนึ่งครัางออกมาแผ่วเบาที่สุดมันไม่น่าจะมีสมองถึงขนาด น, นี้เลยราวกับคนระพินไม่ได้พูดคาใดอีกนอกจากนาต่อส่องไฟสูงและต่าสลับกันสังเกตในระหว่างตลิงสองาก และพื้นลำห้วยพอมาถึงบริเวณตะลิงต่ำตอนหนึ่งเขาพิจารณาอยู่หยุดใจเดียวก็ไต่ขึ้นตะลิงทางด้านนั้นกาดไฟไปรอบๆอย่างรวดเร็วครั้นแล้วบัดนั้นเองทุกคนที่ติดตามมาทางเบื้องหลังของเขาก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันจากลำไฟฉายของรถพินและของคนอื่นๆที่สา์ประดับเข้าไปรวมจุดร่างของลูกหาบเคาะายนอนอยู่ที่ริมจอมปลวกใหญ่ห่างออกไปเพียง20เมตร ทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปอย่างรวดเร็วศพนั้นนอนอยู่ในลักษณะงายตาทั้งสองเหลือการเบริกค้างรอยเคี้ยวฝังลงไปบนศีษะตรงบริเวณท้ายถอยด้านหลังกระดูกคอต่อหักสิ่งที่หวาดเสียวที่สุดก็คือแผ่นท้องถูกกัดเบิกบะเครื่องในทะักเลี่ยไรดออกมาและบางส่วนของเครื่องในเหล่านั้นก็ขาดหายไปตัวของเขายังอุ่นๆอยู่ได้ซ้ำพื้นตอนนั้นแห้งแข็งก็จริง แต่รอยตีนของเจ้าสมิงร้ายปรากฏอยู่รอบๆตัวศพอย่างชัดเจนเพราะมันเหยียบย่ำเลือดไว้อาจไม่เกินหนาทีนี้เองที่มันพราจากซากไปอย่างนกลู่เมื่อได้กลิ่นของฝ่ายติดตามระยะที่ค้นพบศพและตำแหน่งที่ตั้งของแคมป์มันอยู่ในรัศมีที่ห่างจากกันไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเป็นอย่างสูงและกินเวลาทั้งสิ้นในการแกะรอยเลือดเพียงครึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นมันเพิ่งผ่าซากไปหยกๆนี่เอง ตอนที่พวกเราเดินอยู่ในรำห้วยรปินพูดต่ำๆสาดตร์ฟฉายกาดไปเป็นวงกลมสำรวจบริเวณเกิดกับเมย์ก็แยกกันออกไปส่องหารอยทิศทางของมันคนละทางคุณคิดว่าคืนนี้มันจะย้อนมาที่ซากอีกไหมเชษฐาถามลีตามองดูศพของเอิญอย่างสงเวทบทกรามแน่นถ้าเป็นเสืออื่นๆมันจะต้องย้อนกลับมาแน่ครับถ้าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้หรือวันต่อๆไป แต่สำหรับไอ้กุดผมยังบอกไม่ได้ความฉลาดของมันเกินเสือธรรมดาเจตนาของมันก็เป็นเจตนาร้ายที่มีต่อคนไม่ใช่เพียงแค่จะหาอาหารอย่างเดียวผมเชื่อว่ามันอาจจ้องคอยเล่นงานพวกเราคนอื่นๆอีกต่อไปโดยไม่คำนึงถึงซากนี่ก็ได้นิสัยของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีทางอะไรจะดีไปกว่าลองเสี่ยงนั่งเฝ้าดูชยันว่าก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นแหละครับ แต่การนั่งซุ่มเฝ้าซากเราจะอยู่กันหลายคนไม่ได้อย่างมากที่สุดก็แค่สองคนเท่านั้นสําหรับใจผมผมต้องการนั่งเพียงคนเดียวเท่านั้นจอมพรานตอบสองคนดีกว่าคุณเลือกเอาได้ในระหว่างผมหรือชายยันอย่างน้อยที่สุดคนหนึ่งสองไฟอีกคนหนึ่งยิงก็ยังดีเราต้องการความแน่ใจที่สุดเพราะรายการนี้เราไม่ถือเป็นการกีฬาและต้องไม่ให้พลาดเลยหม่อมราชวงเชิดถาเสนอความเห็น โดยแท้ที่จริงระพินต้องการจะเฝ้าไอ้กุฏเพียงคนเดียวเพื่อจัดการกับมันให้เด็ดขาดลงไปหากมันย้อนกลับมาที่สร้างอีกครั้งแต่เขาอ่านใจในจ้างของเขาทั้งสองคนออกทั้งเชษฐาและชายยันมีความประสงค์อย่างแรงกล้าหรือเกินในการจะร่วมพิชิตเจ้าสมิงร้ายด้วยจึงไม่อยากขัดใจตกลงครับเราเฝ้าสองคนแต่สาหรับคุณชายกับคุณชยยันตกลงกันเองก็แล้วกันว่าใครจะเฝ้ากับผมในคืนนี้ เราจะผัดเวรการเฝ้าทีละสองคนคือคืนนี้ผมเฝ้ากับใครสักคนหนึ่งก่อนพอรุ่งเช้ามันยังไม่เข้ามาที่้าง ก, ก็จะกลับและอีกคนหนึ่งก็เฝ้าคู่กับพรานคนใดคนหนึ่งของผมสลับกันไปเพราะเรารู้ไม่ได้แน่ว่ามันจะย้อนมาที่้างในเวลาไหนแต่สาหรับการเฝ้าคืนนี้เสียงหน่อยเพราะเราต้องนั่งซุ่มเรียกว่าอยู่ในระดับพื้นเดียวกันกับมันเพราะถึงอย่างไรเสียก็ขัดห้างไม่ทันแน่แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เราก็จะขัดห้าง สองสหายมองดูหน้ากันชยยัยานพยักหน้าเอาว่าคืนนี้แกเฝ้ากับคุณรัพินก็แล้วกันพรุ่งนี้ฉันกับเกิดจะมาเปลี่ยนเวรเชษฐาส่งมือให้จับตกลงคืนนี้แกกลับไปนอนให้สบายที่ก่อนเถอรับพินดีดนิ้วเรียกเกิดกับเมยเข้ามาสั่งความแล้วให้ทั้งสองนำชยยัยานเดินทางกลับไปยังแคมป์เมื่อพวกนั้นแยกลงห้วยเดินกลับไป เขากับเชิฐถาก็ช่วยกันสำรวจหาที่นั่งซุ่มและหาลือกันอีกครั้งระผิดงัดเชือก่มที่แขวนติดเอวมาออกมาผูกขาศพไว้ปลายข้างหนึ่งไปผูกไว้กับโคนต้นไม้ขนาดขาอ่อนกันไม่ให้ไอ้กุดหรือเสือตัวอื่นๆมาคาบศพรากเพลนหายไปได้โดยสะดวกเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องติดเชือกที่ผูกมัดไว้พอจะปร ะ, ปประวิงเวลาจังหวะช ง, งักให้ยิงได้ทันเชิาเลือกได้โคนไม้ใหญ่ขนาดสิบคนโอบต้นหนึ่ง มีรากที่โคนต้นยื่นออกมาเหมือนผนังกั้นห้องจนทำให้บริเวณภายในซึ่งกว้างประมาณสองเมตรมองดูเหมือนโพรงและเบื้องหน้าในระหว่างโคนไม้กับศพนั้นก็มีซุ้มไม้บางๆกั้นอยู่แทนบางไพรไปในตัวระยะห่างจากศพประมาณ30เมตรหันหน้าไปทางลําห้วยระพินเห็นด้วยเพราะตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้ส่วนที่จะอานวยความลอดัยที่สุดก็คือ ด้านหลังหันเข้าหาโคนไม้ใหญ่โดยหมุดห่วงว่าอะไรจะย่องมาทางด้านหลังนอกจากคอยเพ่งระวังด้านหน้าอย่างเดียวขอให้เชิฐาเข้าไปนั่งอยู่ก่อนตนเองชักมีดบบวีออกมาตัดละซุ้มไม้ที่ขวางหน้าอยู่พอให้มองเห็นภาพศพและบริเวณใกล้เคียงได้ถนัดตา ก, กว่าแรกแต่ก็ไม่ถึงกับโปร่งโล่งนักเอากิ่งไม้ที่ตัดสะไวในส่วนที่ใช้อำพรางแล้วก็เข้ามานั่งซุ้มคู่อยู่กับเชิฐา โดยตนเองนั่งลึกเข้าไปและเยื้องไปทางด้านขวามือของเชิฐาให้เชิฐาล้มหน้าเยื้องไปทางซ้ายผมจะเป็นคนส่องไฟนะครับคุณชายเป็นคนยิงระพินกระซิบแนทเนะจะเหมาะหรือผมส่องให้คุณดีกว่ากังมังผมไว้ใจมือของคุณมากกว่าตัวผมเองการที่ผมขอนั่งเฝ้าอยู่ด้วยไม่ได้หมายความว่าผมอยากจะเป็นคนยิงมันด้วยมือของตอนเองหรอกผมเพียงแต่ต้องการร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยเท่านั้น ผมต้องการให้คุณชายเป็นคนยิงครับและผมก็เชื่อมือคุณชายเต็มที่เท่าๆกับตัวผมเองจอมพรานพูดหนักแน่นเชษดฐายิ้มเอื้อมมือมาจับแขนเขาบีบหนักหน่วงอย่างรักไข้พอใจถ้างั้นก็ตามใจไหนทดลองส่องไฟซิระผีนสาดแสงไฟออกไปและเชษฐาทดลองยกปืนขึ้นประทับถนัดไหมครับถนัดที่สุดอย่าว่าแต่ลูกซองเลย ต่อให้ไรเฟิลผมก็ยิงได้ถ้ามีคนส่องไฟดีๆอย่างนี้เอาละดับไฟการใหญ่ดับไฟทุกสิ่งทุกอย่างจมอยู่ในความมืดมิดยิ่งกว่าเหวนรกและสงัดเงียบเชียบนานๆจะได้ยินเสียงใบไม้ร่วงลงมากระทบพื้นแสกสะเสียงจั ก, กระจันเรไรและสัตว์ะสมเนียงสัตว์ป่าที่ร้องแวววตามลมมาแต่ไกลนักราสัตว์ทุกคนย่อมจะทราบดีว่าต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสงบสติอารมณ์นั่งรอ ด้วยปราษาที่ตื่นไว้พร้อมเป็นการรอชนิดที่กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ทีเดียวเชิดฐาควักบุหรี่ออกมาคาบแต่แล้วก็ชะงักคล้ายจะนึกขึ้นมาได้ขยับจะเก็บตามเดิมแต่ละผนขีดไรเตอร์ป้องส่งมาให้สูบเถิดครับไม่เป็นลายหรอกผมเชื่อว่าขณะนี้มันคงไม่ได้ป้วนเปี้ยนอยู่ในระแวกนี้แน่ๆถ้ามันจะย้อนกลับมาก็คงในราวใกล้ๆลุงอดีตในพันโทหัวหน้าคณะเดินทางจุดสูบ และส่งไปให้เขาตัวหนึ่งถามจริงๆเถอะตามความรู้สึกของคุณไอ้กุดมันจะย้อนมาในคืนนี้ไหมยอย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละครับถ้ามันจะมาอีกครั้งก็ตอนตีสหรือตีหโอกาสของเรามีอยู่ในระหว่างนั้นเองแต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินมันฆ่าคนของเราอย่างเจตนาไม่ได้ฆ่าเพราะหิวเพราะฉะนั้นเรื่องการวกกลับมาที่ซากจึงหวังได้น้อยเหลือเกินร้ายกาจเหลือเกินนะไอ้เสือตัวนี้ ไหนคุณว่าไอ้ตัวเดียวกันนี่หรือที่คุณเคยนั่งซุ้มส่องไฟให้คุณอัมพลแล้วเขายิงพลาดครับไอ้ตัวนี้แหละเหตุการณ์มันเหมือนขณะนี้ไม่มีผิดผมกับคุณอัมพลนั่งเฝ้าซ่าคนที่มันกัดตายก็เป็นคนของคุณอัมพลนั่นแหละครับผมเป็นคนส่องไฟคุณอัมพลเป็นคนยิงผมเตือนแกแล้วว่าควรจะใช้ลูกซองดีกว่าแต่แกไม่เชื่อรอด้วยจดี่ดับเบิลไรเฟิลของแก มันได้รับสมยาไว้ไอ้กุดมาตั้งแต่ครั้งที่คุณอำพลยิงนั่นแหละครับคุณอำพลได้นิ้วข้างหนึ่งของมันไปไว้ดูเป็นที่ระลึกในขณะเดียวกับที่ใครต่อใครอีกหลายคนก็ถูกมันกัดตายไม่หยุดเวลาผมออกตามมันจริงมันก็หลบชนิดที่ลอยก็ไม่ยอมให้เห็นนึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามาคราวนี้มันจะย่องตามคณะของเราความจริงผมก็เพิ่งจะมารู้ตัวเมื่อคืนวานนี้เองเพราะพบรอยที่ริมําทาน แผ่านของผมสองคนก็เห็นมันชัดๆทีเดียวพวกนั้นเพิ่งจะมาบอกผมในตอนข่าต้องฟาดมันให้อยู่ระพินถ้ายังไม่ได้ตัวเรายังไม่ได้เดินทางต่อเชษฐาย้ำหนักแน่นอีกครั้งเมื่อชัยยานเกิดได้เมยกลับมาถึงแคมป์คนทั้งหมดยังไม่มีใครคิดที่จะรับนอนกันเลยสักคนเดียวไฟถูกก่อเรียงรายลูกสว่างโพรงรอบด้านผิดไปกว่าคืนก่อน ต่างนั่งจับกลุ่มพูดคุยได้รอรับฟังข่าวอยู่อย่างกระสับกระส่ายเมื่อเห็นทั้งสมโผ่เข้ามาถึงต่างก็พู ก, กันเข้ามาสอบถามเกิดและเมยทําหน้าที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่ตามรอยไปพบศพของเอิอนให้พวกนั้นฟังชายยันแย่เดินตรงไปที่เต็นท์หม่อมราชวงหญิงดาลินยังอยู่ในชุดเดิมนั่งอยู่บนขอนไม้หน้ากองไฟใหญ่ที่สุมอยู่หน้าเต็นท์ปืนวางอยู่ข้างตัวห่างออกไปเล็กน้อยแง่ซายนั่งขัดสมาธิ คอยเติมเชื้อฟืนเข้าไปในกองไฟดูเหมือนกำลังพูดคุยอยู่พอเหลือบมาเห็นชัยยานสาวเท้าสุบๆกลับมาเพียงคนเดียวก็ลุกขึ้นโดยเร็วสีหน้าของหญิงสาวยังอยู่ในความตื่นเต้นพร่าใจเป็นไงบ้างพบศพหรือเปล่าแล้วผ่านกับพี่ใหญ่นะล่ะหลอนถามเร็วปือชัยยันยกแขนขึ้นป้ายเหงือบนหน้าใบหน้าเดินเข้ามาซุดตัวนั่งบนโคถินเตี้ยใกล้ วางปืนที่ถืออยู่พิงกับกองฟืนไว้ดรินกาแฟจาักราลงถ้วยพลาสติกขึ้นดื่มแล้วถอนใจเฮือกเล่าให้หญิงสาวฟังอย่างละเอียดในการติดตามรอยไปพบศพลูกหาบเคราะห์ร้ า, ายซึ่งเราพินกับเชษฐาคอยดับเฝ้าสร้างในคืนนี้โดยตกลงกันไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นผู้ผลัดเวีไปเฝ้าแทนดารินหน้าซีดมือทั้งสองกลุ่มประสานกันติดอยู่ที่อกมันร้ายกาจหรือเกินชายยันคลางอยู่ในลําคอภายหลังจากเล่าจบ พร้อมกับโครงศีรษะอย่างส ด, ดใสใจ ท, ทั้งทั้งที่เราแกะลอยไล่หลังมันไปติดๆพอพบศพก็ปรากฏว่ามันล่างเอาเครื่องในไปกินเสียแล้วคลาดกันไม่ถึงห้านาทีจากร่องรอยที่เห็นแล้วนี่เขาเฝ้ากันยังไงขัดห้างเหรอหล่อนถามเสียงสั่นต่อมาเพื่อนหนุ่มสั่นหน้าเปล่าไม่ได้ขาดหรอกเพราะขัดห้างมิทานมันกระทันหันฉุกระหุกเหลือเกินแล้วก็เป็นเวลากลางคืนเลยต้องใช้วิธีนั่งซุ้ม หญิงสาวลุมตาโกรงร้องแรมออกมานั่งซุม้มแปลว่านั่งอยู่กับพื้นดินงั้นหรือก็งั้นน่ะสิตายละดาลินยกมือรูปอกตกใจไปหมดหน่ากลัวออกจะตายสมมุติว่าถ้ามันย่องเข้ามาทางด้านหลังละ่ะแล้วก็เป็นเวลากลางคืนด้วยตายทำไมถึงบ้าละหามกันอย่างนี้นะฉันเป็นห่วงผี่ใหญ่เสียแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้าถ้าเขานั่งอยู่คนเดียวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่นี่ราพินยอยู่ด้วยทั้งคนจะต้องกลัวอะไรสําหรับชั้นห่วงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือกลัวสองคนนั่นจะนั่งคอยเมื่อยเปล่าตลอดทั้งคืนโดยที่ไอ้กุดไม่วกกลับมาที่เหยื่อของมันหม่อมราชวงหญิงดาลินเริ่มก ร, ระสับกระส่ายลุกขึ้นเดินหักนิ้วมือตนเองวนไปเวียนมาอยู่รอบกองไฟแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของชัยยันเ้าหน้าเต็มไปด้วยริรอยวิตกฉันไม่เห็นด้วยเลยหล่อนบนเม้มริมฝีปาก ถ้าขัดห้างก็ไปอย่างหนึ่งนี่มีอย่างหรือนั่งอยู่กับพื้นดินเดียวกับมันมันจะอดอดมาทางไหนก็ไม่รู้ก็ดูแต่เจ้าคนตายกับเพื่อนของมันสินั่งดักยิงหมูป่าอยู่ที่กันสองคนแท้ๆมันยังย่องมาขย้ำลากเอาไปเสียตาพานของเราคนนั้นเมื่อเขาจะถือว่ามือเขาแน่ก็ควรให้เขาเฝ้าไปคนเดียวสิธุระอะไรที่พี่ใหญ่จะต้องไปนั่งอยู่ด้วยความจริงรพินก็ต้องการจะนั่งเฝ้าคนเดียวนั่นแหละ ชายันตอบเสียงต่ำๆแต่มันเป็นความต้องการของเชษฐาเองซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเชษฐาเป็นหัวหน้าคณะเดินทางในครั้งนี้เสือล่างเอาลูกหาไปในคณะไปกินจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรานอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกพวกลูกหาทั้งหลายจะหมิ่นน้ำใจเราได้พี่ชายของเธอเป็นคนอย่างไรเธอก็รู้นิสัยเขาดีอยู่แล้วถึงเขาไม่นั่งกับพระปิณในคืนนี้ฉันก็จะนั่งแทน รวมความว่าจะต้องมีพวกเราคนใดคนหนึ่งร่วมอยู่ในการปราบไอเสือร้ายตัวนี้ให้ได้ไม่ใช่โย น, นหน้าที่ไปให้ระพินคนเดียวและเมื่อระพินนั่งซุ้มดักยิงอยู่กับพื้นเราก็ต้องนั่งในลักษณะเดียวกับเขาเสี่ยงอย่างไรก็เสี่ยงด้วยกันอย่างนั้นไม่งั้นเราจะเป็นนายจ้างร่วมเดินทางไปกับเขาได้ยังไงฉันบอกเธอแล้วว่าไม่ต้องวิตกไปหรอกเชื่อถามือดีพอที่จะไว้วางใจได้ทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีระพินคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้วยอย่างนี้ ก็เบาใจได้สนิทมีแต่ว่าไอ้เสือผีสิงนั่นจะไหวทันไม่ยอมเข้ามาเสียมากกว่าดาลินควาบุรีออกมาจุดสูบแล้วโยนซองมาให้เพื่อนชายหล่อนซุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ตามเดิมคิ้วงามทั้งสองของมวดพูดต่อมาอย่างไม่หมดกังวลถึงยังไงมันก็น่าหวาดเสียวและเสี่ยงเกินกว่าเหตุอยู่ดีไอ้วิธีดักยิงเสือโดยอยู่บนพื้นดินเดียวกับมันนี่นะอีกอย่างหนึ่งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ฉันก็อ่านอีตาพรานของเราคนนี้ไม่ออกเลยเขาเป็นคนยังไงกันแน่นะมีอย่างเลยทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่แล้วว่าเสือมันย่องตามคณะของเรามาตลอดเวลาแทนที่เขาจะบอกกล่าวเตือนให้พวกเรารู้ตัวล่วงหน้าไว้บ้างก็เปล่าเงียบเฉยเสียอย่างนั้นแหละกว่าจะรู้ก็นโนนคาบเอารุกหาไปรากไส้เสียแล้วเธอจะไปเอาโทษเขาในข้อ น, นี้ก็ไม่ถูกชายยานันคานมาจุ ป, ป่าข้ามเบา เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ต้องการจะให้พวกเราเสียขวัญแล้วเขาก็ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วไม่มีอะไรบกพร่องโดยการให้การคุ้มกันเราอย่างแข็งแรงตลอดจนเตือนให้เราระวังตนไม่ให้ออกไปเดินเพ่นพ่านพ้นหูพ้นตาของเขาเธอนั่นแหละยังอวดดีไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของเขาชอบฝ่าฝืนดีนะักนี่อย่างดีนะที่ลูกหาบรับเคาะไปแทนมันจะร้ายกาศสักขนาดไหน ถ้าหากแทนที่จะเป็นลูกหาบกลายเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งถูกมันลากไปสิก่อนซึ่งในระหว่างพวกเราสามคนนี่ฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นเธอมากที่สุดเพราะเธอชอบเดินเล่นลอยชายออกไปนอกแคมป์คนเดียวเสมอเขาห้ามก็กลับชวนเขาทะเลาะเสียอีกเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเป็นไงคราวนี้พอจะนึกออกแล้วหรื อ, อยังว่าทําไมระพินถึงบ่นหนักอกหนักใจเสียหนักหนาในกรณีที่เธอชอบฝ่าฝืนคําเตือนของเขา ดาลินเงียบกริบไปนั่งเอามือรองคางกัดเล็บเมื่อมองดูแสงไฟที่แรบเดียอยู่ในกองหล่อนกำลังนึกถึงภาพตนเองที่แอบลงไปเล่นน้ำคนเดียวในลำธารเมื่อตอนบ่ายนี้และดพินตามลงไปเกิดเป็นปากเสียงกันขึ้นจนกระทั่งช้างแม่ลูกอ่อนโผล่ออกมาสร้างเหตุการณ์ตื่นเต้นขึ้นสมมุติว่าในขณะนั้นถ้าผานใหญ่ตามลงไปไมีทันหรือถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นเจ้าเสือร้ายผีเสียงย่องมาคอยดักหล่อนอยู่ก่อน อะไรจะเกิดขึ้นหญิงสาวใจหายเมื่อหวนคิดได้เช่นนั้นนี่บุญคำกับพวกที่ไปเอาวัวแดงยังไม่กลับมาอีกหรอือชายันถามขึ้นกวาดสายตาไปรอบๆแล้วมองไปยังแง่ายผู้นั่งสงบเฉยอยู่อย่างครับเจ้านายหนุ่มชาวดงผู้ลึกลับตอบห้าวๆในรำคอพอขาดเสียงของแง่ายก็มีเสียงกูเรียกแววใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงร้อเกวียนบดออด พวกทุกคนในแคมป์ที่กำลังจับกลุ่มกันอยู่เป็นวงใหญ่ก็พากันตื่นตัวขึ้นกูรับออกไปเพียงไม่กี่อึดใจก็มีเสียงคุยกันเ อ, อะร่านเข้ามาก่อนต่อจากนั้นบุญคำจนันลูกหาอีกหกคนพร้อมกับเกวียนที่บรรทุกวัวแดงซึ่งชำระเรียบร้อยแล้วก็โผล่เข้ามาถึงคนเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าระหว่างที่พวกตนแยกไปชำระวัวซึ่งเชษฐายิงล้มไปเมื่อตอนพบขํานั้นได้เกิดอะไรขึ้นทางแคมป์ แต่ก็ได้รับการบอกเล่าให้รู้เรื่องภายในมิกี่อึดใจต่างพากันตกตะลึงพึงเพิดไปซักถามกันแซ่ดไปหมดไม่มีใครหันมาสนใจกับวัวที่ชำแหละบรรทุกมาบนเกวียนนั่นเลยเพราะมัวแต่ตื่นเต้นอยู่ในเหตุร้ายชายยันสั่งให้แงซสายไปเรียกบุญคำกับจันผู้เพิ่งจะมาถึงเข้ามาพบเกิดกับเสยก็เลยตามเข้ามาด้วย พรานทั้งสีของรพินเข้ามานั่งเรียงรายอยู่หน้ากองไฟใกล้ๆกับช ย, ยันและดาลินผู้นั่งอยู่ก่อนแล้วบุญคำกับจันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรือว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นชายยันพูดขึ้นบุญคากับจนันมองดูหน้ากันครับผมคิดไม่ถึงเลยลูกหาบของเรามันขนองเองไม่ยอมเชื่อคำสั่งของคุณรพินน่าสียดใจมิเกินมันเป็นเค้าะร้ายของเขาเอง คืนนี้พรานใหญ่กับคุณชายดักเฝ้ามันอยู่ทั้งคืนที่แคมป์นี้เห็นจะมีบุญคำนั่นแหละอาวุโสกอกเพื่อนฉันขอมอบหมายให้บุญคำดูแลควบคุมสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเจ้านายนอนให้หลับสบายเถิดครับไม่ต้องห่วงผมขอรับประกันเองถ้าไอ้กูดกำแหงเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้แคมป์เราหรือ ย, ย้อนกลับไปที่ซากเป็นจบแน่ดีแล้วบอกผู้นั้นให้พักผ่อนหลับนอนกันเสถิด ยกเว้นแต่พวกเวรยามที่จะมีหน้าที่เฝ้าตามเวรผัดเปลี่ยนอ้อย่าระวังแต่คนระวังควายของเราด้วยไฟทุกองอย่าให้มอดลงเป็นอันขาดครับผมจะดูแลไม่ให้อะไรบกพร่องเลยบุญคำคิดว่ามันจะย้อนไปที่ซากไหมคืนนี้ดาดินถามบ้างพลานพื้นเมืองอาวุโสยัดไปกระท่อมใส่ปาเคี้ยวมองสบตาหญิงสาวแล้วโครงศีรษะแช่มช้าตอบแผ่วเบา ผมบอกไม่ได้เหมือนกันครับนายหญิงไอเสือตัวนี้เหมือนจะมีผีคอยกระซิบมันอยู่ตลอดเวลามันกล้ากับพรานทุกคนได้ยกเว้นคุณรพินคนเดียวที่มันคอยหลีกกลบมาตลอดยังกับว่ามันจะจํากลิ่นคุณลพินได้ทีเดียวถ้ามันรู้ว่าคุณรพินดักอยู่มันก็ไม่เข้าเด็ดขาดมันอาถรรพ์ยังไงบอกไม่ถูกทีเดียวครับคุณรพินเองก็คอยตามมันมานานแล้วแต่ไม่เคยสําเร็จพลาดการบุญวิดบุญวิดทุกครั้งไป ถ้าคืนนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้เราอาจต้องหาเรือกันใหม่แน่นอนเราจะยังไม่เคลื่อนย้ายหรือมีแผนการอย่างใดต่อไปทั้งสิน้นตราบใดที่เรายังไม่ได้ตัวมันและพรุ่งนี้ฉันจะไปนั่งแทนถ้ามันไม่เข้าในคืนนี้ชัยันบอกถ้าเปลี่ยนคนเฝ้าผมว่าอาจมีหวังครับอย่างที่บอกแล้วว่ามันอาถรรพ์อย่างไรพิกลลงให้คุณรพินดักอยู่ก็ครั้งไหนครั้งนั้น รอกันจนกระทั่งซากเปื่อยโซมเหลือแต่กองกระดูกมันก็ไม่ยอมเข้าทิ้งไปเลยมันเคยเข้าให้ครั้งแรกเท่านั้นครับตอนที่นั่งอยู่กับคุณอัมพลแต่คุณรพินเป็นคนจ่องไฟคุณอัมพลยิงพลาดตั้งแต่นั้นพอคุณรพินตามมันมันก็หลบแต่ก็นั่นแหละครับพรานสามคนมาแล้วที่ตามล่ามันแทนคุณรพินสองคนถูกมันขย่ําตายอีกหนึ่งพิการไปตลอดชีวิตเพราะถูกมันล่าเอาแทนที่จะล่ามัน ดารินหันไปมองดูชายยันอดีตนายพันตรีทหารปืนใหญ่ยิ้มขรึมพยักหน้าเอาเถอะคอยมันเข้าไมา้เห็นเป็นใช้ได้ไม่ว่าเราจะล่ามาันหรือมันจะเป็นฝ่ายล่าเรากลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมันจะไม่ยอมเข้ามาเลยซึ่งทําให้เราต้องเสียเวลาไปเปล่าๆดีเหมือนกันบางทีมันอาจเข้าตอนที่ฉันไปผลัดเวรแทนรพินก็ได้เอาละไปได้แล้วบุญคํากับพรานอีกสามคนของรพินพากันลุกขึ้นแปรแยกย้ายกันไป ชายยานคว้าปืนลุกขึ้นยืนหันไปทางน้องสาวของเพื่อนสนิทไปนอนกันเถินน้อยนั่งแกวอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพักผ่อนเอาแรงไว้ดีกว่าระยะที่ระพินกับเชิดาดักเฝ้าอยู่ห่างจากที่นี่ไม่มากนักหรอกถ้าได้ยินเสียงปืนเมื่อไหร่ก็รู้เองแหละฉันนอนไม่หลับหรอกเธอไปนอนก่อนก็แล้วกันแล้วเธอจะนั่งอยู่ทําไมหญิงสาวยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้ายิ้มจาง นั่งตากลมพักสงบสติจิตใจอีกสักคู่เหตุการณ์มันทำให้ฉันตื่นเต้นขวัญเสียไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีแงซ า, ายนั่งเป็นเพื่อนอยู่นี่เธอไปนอนพักเสียไปพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปเปลี่ยนเวรเฝ้าแต่เช้าไม่ใช่เหรอชั ย, ยันพยักหน้าไม่กล่าวอะไรอีกถือปืนเดินดุ่มๆุมหายเข้าไปในกระโจมพักดาลินหักกิ่งไม้แห้งเล็กๆที่ถือเล่นอยู่ในมือโยนเข้าไปในกองไฟ เงยสายรู้เรื่องเสือตัวนี้มาก่อนหรือเปล่าฉันหมายถึงรู้ว่ามันสะกดรอยตามคณะของเรามาตลอดเวลาหล่อนเอ่ยถามหนุ่มชาวดงผู้ทําหน้าที่เป็นคนรับใช้ประจำแค้มขึ้นเบาๆยิ้มกว้างๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าสีทองแดงนั้นสบตาร่อนแว บ, บเดียวก็หบตอบเสียงต่ําลึกเมื่อบ่ายวานคณะของนายหญิงไปล่าเลียงผาผมอยู่ที่ริมห้วยกําลังลอกหนังหมูป่า ผมเห็นมันหมอบอยู่หลังโคลนทายใหญ่พอผมเงยขึ้นพบตามันยังไม่ทันจะขยับตัวมันก็หลบเข้าไปตรวจดูพบรอยที่ย่ำน้ำไว้บนโคดหินนิ้วหายไปข้างหนึ่งแปลว่าเธอก็รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันสิหลันล้องออกมาโดยเร็วแง่ท า, ายไม่ตอบดุลฟืนเพิ่มเติมเข้าไปในกองไฟเธอบอกพรานใหญ่ให้รู้ใช่ไหมว่าเธอเห็นอะไรที่ริมลาธารนั่นหนุ่มชาวโด่งเพื่อลึกกลับสันหัว เปล่าผมไม่ได้บอกผู้กองรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันตามเราและผู้กองก็รู้ว่าผมรู้แล้วทำไมเธอไม่บอกให้พวกเราได้รู้ตัวไว้บ้างในเมื่อเธอเห็นสิ่งผิดปกติอันน่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับคณะของเราได้ผู้กองสั่งผมไม่ให้บอกครับผู้กองสั่งผมไม่ให้บอกครับเป็นคำตอบอย่างซื่อๆจากอดีตนายทหารกองโจรกะเหลียงหญิงสาวตวัดทั้งตาค้อนอย่างฉุนฉุนพูดหนักๆในลาคอ อ๋อดีนี่ตาพานใหญ่นั้นสั่งอะไรเธอเธอก็เชื่อฟังไปเสียห ม, มดทุกอย่างชนิดเคร่งคัดทีเดียวนี่มิหมายความว่าเธอเห็นเขามีความหมายสําคัญยิ่งไปกว่าพวกฉันสามคนที่เป็นเจ้านายโดยตรขงของเธอและทุกคนที่มากันนี่งั้นหรือแงาสายมองขึ้นสบตาหม่อมราชวิงวงหญิงดาลินด้วยประกายตาแจ่มใสบริสุทธิ์โครงหัวช้าช้าอยู่เช่นเดิมหาไม่ได้ครับนายหญิง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 ระหว่างสร้างศพของกระเรียงลูกหาบอันเป็นเป้าหมายบางไพรที่ขวางอยู่เบื้องหน้ากับปืนและไฟฉายที่เฝ้ารอคอยอยู่อากาศหนาวเยือกลงทุกขณะทั้งระพินและเชษฐานั่งเคียงกันอยู่อย่างที่สุ่มไม่ได้ปิดปากพูดคำใดแก่กันเองเลยนับเป็นชั่วโมงเสียงน้ำค้างป่าหยดลงกระทบใบไม้แห้งดังอยู่เปาะแปะรอบกายนานๆจะได้ยินเสียงเชษฐาหายใจลึกสักครั้ง ส่วนพรานใหญ่ระบินเงียบกริบราวกับว่าเขาจะหลับไปฉะนั้นแต่เมื่อเชษฐาเอื้อมมือมาแตะแขนเหมือนจะยังความรู้สึกก็ได้รับการเอื้อมมือมาจับต่อเป็นความหมายว่าจอมพรานยังมีประสาท ต, ตื่นพร้อมอยู่ทุกขณะไม่ได้เผอหลับไปเลยแม้แต่นิดเดียวนาฬิกาพรายน้ำจากข้อมือของเชษฐาชี้เวลา 1.45 นมันเป็นช่วงระยะเวลาอันตรมานพอดูกว่าจะรุ่งเช้า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 เชื้าหันไปยิ้มให้ในความมืดมิดไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงผมก็ไม่มีทางจะหลับได้เวลาเท่าไหร่แล้วครับอีกสิบห้านาทีจะตีสองแล้วก็เงียบกันไปอีกเวลาจะผ่านไปอีกนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เสียงความปี๊บร้องแหววความสงัดลอยตามลมแววมาแต่ไกลครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไป ครั้นแล้วต่อมาอีกอึดใจใหญ่ก็มีกลิ่นสาบสางชนนิดหนึ่งโชยมากระทบนาศิกประสาทเสียงเชษฐาขยับตัวและเอื้อมมือมาแตะแขนรพินคุณได้กลิ่นอะไรไหมอดีตนายพันโทหัวหน้าคณะเดินทางกระซิบเบาที่สุดครับจอมพานรับคำสั้นๆเชษดาจ้องหน้าในความมืดเหมือนจะถามก็ไม่เห็นรพินกล่าวหรือมีปฏิกิยาเช่นไรอีกนอกจากจะนิ่งสงบเฉย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 เวลาได้ร่วงเลยไปแสงเดือนข้างแรมจัดที่เพิ่งจะขึ้นส่องทะรุใบไม้ลงมาเป็นเงารางในบางส่วนนานๆครั้งไก่ป่าจะขันแววเย็นเยือกมาแต่ไกลบอกยามแรกตุ๊กแก่ที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้สูงรอบด้านซึ่งมักจะร้องรับกันอยู่เป็นระยะมาตั้งแต่หัวข้ามบัดนี้สงงังสารงเชษฐานังกอดปืนเอาหลังพิงโคนต้นไม้เผอเข้าผวังไปเมื่อไรตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน มารู้สึกตัวสะดุ้งขึ้นเพราะมือของพรพินบีบมาที่ไหร่เขาลืมตาสว่างโพลในความมืดที่แวดล้อมอยู่รอบด้านประสาททุกส่วนตื่นพร้อมหูสำเนียกเสียงกรอดกรอดเป็นจังหวะอยู่ในความมืดเบื้องหน้าตรงบริเวณที่ศพลุกหาบนอนอยู่เสียงนั้นเบาที่สุดแต่ในความเงียบสงดเช่นนี้พอจะจับได้อย่างถนัดบางครั้งก็หายไปบางครั้งก็ดังชัดเจนได้ยินหรือเปล่าครับ เสียงกระซิบถามแผ่วเบาดังมาจากจอมพรานได้ยินพร้อมหรื อ, อยังเชถาปลดเซฟ FN กึ่งอัตโนมัติค่อยๆ ย, ยกขึ้นประทับจ้องไปทางที่หมายอันมืดมิดโอเคใช้ไฟจอมพรานชูไฟฉายขนาดแปดท่อนขึ้นแล้วค่อยๆวาดลงตามกระไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงพอได้ระดับก็กดสวิตช์ให้ราไฟพุ่งจ้าออกไป โดยผ่านแนวํำกล้องปืนของเชษฐาเพื่อให้เห็นศูนโดยถนัดชัดเจนดวงตาเรากับทัพทิมคู่หนึ่งแดงโฉดสะท้อนแสงสวนตอบแสงไฟฉายแววออกมามันอยู่ทางด้านปลายเท้าของศพลูกหาบผู้ใช้เป็นเหยื่อร่อแต่แล้วทันทีนั้นเองระพินร้องออกมาเร็วปืออย่ายิงเชษฐาก็วัยทายาตเป็นการวัยทั้งประสา ต, ตาที่สังเกตเห็นดวงตาคู่นั้น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 กระโจนผ่าจากศพหายลงไปในรำาหย้ยมองเห็นได้อย่างถนัดว่ามันเป็นอีเห็นดงตัวเรื่องขนาดหมาพันอันเซเชียนทั้งสองถอนหายใจเฮือกออกมาพร้อมกันอย่างผิดหวังและพิน ด, ดับไฟโรงในขณะที่เชษฐารลดปืนมือยังสั่นน้อยๆด้วยอารมณ์ตื่นเต้นโอ้โหผมเอ็กไซส์ไปหมดเลยมันทำเอาเสียเส้นเกือบกดตูมไปเสร็จแล้วดีว่ายังเสียทัน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 หวงเหยื่ออยู่ในละแวกใกล้เคียงอีเห็นตัวนั้นก็คงไม่กล้าออกมากินศพหรอกนี่แปลว่ามันจะต้องเปิดไปไหนไกลลิบททีเดียวไม่ได้ท่อมๆ อ, อยู่แถวนี้ถึงอย่างไรเราก็ต้องทนรอจนกว่าจะเช้าครับระพินตอบแล้วก็ควักบุหรี่ออกมาเชื่าหายใจอย่างแช่มชื่นขึ้นเล็กน้อยที่มีโอกาสได้สูบบุหรี่บ้างจากการอดทนก้านมาเป็นเวลานานประมาณตีสามครึง่งลมหยุดสนิท แม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกป่าทั้งป่าตกอยู่ในห้วงสงบชนิดที่จักระจันเลไรก็ไม่ยอมทําเสียงเชษฐาเคลิ้มม้อยไปอีกเพราะบ้าใจที่ถึงอย่างไรเขาก็มีระพินนั่งอยู่เคียงข้างครั้นแล้วปัจจุบันทันด่วนนั่นเองก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงอีกชนิดหนึ่งดังมาทางทิศเหนือของราห้วยแห้งเบื้องหน้าเป็นเสียงยอดไผ่หักและพงรกถูกเสียดสีเสียงนั้นไม่ดังนัก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 ถ้าหากมันพาโขงข้ามลำห้วยมาฟากนี้ทั้งเขาและละพินจะทําอย่างไรเป็นเวลาถึงชั่วโมงเต็มๆของการหายใจมิทั่วท้องที่ช้างป่าโขงนั้นป้วนเปี้ยนอยู่ในระแวกใกล้เคียงครั้นแล้วมันก็พาโขงเคลื่อนห่างออกไปอย่างสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านตะวันออกจนกระทั่งเงียบเสียงหายไปซึ่งก็เป็นเวลาฟ้าสาง g พอดีร่องอกไปทีเชิฐาคลางออกมา พร้อมกับเหยียดกายบิดตัวอย่างสุดแสนจะเมื่อยล้าหันมามองดูหน้าพรานใหญ่ซึ่งบัดนี้พอจะมองเห็นกันได้ถนัดแล้วโคลงหัวอย่างผิดหวังเป็นอันว่าเราฟาวสําหรับคืนนี้ประเดี๋ยวคุณชายยันกับพรานของผมก็คงจะมาหรอกครับเราออกไปนั่งพักกันที่โคลทิศ น, นั่นดีกว่าบทระยะที่จะต้องเฝ้ากันแล้วช่วงหนึ่งทั้งสองต่างลุกขึ้นยืนออกมาจากโครงโคนไม้ที่นั่งซุ่มอยู่ตลอดทั้งคืน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 พระพีนป้องปากกูตอบออกไปอึจใจเดียวพวกที่แคมป์กลุ่มใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นเกิดเดินนำหน้าชายยันและดาลินสาวท้าตามหลังมาอย่างรวดเร็วถัดจากนั้นก็เป็นบุญคำจันเมยหัวหน้าลูกหาบและพวกลูกหาบที่ติดตามมาด้วยอีกสามคนทั้งหมดพา ก, กันเดินตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งเสียงทักทายแซดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสยองใจไม่ได้ผลเหรอ ชายยันร้องถามเข้ามาก่อนที่ตัวจะถึงเชิดาโครงศีรษะรับกะติกกาแฟจากมือของน้องสาวที่เอามาฝากยกขึ้นดื่มกลัวคออันแห้งผากมีแต่อีเห็นกับช้างอีเห็นเข้ามาแท้ศพเมื่อตอนตีสองกกว่าเกือบซัดตูมเข้าให้เสียแล้วนึกว่าไอ้ ก, กุดดีแต่คุณรพินห้ามไว้เสียทันตอนใกล้รุ่งนี้เองช้างมาสวนสนามอยู่ฝากโนูน้นนั่งเข้าชานกันแทบจะไม่ยอมหายใจ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 ทั้งหมดพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่แลบินก็สั่งให้พรานของเขากับพวกลูกหาบที่มาด้วยช่วยกันขัดห้างขึ้นอย่างเร่งรีบบนคบไม้ใหญ่ชัยภูมิเหมาะต้นหนึ่งซึ่งมีพวกเฟิร์นและกาฝ่าขึ้นอยู่เต็มเครื่องบางไพายอำพางตาไปในตัวสำหรับให้ชัยยันกับเกิดขึ้นนั่งเฝ้าผลัดเวรต่อไปแต่ก่อนที่พวกนั้นจะแยกกันไปตัดไม้หม่อมนชวงศ์หญิงดารินก็พูดพงขึ้นว่าห้างนี้ขัดสาหรับสาคนนั่งนะ อย่าลืมมีที่เผื่อฉันด้วยคนหนึ่งทุกคนหันขวับมามองทางหญิงสาวเป็นตาเดียวยกเว้นระพินซึ่งเฉยเไม่สนใจชายยานพูดออกมาต่ำๆด้วยเสียงเคร่งเครียดจริงจังอะไรกันน้อยมันเรื่องอะไรที่เธอจะต้องมานั่งอยู่ด้วยเอเธอนี่แปลกเหลือเกินนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบันเทิงสนุกสนานอะไรเลยสักนิดสาหรับรายการนี้ทาเป็นเด็กพูดไม่รู้เรื่องไปได้นี่ ทำไมฉันนั่งดูอยู่ด้วยคนไม่ได้หรือรับรองว่าจะไม่ทำอะไรให้เป็นที่เกล ก, กะหรือขัดขวางเป็นอุปสรรคหรอกฉันจะขอนั่งดูอยู่เฉยๆดารินพูดอ่อยๆน้ําเสียงไม่แข็งเหมือนเช่นทุกครั้งแต่เป็นการพูดแบบอ้อนวอนทำไมน้อยถึงชอบยุ่งในเวลาหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของน้อยเลยพี่ชายตาหนิน้องสาวอีกคนหน้านิวอย่างไม่พอใจ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 แล้วลงมาบ่อให้เกิดชายยานและดาลินเตรียมขึ้นนั่งประจำผมกับคุณชายจะกลับมาเปลี่ยนเวรอีกครั้งในราวบ่ายโมงครับถ้ามันยังไม่เข้าทั้งเช้าและทั้งบ่ายคืนนี้จะรองให้บุญคำกับจันมาผัดนั่งบ้างสาหรับกันสหรับการสามผัดอยู่เช่นนี้นัดแนะกันเป็นที่เรียบร้อยหม่อมราชวงศ์ดาลินก็ถูกส่งให้ขึ้นห้างเป็นคนแรกชายยานตา่ต า, ต, าตามขึ้นไปเป็นคนที่สอง และเกิดอันทำหน้าที่พรานคุ้มกันขึ้นไปเป็นคนสุดท้ายซึ่งรพินกำชับไว้ว่ากระสุนนัดแรกที่จะระเบิดขึ้นในกรณีที่ไอกุดย้อนมากินซ่าให้เป็นกระสุนของชัยยันให้เกิดมีหน้าที่คอยช่วยซ้ำเท่านั้นถ้าจําเป็นชายยันรับลูกซองกึ่งอัตโนมัติบรรจุห้านัดของเชิดถาไว้เป็นประจำมือดารินไม่มีปืนติดมือมาด้วยในคราวนี้นอกจากปืนสั้นจุดสามซึ่งติดอยู่ในซองเข็มขัดข้างเอว ส่วนเกิดนั้นรพินสั่งให้ถือปืนไรเฟิล .357 S&S ของเขาสำหรับในกรณีฉุกเฉินอื่นๆทั้งสารับประทานอาหารช้ามาเรียบร้อยแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมีสเสบียงกลางอะไรทั้งสิน้นนอกจากกระติกน้ำซึ่งเกิดเป็นผู้สภายอยู่แล้วรพินเชิดฐาและพวกที่มาจากแคมป์ทั้งหมดก็พระแย่เดินทางกลับมายัางแคมป์ที่พักภายหลังจากทั้งสามขึ้นนั่งห้างประจาเรียบร้อย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 แล้วเขาก็บอกให้นายจ้างของเขากลับเข้าไปนอนพักผ่อนเสียผมจะปลุกคุณชายในราวเที่ยงครึ่งครับปวดรับให้สบายเชี่ถาโบกมือให้แล้วก็เดินเข้ากระจมไปรพินเดินไปเอ็นตัวที่ซอกโขดหินร่มรื่นตอนหนึ่งบุญคำก็นำอาหารเช้าและกาแฟมาให้เขาจอมพรานกินอย่างรวดเร็วแล้วทิ้งตัวลงนอนถ้าได้ยินเสียงปืนจากด้านคุณชายยานปลุกชั้นทันทีถ้ายังเงียบอยู่มาปลุกตอนเที่ยงตรง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 เสร็จแล้วเราจะออกเดินทางเลยทั้งสองรับประทานอาหารร่วมกันอย่างรวดเร็วพอเสร็จสัพท์ก็คว้าปืนเชิฐถาหันไปทางแง่ทรายแง่ทรายไปที่ห้างด้วยกันไ้ยประเดี๋ยวแกค่อยกลับพร้อมกับคุณชายยันกระเรี่ยงหนุ่มนักเดินโด่งคว้าปืนคึ่ ม, มืออย่างว่าง่ายเดินตามหลังเชิดากับพระบินมาด้วยรวมเป็นสามคนตัดทางบ่ายหน้าไปยังห้างที่ชายยันนั่งอยู่กับดารินและเกิดในขณะนี้พอใกล้เข้าไป แลพินก็บอกให้แงซา ย, ายกูให้สัญญาณร่วงหน้าเข้าไปก่อนตามธรรมเนียมเพื่อกันความเข้าใจผิดมีเสียงกูตอบออกมาทั้งสมเดินตรงเข้าไปถึงก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดชายยานและดารินตายลงมาจากห้างเงียบเป็นเป่าสากเลยมีแต่มหมานายฝูงเบอ ร, รอร์จะเข้ามาถึงศพเกิดเลยอากิ่งไม้คว้างไล่ลงไปชายยานร้องบอกมาเอาละถึงผลดของฉันกับล้พินอีกแล้วแกกลับไปพักได้ เชษฐาพูดเบาๆทั้งสองฝ่ายพูดกันอีกสองสาคำก็เตรียมจะแยกจากกันแงซ า, ายเดินตรวจบริเวณและมาดูที่ศพสีหน้าของหนุ่มชาวดงเฉยเมยไม่มีเปรติกยาใดๆทั้งสิน้นเขายืนอยู่ใกล้ศพเหมือนจะพึมพำสวดอะไรเป็นการส่งวิญญาณของลูกหาผู้กาะร้ายลักษณะของศพเริ่มหน้าเกลียดหน้ากลัวเพิ่มขึ้นกำลังจะขึ้นอืดเพราะอากาศร้อนอบอ้าวและเต็มไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ของดงดิบ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 หนุ่มพเนจรชาวดงหยุดชะงักหันมาแกจะนั่งห้างกับเราด้วยไหมแงซายแล้วแต่ผู้กองครับถ้าอย่างนั้นขึ้นห้างด้วยกันเขากล่าวชวนเพราะต้องการจะเอาใจเชิฐาซึ่งเขารู้ว่าพอใจเจ้าคนใช้ชาวดงผู้นี้เป็นพิเศษแงซายเดินยิ้มกลับมาในขณะที่เกิดชัยยันและดาลินพากันพระเดินลงห้วยบ่ายหน้ากลับแคม เมื่อเกิดชายยานและดาลินเดินรับหายลงห้วยไปแง่ท า, ายกับเชิฐาก็หันมามองตาลพินพรานใหญ่กว่าสายตาไปรอบๆ อ, อีกครั้งหนึ่งแล้วพยักหน้าเป็นเครื่องหมายเชิฐาจึงตายขึ้นไปเป็นคนแรกแง่ท า, ายตามขึ้นไปเป็นลําดับสองและตัวเขาเองตายขึ้นห้างเป็นคนสุดท้ายจัดหาที่นั่งตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วก็สงบปากเสียงเฝ้ารอคอยอยู่โดยไม่พูดอะไรกันเมื่อไม่จําเป็น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 ผมว่าถ้ามันจะไม่ยอมเข้าเสิแล้วไอ้เสือผีสิงตัวนี้แสนรู้เอาจงจริงสุภาพบุรุษในราชสกุลหัวหน้าคณะเดินทางบ่นออกมาเคยมีเหมือนการครับที่ต้องอดทนรอคอยเฝ้าซากจนกระทั่งซากเปื่อยโซมบางครั้งก็ตั้งเกือบอาทิตย์มันไม่มีความหวังอะไรได้มากเกินไปกว่าการเฝ้ารออยู่ที่ซากในกรณีที่มันกัดซากทิ้งไว้รพินบอก หม่อมละโวงเชื่ถาจ้องไปที่ศพแล้วสายหน้าถอนใจเบาๆผมสมเพศศพของเอิญเหลือเกินภาวนาอยากให้มันเข้าเสียโดยเร็วขืนช้าออกไปศพก็จะยิ่งขึ้นอืดเฟะสังเวชในตาอย่างบอกไม่ถูกความจริงเราควรจะจัดการฝังเขาเสียให้เรียบร้อยท้าไมติดขัดที่จะต้องอาศัยเป็นเครื่องล่อเฮ้อยังไม่ทันที่จะถึงหล่มช้างเลยคณะของเราก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเสียแล้วมันเป็นลางไม่ดียังไงพี่กน ผู้กองครับเสียงกระซิบพ่าวห้าวกังแง่ทรายดังขึ้นเป็นประโยคแรกหลังจากขึ้นร่วมห้างมาเป็นเวลานานทั้งพรานใหญ่และเชิฐถาหันไปมองอะไรหรือแ ง, ง่ทรา ย, ายผู้กองเคยคิดบ้างไม่ว่าไอ้กุดมันน่าจะจำกลิ่นผู้กองได้จอมพรานขามวดคิ้วจ้องหน้าหนุ่มชาวดงนักพเนจรแล้วยังไงผมคิดว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนก็ขอให้ผู้กองพิจารณาเองเถิดครับ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 กลินตัวของผู้กองที่มันจาได้เท่านั้นถ้าผู้กองไม่อยากจะให้เจ้านายนั่งอยู่คนเดียวจะให้ผมนั่งเป็นเพื่อนด้วยก็ได้ผู้กองกลับไปคนเดียวเข้าท่ามากนะรารพินเข้าท่ามากนะรารพินสำหรับการแนะนำของแง่ท า, ายอย่างว่านี่ลองดูสักครั้งเถดหน้าคุณกลับไปแคมเสียและถ้าไม่อยากจะเป็นห่วงผมมากเกินไปนักให้แง่ท า, ายนั่งคู่กับผมก็แล้วกัน พรานใหญ่อึ้งไปนานถ้าผมกลับไปแคมป์โดยไม่มีคุณชายกลับไปด้วยถึงแม้จะมีแง่ทายนั่งเป็นเพื่อนก็ตามคุณหญิงดาลินกับคุณชายยานจะคิดอย่างไรมิตําหนิผมแย่ไปหรือหาว่าทอดทิ้งคุณชายให้เสี่ยงอยู่ตามลาพังเชิดฐานตบไหล่ถ้าพินพร้อมกับยิ้มไม่เป็นไรหรอกหนะ่าผมรับรองว่าทั้งสองคนต้องไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนคุณบอกเขาตามเหตุผลนี้ก็แล้วกัน ถึงอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดอยู่ดีนะครับคุณชายยันคงจะเข้าใจได้ดีแต่สําหรับคุณหญิงดาลินคงจะเล่นงานผมแน่ๆเขาพูดพร้อมกับหัวเราะกร่ อ, อยก็ผมรับรองอยู่นี่ยังไงว่าจะไม่ให้ใครมาว่าคุณได้ทั้งสิน้นถึงน้อยจะเป็นเด็กขี้ตอแยผ่านหาเรื่องเอากับคุณตลอดเวลาก็ตามเขาก็เป็นคนเคารพเหตุผลอยู่ไม่น้อยคุณอธิบายเขาทราบตามที่เราตกลงกันนี่ก็แล้วกัน เพราะไม่งั้นเราก็ไม่มีวิธีใดอีกแล้วอย่าเสียเวลาอยู่เลยรพินอิดเอื้อนไม่เต็มใจนักแต่ภายหลังจากถูกรบร้าขยันขยออยู่อีกครู่ใหญ่ก็จงยอมจำนนตกลงครับถ้าคุณชายอยากจะทดลองอย่างนั้นแต่ขอสัญญากับผมสักข้อหนึ่งบอกมาเลยคุณต้องการให้ผมไปบตดเช่นไรบ้างเขาถอนใจเบาๆอีกครั้งยิ้มอย่างไม่ปลอดโปรงใจนักจ้องหน้าเชฐาืฐาแล้วหันมามองแง่า ย, ายพูดว่า เอาละแงซายแกนั่งเป็นเพื่อนคุณชายอยู่ได้ฉันจะกลับไปเพียงคนเดียวแต่จำไว้นะนี่คือคำสั่งไอ้กูจะเข้ามาหรือไม่เข้าก็ตามจะมีการยิงหรือไม่ได้ยิงก็ตามและไม่ว่าจะโดยกรณีใดๆทั้งสิ้นไม่ให้คุณชายลงจากห้างอย่างเด็ดขาดจนกว่าฉันจะย้อนกลับมาอีกครั้งในเวลาหกโมงเย็นและไม่เฉพาะแต่คุณชายเท่านั้นแกเองก็เหมือนกันไม่ต้องลงมาเลยครับ ผมรับรองแง่า ย, ายก้มหัวไม่ต้องกังวลหรอกละพินผมและแง่า ย, ายจะปฏิบัติตามคำสั่งคุณอย่างเคร่งครัดทีเดียวถ้างั้นผมไปเดี๋ยวนี้แหละครับว่าแต่เขาหันไปสำรวจปืนของเชษฐาและแง่า ย, ายอีกครั้งเห็นหนายจ้างผู้สรงสารของเขาคงถือรูกซองบรรจุห้านัดกระบอกเดิมและแง่า ย, ายมีวินเซสเตอร์โรบาโบราณขนาดจุดสแบบคานเวียง อันเป็นปืนประจำมือส่วนตัวก็ถามว่าคุณชายจะใช้บราวนิ่งกระบอกนั้นตามเดิมหรือครับผมคิดว่ามันเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการหวังผลเลิศโดยเสี่ยงกับการผิดหวังน้อยที่สุดระยะขนาดนี้วิถีกระสุนยังไม่ทันบาลหรอกรวมกลุ่มดีนะักถ้าไอ้กุดใส่เกาะเหล็กมาด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่กล้าใช้ไรเฟิลบอกตรงๆว่ากลัวพลาดเหมือนคุณอําพลอีก จอมพรานหันไปทางแง่ทรายส่งจุด375เจห SNS ของเขาไปให้เอาแง่ทรายแกเอาไอ้นี่ของฉันไปแล้วส่งไอ้ปืนปัสตันสมัยอินเดียแดงของแกกระบอกนั้นไหมฉันฉันจะได้ถือกลับแคมป์ว่าอันที่จริงแกไม่น่าจะเอาปืนโบราณของแกกระบอกนี้ติดตัวมาให้หนักในการเดินทางครั้งนี้เลยสงสัยว่าแกไปสรรหาลูกได้มาจากไหนนะไม่มีใครเขาใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้พอไปถึงหล่มช้างก่อนที่เราจะมุ่งไปขุนขาพระศิวะ ฉันเห็นจะต้องให้แกโยนทิ้งเสียทีแง่ท า, ายหัวเราะเห็นฟันสองแถวตามเคยรับจุดส75เจ็ห้าแมกนัมของเขาไปแล้วส่งจุด4440แบบเก่าแรกมาให้ระพินอดหัวเราะออกมาไม่ได้อีกสนัดคานเวียงออกมาสำรวจดูรู ก, กระสุนเพื่อความแน่ใจและจุ ป, ป่าโครงหัวกระสุนหัวตัดเหล่านั้นแต่ละลูกเก่าคล่ำคล่าเต็มทีไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจนะักแต่เงยหน้าขึ้นมองดูเจ้าของปืนถามยิ้มยิ้มต่อไป แกรับรองได้ไม่ว่าระหว่างที่ฉันเดินกลับแคมป์ท้ยกุดมันโผล่ออกมาทักทายระหว่างทางกระสุนของแกจะไม่ด้านแง่ช า, ายไม่ตอบได้แต่หัวเราะเช่นเดิมระพินก็ไม่ต้องการคาดคั้นคำตอบอย่างไรเพราะเป็นการถามสับยอกพอจัดเตรียมตัวพร้อมก็ปีนลงจากห้างยกมือขึ้นแตะปีกหมวกส่งให้เชดิดทาขอให้โชคดีครับคุณชายผมจะมารับหกโมงเย็นอย่าลืมที่สั่งไว เชิดฐายิ้มแต่ปิดหมวกส่งตอบลงมาพรานใหญ่ออกเดินดุ่มตัดลงห้วยกลับมาอย่างแคมป์ที่พักเมื่อเขาย่างหยียบเข้ามาถึงบริเวณทุกคนก็หันมามองด้วยความแปลกใจที่เห็นกลับมาคนเดียวชายยันกับดารินนั่งสนทนากันอยู่ที่ผาหินหน้าแคมป์พอมองเห็นต่างก็พากันวิ่งเหาะๆะเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นประหลาดใจและซักถามโดยเร็วรับินอธิบายสั้นๆให้ทราบถึงเหตุผลในการกลับมาของเขา และก็ตรงตามที่เขาเข้าใจทุกอย่างสำหรับชายยันนั้นสามารถเข้าใจได้ดีโดยไม่มีข้อข้องใจใดๆทั้งสิ้นแต่หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินขมวดคิ้วจ้องตาโตมายังเขาร้องเสียงสูงตายจริงนี่มันเรื่องอะไรที่คุณทิ้งให้พี่ใหญ่นั่งห่างตามพังตัวเองหนีกลับมาอย่างนี้ก่อนที่รพินจะพูดเช่นไรชายยันก็บอกมาว่าอย่าวุ่นวายไปเลยน่าน้อย ถึงอย่างไรเชษฐาก็มีแงสายนั่งเป็นเพื่อนอยู่ทั้งคนไม่เห็นมีอะไรน่าวิตกเลยแงสายไม่ได้เป็นพานโดยตรงจะไว้ใจได้สักขนาดไหนคุณบกพร่องแต่หน้าที่ตามสัญญาจ้างของเราเสียแล้วล่ะในพานระพินยักไหลเขาไม่อยากจะถือสาหาความกับหญิงสาวพรรู้นิสัยดีเดินไปดินกาแฟดื่มพูดตำตๆนายจ้างท่านสั่งให้ผมกลับแคม เมื่อเป็นคำสั่งของท่านผมผู้เป็นลูกจ้างก็ไม่รู้จักขัดอย่างไรเหมือนกันดาดินกอดอกยืดตัวขึ้นหน้าตึงฉันเองก็เป็นนายจ้างของคุณเหมือนกันและในขณะนี้ขอสั่งว่าให้คุณกลับไปนั่งห้างคอยคุ้มกันพี่ชายของฉันหรือถ้าไม่อยากจะนั่งก็ให้กลับมาด้วยกันไม่ใช่ทิ้งเขาไว้ตามมลพังเช่นนี้คุณเป็นพรานรับจ้างภาษาอะไรกันไม่ทราบมีอย่างหรือปล่อยให้ในายจ้างนั่งเฝ้าเสือกินคนอยู่ตามมาพัง หนีกลับมาเสียอย่างนั้นแหละจอมพลานชดกาแฟอย่างอร็ดอร่อยแล้วควักบุหรี่ออกมาจุดสูบตอบหน้าตาเฉยผมเป็นลูกจ้างก็จริงครับแต่ในกรณีที่มีนายจ้างเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไปผมก็ขอเลือกปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างผู้อาวุโสที่สุดเพราะถ้าผมปฏิบัติตามคาสั่งของนายจ้างเสียทุกคนไปในเวลาเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งผ้ารับใช้ได้อย่างไรถูกเหมือนกัน อวดดีนี่หมายความว่าหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินร้องเสียงแหลมอย่างโทสะแต่แล้วก่อนที่หล่อนจะกล่าวเช่นไรต่อมานั่นเองเสียงกระสุนก็ระเบิดกึกกล้องสะท้านไปทั้งป่าขึ้นนัดหนึ่งดังมาจากทางด้านห้างของเชษฐายังไม่ทันจะสิ้นกังวานเสียงนัดแรกนัดที่สองก็แผดสนั่นซ้ำขึ้นมาอีกอย่างดุเดือดไม่มีปัญหามันเป็นเสียงลูกซองชัดๆ ได้จะต้องเป็นลูกสองกึ่งอัตโนมัติจากมือของหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศดารินอ้าปาค้างทุกคนก็ตะลึงกันไปหมดและพินร้องอุทานออกมาอย่างดีใจจนลืมตัวไอกุดคุณชายซัดเข้าให้แล้วรวดเร็วเหลือเกินพวกพลานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนที่พากันนั่งนอนอยู่ทั่วไปก็เพ่นฮือขึ้นยืนพร้อมกันหมดด้วยความตื่นเต้นยินดีส่งเสียงโห่ร้องกันลั่น ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รู้ผลต่างวิ่งกันผ่านชายยันและดาดินเองก็ยิ้มออกมาได้หน้าแดงระเรือ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมและชวงหญิงคนสวยบัดนี้ลืมเสียอย่างสนิทว่ากำลังทะเลาะอะไรอยู่กับพระพินกระโดดเข้ามาจับมือชายยันขย่าวโดยแรงชายโยพี่ใหญ่ยิงมันได้แล้วดีใจจังหล่อนร้องเอ็ดยางลืมตัวทุกคนมีสีหน้าปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวชายยันหันไปทางพรานใหญ่พูดเร็วือ เร็วคุณรพินเรารีบไปดูกันเถอะไปสิครับทั้งชายยานและดาลินวิ่งเข้าไปคว้าปืนอีกหลายคนก็พรูล้วนอยากจะตามไปด้วยกันทั้งหมดแต่รพินห้ามไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกหาบทั้งหมดได้รับคําสั่งให้อยู่ประจําแคมป์คงอนุญาตให้นายเมยผู้เป็นหัวหน้าไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและมอบหมายให้บุญคําเฝ้าแคมป์คงมีแต่เกิดเสยและจันทร์ที่ได้รับคําสั่งให้ติดตามไปด้วยนอกเหนือจากชายยานดาลิน เมื่อสั่งงานเสร็จรพินก็นำออกเดินรุดมายังบริเวณห้างของเชษฐาโดยเร็วคุณว่าอยู่หรือเปล่าชา ย, ยันเอ่ยถามขึ้นอย่างกังขาร้อนใจขณะที่เดินเคียงรพินไปอย่างเร่งรีบก็น่าจะอยู่นะครับลงได้ยินสองนะัดซ้อนแบบนี้แต่เปเดี๋ยวก็รู้ถ้า ง, งานอุบายของแงซสายไม่เร็วเลยพับผ่าสิไม่น่าจะเป็นไปได้ ผมก็นึกไปไม่ถึงมาก่อนเหมือนกันถ้าเสียงปืนของคุณชายเป็นการยิงไอ้กุดตัวจริงทั้งเจ็ดคนรุดมาถึงบริเวณตั้งห้างภายในเวลาเพียงไม่ถึง20สิบนาทีพร้อมกับกูเรียกเข้าไปและยังไม่ทนันจะโผล่เข้าไปถึงก็ดียินเสียงเชษฐาตะโกนบอกกล้องมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นว่าระวังตัวยิงโดนมันทั้งสองนัดแต่มันไม่อยู่เพนหนีไปได้ทุกคนอุทานกันออกมาด้วยความตกใจ รัพย์นกับชัยยันหันมาจ้องตากันแล้วเล่งฝีเท้าขึ้นอีกฝ่ายที่มาจากแคมบแทบจะวิ่งตรงเข้าไปที่ห้างเมื่อมาถึงเชื่ากับแง่ท า, ายพากันตายลงมาจากห้างอย่างรวดเร็วและก่อนที่ทุกคนจะเอ่ยปากถามหม่อมแลช่วงเชื่าก็ชี้มือพูดระร๊ารลักมันโผล่ออกมาจากดงกระชิดทางด้านโน้นตัวขนาดม้าทีเดียวไอ้กุดแน่แน่พอคุณรัพย์นลงจากห้างกลับไปสักครึ่งชั่วโมงมันก็โผล่ออกมาเหมือนที่แง่ท า, ายพูดไม่มีผิด ตรงเข้ามาที่ซากผมกําลังตื่นเต้นปลดเซฟปืนมีเสียงดังไปนิดมันเลยเพ่นนัดแรกผมสาบานว่ายิงถูกบริเวณตะโพกด้านซ้ายอย่างจังจนมันปัดกลิ้งไปกับพื้นพอมันเพ่นวิ่งอ้าวผมก็ซัดตามหลังไปอีกนัดหนึ่งเชื่อว่าถูกบริเวณขาหลังผมจะลงจากห้างตามมันไปในทันทีนั้นแต่แง่ทายห้ามไว้สิ ก, ก่อนบอกให้รอคุณผมก็เลยนึกขึ้นมาได้เลยนั่งแกลล์อยู่บนห้างจนกระทั่งคุณมาถึงนี่แหละ โดนเข้าอย่างจังทั้งสองนัดครับผู้กองผมเชื่อว่ามันไปไม่ได้ไกลหรอกถ้าถามกันในทันทีนับตั้งแต่ถูกยิงป่านนี้คงจะได้ตัวแล้วแต่เราปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กองคือไม่ลงจากห้างจนกว่าผู้กองจะมาถึงแง่าสายเสริมขึ้นต่ำๆอีกคนหนึ่งใบหน้ามีรอยยิ้มดีมากแง่าสายทีป่ปฏิบัติตามคาสั่ง รพินตบบ่าหนุ่มชาวโดงและหันไปทางหม่อมราชวงศ์เชษฐาซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นสุดขีดพูดยิ้มยิ้มใจเย็นๆครับคุณชายถ้าลงแบบนี้เราก็เรามีทางได้ตัวมันแล้วถึง 90% เปอร์เซว่าแล้วเขาก็ตรงเข้าไปสํารวจรอยทั้งหมดพลูตามเข้ามาเป็นกลุ่มและวิพากษ์วิจารณ์กันแซดหม่อมราชวงศ์เชษฐายิงไม่พลาดแน่พยานหลักฐานที่เห็นชัดก็คือรอยที่เจ้าเสือสมิงดิ้นเป็นวงกลมอยู่กับพื้น ใบไม้แห้งราวกับใครมากวาดและหยดเลือดที่กองอยู่ทิศทางที่มันเตลิดไปเป็นพงรกฝั่งตรงข้ามกับลำห้วยปาดราเป็นทางมีรอยราขาไปอย่างเห็นชัดแต่ว่าไม่นัดใดนัดหนึ่งก็คงจะต้องถูกขาหลังของมันจนใช้การไม่ได้จอมพรานสำรวจรอยที่มันตะกุยตะกายหนีไปลึกเข้าไปอีกเล็กน้อยแล้วเขาก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจเลือดของเจ้าสมิงร้ายออกอย่างมากมายหยดเลือยอยู่ตามพื้นและกิ่ง ใบไม้ละเป็นทางไปทีเดียวสะดวกอย่างยิ่งสำหรับการติดตามคำนวณดูความชะกันของบาดแผลก็รู้ได้จากรอยเลือดที่ออกมาเหล่านั้นพรานใหญ่อย่างเขาสามารถบอกได้ในทันทีว่าไอ้กุดไม่มีทางจะพ้นมือไปได้แล้วถึงแม้ไม่ตามมันก็ต้องตายแน่เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นจากพิษบาดแผลที่ถูกยิงหวานเลยครับเจ้านาย แบบนี้ไปได้ไม่ไกลหรอกมันตะกายไปได้ก็เพราะความตกใจแท้ๆป่านนี้อาจไปนอนจอดอยู่ที่ไหนในละแวกใกล้ๆนี้แล้วก็ได้ผ่านพื้นเมืองของเขาพากันร้องออกมาอย่างกินดีภายหลังจากช่วยรถพินสำรวจรอยทิศทางไปของมัจุราแห่งไพรกว้างเราออกตามกันเดี๋ยวนี้เลยช้าอยู่อีกทําไมละ่ะชายยันพรองออกมาอย่างตื่นเต้นเดี๋ยวครับใจเย็นๆไว้ไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนเลย เราพิณบ่ด้วยน้ำเสียงเป็นปกติแล้วหันมาทางเชื่อถืด้วยดวงตาเป็นประกายจับแขนในจ้างบีบผมว่าคุณชายนัน่งพักผ่อนได้สบายเสียสักครู่เถิดครับจิตใจจะได้เป็นปกติไม่ต้องกังวหลหรอกถึงอย่างไรผมก็ขอรับรองว่าเราต้องได้ตัวมันแน่เราตามทันมันถมไปแล้วก็ตามได้ง่ายด้วยเพราะรอยออกชัดอย่างนั้น บางทีเราอาจได้ตัวมันอย่างสงบโดยไม่จำเป็นต้องเปลืองกระสุนอีกขอเวลาให้ลูกปืนของคุณชายที่ฝังอยู่ในตัวมันสำแดงลิศขึ้นเต็มที่เสียก่อนเท่านั้นขณะนี้ที่มันเพ่นหนีไปได้ก็เพราะอำนาจความตื่นเต้นตกใจตามสัญชาตญาณเท่านั้นสบายใจได้แล้วชายยันและดาลินหันมามองดูความเยือกเย็นของรอพิ์อย่างประหลาดใจแต่สาหรับเชษฐาดูเหมือนจะเข้าใจได้ดี จอมพลานสั่งให้ทุกคนหยุดยัง้งรวมกลุ่มนั่งพักกันที่นั่นก่อนตัวเขาเองควักบุหรี่ออกมาแจกจ่ายและจุดสูบนั่งลงบนโขทิินแล้วนี่เราจะออกตามเมื่อไหร่หม่อมราชวงหญิงดาลินอดปรนทนกระสับกระซายอยู่ไม่ได้ถามออกมาแล้วพินชูบุหรี่ในมือที่กำลังสูบอยู่ขึ้นสูบบุหรี่ให้หมดตัวเสียก่อนครับเขาตอบเรียบๆแล้วหันมายิ้มกับแง่ร า, ายบอกว่า ลูกไม้ของแกได้ผลดีมากแงซายถ้าแกไม่แนะขึ้นฉันก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราถึงจะได้ตัวมันหรืออาจไม่มีโอกาสได้เลยก็ได้แง้ายยิ้มยิงฟันเฉยไม่กล่าวเช่นไรเชษฐาบอกด้วยน้ำเสียงร้อนรนมาว่าผมเกือบยิงผิดแล้วรู้ไหมพอกดเซฟกริ๊กมันก็ชะงักแว้งกัดแว้งตัวกลับนัดแรกที่ผมยิงเป็นจังหวะที่มันเพ่นพอดี ไม่หนำซ้ำยังมีพุ่มไม้บางอยู่อีกมองเห็นไม่ถนัดนี่ถ้าเป็นไรเฟิลก็ฟาวแล้วความจริงเสียงปลดเซฟมันก็ไม่ดังนักแต่หูมันไหวหรือเกินนัดที่สองผมก็รีบซ้ำส่งเดดเออกไปอย่างงั้นเองแต่แงซ า, ายบอกว่าถูกทั้งสองนัดมันใหญ่หรือเกินครับผู้กองถ้าเป็นเสือขนาดธรรมดาผมว่าอยู่กับที่แล้วไม่รากขาหลังไปได้หรอกเพราะโดนกระสุนลูกปลายเข้าไปทั้งสองนัด ม่านกระสุนก็ยังรวมกลุ่มอยู่ดีไม่ทันบานแย่สายพูดเบาๆก้มลงเก็บปลอกกระสุนโอโอบักที่สัดจากปืนของเชษฐาหล่นกิ้งอยู่ใต้ห้างขึ้นมาพิจารณาจังหวะการยิงของคุณชายมันกระทันหันฉุกกระหุกเกินไปครับผมว่าถ้านัดแรกถูกในระดับสูงกว่าชายโครงขึ้นมามันก็คงอยู่แล้วนี่มันคงไปถูกบริเวณเอวหรือตะโพกอย่างคุณชายว่านั่นแหละแต่ก็ต้องนับว่าสติและการตัดสินใจของคุณชายดีมาก เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยังยิงไว้ให้ตามได้สะดวกคุณชายทำได้ถูกต้องหมดทุกอย่างในกลวิธีล่าเสือแล้วครับคือยิงในทันทีที่ได้โอกาสโดยไม่จำเป็นจะต้องคอยพวงถึงหมายสำคัญอยู่เพราะอาจทำให้พลาดไปได้ขออย่างเดียวให้ถูกและสร้างบาดแผลขึ้นเท่านั้นเราค่อยตามกันทีหลังผมกะระวังหัวกับซอกคอของมัน แต่ต่ำลงมาถูกเอวและตาพภอ ก, ก็เพราะมันเพ่นในจังหวะที่ผมล่านไกลพอดีเจ็บใจใเอสเซปปืนกระบอกนี้เสจริงๆผมว่าผมหยอดน้ำมันหล่อลื่นไว้คลองดีแล้วทีเดียวนามันไม่น่าจะมาฝืดเออตอนนี้เลยผลักอยู่ตั้งนานกว่าจะเคลื่อนมิหนำซ้ำยังมีเสียงเท่ากับเตือนให้มันรู้ตัวว่าแล้วเชิถาก็โครงหัวจุป่าอย่างเดือดดาลผักเซปปืนในมือทดลองกลับไปกลับมา ว่าแต่เราจะตามกันยังไงเรียงหน้ากระดานไปกันทั้งหมด9้าคนนี่นะหรือชยยันถามผมขอเรียนให้ทราบตามตรงว่าการตามเสือเจ็บหรือเสือลำบากเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างที่สุดมันมีอยู่สองในเท่านั้นคือไม่มันก็เราคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นยิ่งมากคนเท่าไหร่ก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นแต่ผมคิดว่าพวกเราคือคุณชายคุณชัยยานันและคุณหญิง คงต้องการตามมันด้วยกันทุกคนอ๋อแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฉันถ้าหากคุณไม่ใช้อำานาจในการถูกจ้างให้มาเป็นผู้ออกคำสั่งกีดการห่วงห้ามฉันไว้เสียดาลินพูดขึ้นโดยเร็วแ้ะพินหัวเราะก้มหัวให้เมื่อแรกผมคิดว่าจะจัดการส่งคุณหญิงขึ้นไปนั่งรออยู่บนห้างพร้อมกับพลานของผมสักคนหนึ่งระหว่างที่เราออกติดตามจนกว่าจะได้ตัวมัน แต่ผมมาคิดอีกทีหนึ่งคุณหญิงก็ควรมีหน้าที่ปราบเสือตัวนี้ด้วยเพราะคุณหญิงก็เป็นคนหนึ่งในคณะหัวหน้าของเรารอนยิ้มมุมปากยักไหลคิดได้งั้นก็ดีและขอให้คิดเช่นนั้นตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นลพปินลุกขึ้นยืนดีดก้นบุหรี่เหยียบดับเราจะไปกันทั้งหมดนี่แหละครับดีเหมือนกันเราจะได้เห็นชัดกันทุกคนว่าการตามรอยเสือลำบากนั้นมันน่าตื่นเต้น เสี่ยงอันตรายเพียงไหนเตรียมตัวครับเราจะตามมันเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วเขาก็ดีดนิ้วเรียกลูกน้องให้เข้ามารวมกลุ่มทั้งหมดนัดแนะสั่งความซุบซิบอะไรอยู่ครู่ก็หยิบจุด375หแม็กนัมคู่มือขึ้นมาขยับลูกเลื่อนตวรวจดูกระสุนในรังเพลิงแล้วผักลูกเลื่อนเข้าที่ออกเดินแกะรอยนำไปโดยมีเชษฐาชา ย, ยันและดาลินตามหลังอย่างกระชั้นชิดพานของเขาอีกสองคนคือเสยและจัน แยกเป็นหน้ากระดานออกไปทั้งซ้ายและขวาส่วนเกิดแง่าซายด้เมเอยอันเป็นหัวหน้าลูกหาบเดินระวังอยู่เบื้องหลังรอยเสือสมิงที่สมสารเพ่นหนีไปสังเกตเห็นได้ชัดเจนทุกระยะในสายตาพรานอย่างระพินบางแห่งก็กองโตแสดงว่ามันหยุดพัาเกลียแผลที่นั่นแล้วก็กระเสือกกระสนต่อไปอย่างทรหดอันเป็นธรรมชาติของมันระพินแกะรอยไปอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนอะไรนัก เขาตรวจรอยตามพื้นกวาดสายตาระมัดระวังสำรวจไปในระแวกรกทึบเบื้องหน้าหยุดใครควรเล็กน้อยแล้วก็คืบหน้าต่อไปไรเฟิลถือพร้อมในมือนิ้วแตะอยู่ที่ไกลแต่ลำกล้องกดต่ำ45องศากับพื้นทุกคนปฏิบัติตามเขายกเว้นดารินคนเดียวหล่อนไม่ได้ถือปืนอยู่ในมือเลยคงมีแต่ปืนสั้นเท่านั้นแล้วก็ติดอยู่กับเข็มขัดในเอวไม่ได้เอาออกมา ตงข้ามในมือของหลอนกับมีกล้องถ่ายรูปแทนติดแฟลชเตรียมพร้อมที่จะถ่ายได้ทุกขณะแม้ท่ามกลางความมืดสลัวที่แสงตะวันบ่ายส่องมาไม่ถึงทิศทางไปของไอ้กุดลกทึบขึ้นเป็นลำดับโดยแหวกเข้าไปในพงไม้ที่เกะดกาบไปด้วยเถาวันและน้ำการติดตามเป็นไปอย่างยากเย็นบางตอนเสยกับจันต้องใช้มีดถางพงออกไปเชิดถากัซิบถามระพินว่า การฟันตัดทางของทั้งสองจะไม่เป็นการเตือนเสือร้ายให้รู้ตัวและเตลิดหนีไกลออกไปกหรือซึ่งจอมพรานก็ตอบว่าในภาวะเช่นนี้แล้วไม่จำเป็นต้องคำหนึ่งเพราะเจ้ามฤตยูแห่งดงดิบย่อมไม่มีกำลังที่จะเตลิดไปได้ไกลนักมันยิ่งออกแรงมากขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการเรียกอวสานให้มาสู่มันเร็วขึ้นเท่านั้นรอยเลือดซึ่งเว้นระยะห่างกันเป็นหย่อมๆเริ่มเลีอดถีขึ้นเป็นลาดับ กระสุนลูกปลาย9้าเม็ดที่ยิงจาก FN กึ่งอัตโนมัติของหม่อมราชวงศ์เชษฐาทั้งสองนัดจะต้องสร้างบาดแผลเว่อว่าให้แก่มันไม่น้อยทีเดียวและกระสุนราวนั้นใช้พลังงานอย่างเต็มที่เข้าไปฝังอยู่ในเนื้อของมันโดยไม่เสียเปล่าไปผิดกับลูกปืนไรเฟิลซึ่งแรงและคมเกินไปอันจะทาให้ทะลุผ่านเลยไปเสียถ้าเห็นตัวยิงได้เลยนะครับไม่ต้องรอผม รพินหันมากระซิบบอกกับเชษฐาและชายยันแล้วเขาก็ชะงักกึกเมื่อเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินซึ่งหยุดยืนสอดสายส า, ายตาอยู่เบื้องหลังเขากำลังถือกล้องถ่ายรูปเตรียมพร้อมอยู่ในมือแทนที่จะถือปืนเหมือนคนอื่นหล่อนมือแต่กว่าสายตาอยู่จึงไม่ทันเห็นอาการมองพิพักษพิพ่วนของเขาพรานใหญ่เป่าลมออกจากปากเบาๆแต่ก็ไม่ปิดปากผู้เช่นไรหันกลับไปพิจารณารอยเลือดตามเดิม บัดนี้ทุกคนมาหยุดยืนอยู่หน้าผงลกทึบที่สุดตอนหนึ่งริมไหล่เขาสูงชันซึ่งมีก้อนหินมะหึมาคล้ายจะเป็นศิลาจำหลักที่มนุษย์มาตั้งประดิษฐ์ไว้รอยเลือดสิ้นสุดตรงตรงตำแหน่งนั้นและมีรอยป่าลู่เป็นทางหายเข้าไปรบพินทำสัญญาณให้เชษฐาดารินและชายยันหยุดอยู่กับที่ตัวเขาเดินเกรยํารวจอยู่อีกอึดใจใหญ่เสยจันและแงาซายซึ่งแยกกันออกไปดูกันอีกคนละด้าน ก็เลี่ยงเข้ามาสมทบมันเข้าไปจนมุมอยู่ในพงนี้แน่ๆครับแต่เราไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าอาจนอนหมกตัวหลบอยู่ก็ได้เชษฐาชายยันและดาลินเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มได้ยินคำพูดโต้ตอบระหว่างรพินและพรานของเขาอย่างถนัดและเข้าใจดีคุณแน่ใจหรือว่าขณะนี้มันอยู่ในนี้เชษฐาเอ่ยถามขึ้นรพินจ้องเข้าไปในพงทึบ อันเป็นย่าขาและต้นเสือหมอบที่ขึ้นสูงท่วมศีรษะภายในอนาบริเวณประมาณหนึ่งไร่นั้นความเข้าใจของเสยไม่ผิดหรอกครับคุณชายขนาดนี้มันยังอยู่ในนี้แน่เสยอ้อมไปตรวจดูทางไหล่ขาวด้านหลังโน่นแล้วไม่เห็นรอยว่ามันจะโผล่ทะลุออกไปและรอยเลือดที่เราตามมาก็มาหมดลงตรงนี้แล้วเราจะเอายังไงกันดีบุกตามเข้าไปเลยชา ย, ยันถามระพินสันศีรษะช้าช้า ใช้ปากกระบอกปืนที่ถืออยู่ในมือเสยปีกหมวกให้เพยเยอะขึ้นเล็กน้อยไม่เหมาะหรอกครับมันลกทุกเหลือเกินป่ายญ้าคาเสียด้วยถ้าแหวกเข้าไปเราไม่มีทางจะมองเห็นตัวมันในระยะห่างเกินไปวาเลยไปเอาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดดีกว่าครับแล้วเขาก็หันมาทางจันร์ถามว่าจันร์แกมีประทัดสำหรับจุดไล่าราวติดตัวมาด้วยหรือเปล่าจันค้นลงไปที่ย่ามเก่าๆซึ่งสะพายหลังอยู่ อึดใจเดียวก็งัดประทัดขึ้นมาสองสามตับยิ้มแป้นมีครับนี่ยังไงดีแล้วแกกับเสยแยกกันไปคนละด้านจุดประทัดขึ้นคนละตับแล้วโห่ไล่ขึ้นให้เอ็ดทีเดียวนะพยายามหาไม้ใหญ่หรือก้อนหินกำบังไว้ด้วยอย่ายืนในที่โลง่งทั้งสองแยกกันออกไปเตรียมปฏิบัติตามคำสั่งของเขารพินบอกให้เชษฐาชา ย, ยันดาลินและแง่ทา ย, ายถอยเข้ากำบังหลังต้นไม้ใหญ่คนละด้าน และเตือนให้ระวังพร้อมถ้าเห็นตัวหรือการเคลื่อนไหวหรือได้ยินเสียงคำรามอยู่ที่ไหนก็นำยิงเข้าไปเลยนะครับตัวเขาเองเลี่ยงไปยืนบังหินก้อนหนึ่งแล้วโบกมือเป็นสัญญาณกับพรานพื้นเมืองทั้งสองเสยกับจานช่วยกันจุดประทัดโยนเข้าไปพร้อมกับส่งเสียงร้องเอะอะและทันทีนั้นประทัดก็แตกระเบิดขึ้นกึกก้องดังสนั่นไปหมดราวกับข้ตอกแตกพงหญ้าอันสูมท่วมหัวบริเวณหนึ่ง ไหวรูยั่วยาบอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงแผลด์คำรามล่านอย่างดุร้ายและคนตื่นกลัวบัตรนั้นเองลูกทองอัตโนมัติและลูกทองแฝดของเชี่ากับชายยันก็ระเบิดสถานป่าประสานกันขึ้นอย่างสนั่นวันไหวเดาวสุ่มเข้าไปในระดับต่ำของบริเวณที่เห็นหญ้าไหวและเสียงคำรามดังออกมาพลิบตานั้นเองท่ามกลางสายตาอันเบิกจ้องของทุกคน เสือรายพาดก่อนขนาดมหึมาโผนทยานเพ่นพวดออกไปยังปลายดงด้านตรงข้ามเป็นเส้นริ้วดำสลับเหลืองตะกายขึ้นไปพร้อมกับแผดเสียงคำรามร่างมองเห็นกรงเขี้ยวขาวในปากแดงร่าและตาอันเขียวปัดครั้งนี้เสียงปืนก็ประดังกันแผดขึ้นปานป่าจะถล่มทลายนับนัดไม่ทวนและมิทราบว่าจากมือของใครบ้างยกเว้นแต่ระพินและแ ง, แงสายเท่านั้นที่วาดปืนตามหลังไอ้ลายผีสิงไป แต่ไม่ได้เหนียวไก่เพราะจับศูนย์ไม่ถนัดสำหรับดารินมัวแต่ตะลึงจึงไม่สามารถจะถ่ายภาพนั้นไว้ได้ทันชั่วเซี่ยวของวินาทีนั้นที่ร่างของไอ้กุดปรากฏแว บ, บให้เห็นเป็นเป้เปาสายตาแล้วมันก็กระโจนหายเข้าไปหลังโขดหินลูกใหญ่ดิมเชิงผาลับตาออกพ้รัศมีปืนทุกกระบอกที่ระดมการซันโวอยู่ในขณะนี้พิสูจนให้เห็นว่าประดากระสุนที่ศาสกระหนําออกไปหลายนัดเมื่ออึดใจที่แล้วทันทีที่เห็นร่างของมันนั้น ไม่มีนัดไหนถูกเป้าหมายอย่างจังพอที่จะหยุดยั้งมันได้เลยทั้งเชษฐาและชา ย, ยันคําราวออกมาอย่างหัวเสียสําหรับเชษฐานั้นรู้สึกตนเองดีว่ากระสุนของเขาที่รั้นออกไปอย่างรีบร้อนนั้นต่ำกว่าเป้าหมายแท้จริงที่เหลือเพียงชั่วแว บ, บเดียวไปมากเพราะอารามรีบร้อนแข่งเวลาส่วนชา ย, ยันแล่นแฝดของเขาออกไปพร้อมกันทีเดียวทั้งสองลำกล้องบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหน เห็นแต่ก้อนหินริมผากระจายเป็นฝุ่นและคนอื่นๆก็ล้วนยิงด้วยความตะลืตะลานทั้งสิ้นด่วนร่าไกลออกไปในขณะที่ปากระบอกปืนยังไม่ทันจะจับเป้าเสียด้วยซ้ำไอ้กูดเมื่อเผ่นบูบลับหายเข้าไปในโขดหินใต้ชะงอนผาก็เงียบกริบไม่มีวี่แววว่าจะโผล่ออกไม้เห็นทางด้านใดเพราะโขดหินก้อนใหญ่นั้นมอเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนไม่มีอะไรอัพางหากว่ามันจะทะลุหนีออกไปยังอีกด้านหนึ่ง ไม่มีปัญหาขณะนี้มันจะต้องหลบซ่อนอยู่หลังโขดหินนั่นเองเพื่อรอวาระสุดท้ายของมันเพียงแต่ว่าใครเท่านั้นที่จะขึ้นไปเพื่อกรอกกระสุนเข้าใส่ในระยะกระชั้นชิดเพราะทำไมเข้าไปก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะสังหารมันได้อันเนื่องจากมองไม่เห็นตัวเสยผู้อ้อมไปสำรวจทางด้านชะงอนผาด้านนั้นมาก่อนแล้วเมื่อครู่นี้วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาพรานใหญ่รายงานกระหืดกระหอบ ไม่มีทางแล้วหรอครับเจ้านายนอกจากว่าเราจะบุกเข้าไปไปชิดตัวมันเลยมันเข้าไปจนมุมอยู่หลังโขดหินใต้ชะง้อนโน้นในนั้นเป็นโพรงถ้าลึกสักห้าวาเห็นจะได้เป็นทางตันไม่มีทางออกแต่เราจะเห็นตัวมันได้ก็ต้องอ้อมหลังโขดหินเข้าไปเป็นซอกเหมือนประตูมีทางเข้าอยู่ทางเดียวเท่านั้นระพินยกแขนขึ้นป้ายเหงือบนหน้าผากหันหมองมองดูคณะนายจ้างของเขาซึ่งทุกคนก็กําลังจ้องมาเป็นตาเดียว เสียงเหลือเกินละพินระยะเผาขนทีเดียวทั้งเราได้มันถ้าหากจะบุกเข้าไปดูราวกับว่ามันจะท้าให้เราคนใดคนหนึ่งเข้าไปไปจันหน้ากับมันตัวต่อตั ว, ต ว, ตวหม่อมราชวงเชิฐาครางออกมาหลี่ตามองไปยังโขดหินก้อนนั้นอย่างนี้ไงไงาลาที่เขาเรียกกันว่าเสือสั่งปาและพะ พ, พาสิเพิ่งจะเห็นสัญชาตญาณของเสือชัดๆคราวนี้เองเอากันมันสิชายยันร้องอย่างตื่นเต้น คราวนี้ผมเห็นจะต้องขอแล้วล่ะครับจอมผ่านพูดพร้อมกับยิ้มขึมขืม่มองไปที่ชายยานแล้วเปลี่ยนมาจับอยู่ที่เชธธิดาขออะไรขอเข้าไปจัดการกับมันเองคุณชายคุณชายยานและทุกคนเปิดคอยระวังตัวอยู่ในที่กำบังเท่านั้นเชธธิดาชายยานดาลินและทุกคนย่อมจะเข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้ได้ดีเกินกว่าที่จะต้องอธิบายอะไรกันมากแน่นอนที่สุด ในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครเหมาะสมเกินไปกว่าจอมพรานทั้งเชษฐถาและชายยันต่างก็ยอมรับกับตนเองว่าตราบใดก็ตามที่รพินไพยวันอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยในสภาพเช่นนี้ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่บังอาจขันอาสากระทำเองการเดินเข้าไปยิงเสือจนมุมในที่จำกัดระยะเผ า, าขนมันหมายถึงว่าผู้ยิงจะต้องมีสติสัมปชัญญะและความชมนานาญสักขนาดไหน มันเป็นการเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมิงร้ายตัวนั้นคือไอ้กุดเสือผีสิงอันที่จริงผมอยากจะขอรับหน้าที่นี้จากคุณเพราะไหนๆผมก็ยิงมันไว้แต่แรกแล้วหม่อมราชวงเชืา่ากล่าวด้วยเสียงเคร่งขครึมจริงจังเอื้อมมือมาจับแขนพรานใหญ่ไว้บีบแน่นพร้อมกับยิ้มแต่ก็รู้สึกตัวเองดีว่า ถึงอย่างไรผมก็ไม่เหมาะเท่ากับคุณผู้ซึ่งมือเหนือกว่าจะทำให้คุณเกิดวิตกกังวลเป็นห่วงผมชนิดอกสัน่นขวัญแขวนไปเสียเปล่าตกลงและพินผมยอมให้เป็นหน้าที่ของคุณโดยไม่อวดดีทำเสียเองหรอกแต่ผมว่าเราใช้วิธีจุดประทัดไล่อย่างเมื่อกี้นี้ไม่ดีกว่าหรือชัยยานแย้งมาโดยเร็วเชิงออกความเห็นอย่างเป็นห่วงมันตกใจเสียงก็เพ่นออกมาให้เรายิงอีกแหละ ดีกว่าที่คุณจะบุกเข้าไปไประจันหน้ามันในระยะประชิดวิธีนั้นมันเสี่ยงเกินไปไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกแล้วครับคุณชัยยานต่อให้เราจุดประทัดหรือยิงปืนทําเสียงเอาอะอะซักเท่าไหร่ไอ้กุดก็จะไม่มีวันโผล่ออกมาจากซอกขีด น, นั่นอีกเลยเสือฉลาดอย่างมันรู้ดีว่าที่นั่นเป็นกำบังอันปลอดภัยที่สุดของมันแล้วเว้นแต่ศัตรูของมันจะกล้าบุกเข้าไปจนถึงตัวมันเองซึ่งมันก็เตรียมสู้อย่างจนตรอกเป็นเวาราสุดท้าย นอกจากวิธีนี้เราก็จะต้องคอยเฝ้าร้อมดักมันอยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะตายเองเพราะพิษบาดแผลซึ่งเราก็มีมีทางจะรู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่เสียเวลาเปล่า